น, น, นได้ยินไหมนัตนาพลตะวันได้ยินเจ้าค่ ะ, ะมาจากที่ไหนจ้าคูเวตค่ะอคูเวตกลายกล้ามาครั้งแล้วใช่ไหมใช่ครับค่ะที่ไปเล่นดนตรีเหรอใช่เจ้าค่ะเล่นเล่นอะไรเครืงเครื่ดน ขิมนะใช่ค่ะเล่นขิมเจ้าค่ะขิม้องไทยนี่เลยใช่เจ้าค่ะเป็นเครื่องตีใช่ไหมเหมือนกับใช่ค่ะตีอย่างเงี้ยแต่ไม่เหมือนระนาดนะไม่ไ ม, ไ, มมนนไม่ใช่ระนาดนะไม่ใช่เจ้าค่ะ <c oughs> เป็นงไงมีความสุขไหมเวลาเล่นดนตรีคนเขาฟัางก็ก็มีค่ะเขาก็จะได้คลายเครียดค่ะ อแล้วเล่นเป็นเพลงไทยแล้วเป็นเพลงสากลเป็ น, เ, ปน เ, พเพลงไทยบ้างเพลงสากลบ้างค่ะสลับกันไปสิคะแล้วมีของขอ ง, ของคเวตเขามั้งหรอเปล่าหมายถึงเครื่องดนตรีเหรอจ๊คะคะไม่เป็นเพลงอ่ะเพลงของอาหรับนี่ไหมโอกไม่มีค่ะก็ไม่เป็นนะมันเล่นไม่ได้สิค่ะได้ถ้าเป็นเครื่องดนตรีมันต้องเล่นได้เพียงแต่ว่ามันออื แล้วถ้าเรามาดเสียงเพลงเขาเป็นยังไงล้วก็เล่นไปเขาไม่มีน no, no, no, no, no ้นูนดูโน้ตหรือเปล่าเวลาเล่นขิมเนี่ยดูเจ้าค่ะเครื่องขมิขมขิมโน้ตมันไม่พอค่ ะ, ะค่ะแล้วเป็นขมิมแฟ้าหรือว่าเป็นขมิมธรรมดาขิมขิมธรรมดาเลยเจ้าค่ ะ, ะก็ใช้ไมโครโฟนเท่าไหรแล้วไม่ต้องเสียงมันดังเองเสียงมันดังเองเจ้าค่ะ อ๋อไม่ต้องใช้ไม่ไดงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงนะไม่ต้องใช้ เ, เชจ้าค่ะเอก็ะะดีนะอืะแล้วเป็นยังไงไปอยู่มานานแล้วยังสิบเอ็ดปีแล้วเจ้าค่ะโอ้สิบเอ็ดปีอยู่ที่เดีนยวเนี่ยเลยใช่เจ้าค่ะแล้วไปกลับไปไปกลับทุกปียังไงกลับมาเยี่ยมบ้านทุกปีหรือเปล่าใช่เจ้าค่ะกลับทุกปีเจ้าค่ะ แต่ปีหน้ากลับกลับแล้วค่ะกลับเลยกลับกลับเลยหมดสัญญาเลยหมดหมดสัญญาด้วยค่ะแล้วก็ลาออกด้วยอ่าเบื่อแล้ ว, ลวอยากจะกลับบ้านนะใช่ค่ะอยากจะกลับไปบวชอ่าดีไปบวชที่ไหนอ่ะเนีบวชให้ไงก็ดูดูไว้หลายที่มากเลยค่ ะ, ะที่ที่วัดยานด้วยที่หนึง่งแล้วก็ที่วัดในกรุงเทพอีกที่หนึง่งสายหลวงปู่มั่นค่ะ เคยมาที่วัดยาเนอไม่เคยแล้วค่ะที่วัดยา น, นี่เขาบวชได้แค่เจ็ดวันใช่ไหมเขาอยู่ได้แค่เจ็ดวันแล้วค่ะอยากจะลองอยู่แค่เจ็ดวันก่อนถ้าถ้าบวชได้ก็ก็อาจจะอยู่ต่อแล้วค่ะอ่าแต่บวชยังไม่แบบยังไม่ตัดผมยังไม่โกนผมใช่ไหมครั้งแรกอาจจะยังไม่โกนค่ะครั้งที่อสองกลับว่าจะโกนเอ่เราดูรู้ว่าวบบการบวชนี่เราทําอะไรบ้างหรือเปล่า หนูหนูหนูก็เข้าไปอ่านในในเว็บไซต์ของวัดยาแล้วค่ะเขาให้เตรียมชุดขาวแล้วก็เตรียมพวกไฟฉายพวกอะไรพวกนี้ค่ะมาถึงการปฏิบัติตั ว, วมาถึงทามจิตใจ อ, อ๋อค่ะถือศีลแปดแล้วค่ะศีลแปดแล้วก็ฝึกปฏิบัติสมาธินะเจ้าค่ะมไม่สวงหาความสุขทางตาหูจมงงูกนิ้วกาย อ๋อค่ะอืมดีก็ลองดูเคยบวดมาแล้วยังยังไม่เคยแล้วค่ะเออเมอแม่แม่แฟนชอบชวนไปแต่ก็ยังไม่เคยไปค่ะก็แบบผัดผัดมาได้เรื่อยจนครั้งนี้รู้สึกว่าอยากจะบวดเองก็เลยอบอกแฟนบอกว่าลาออกจากงานดีกว่าเออมีสาเหตุอะไรถึงอยากอยาบปวดอ่ะ ก็รู้สึกเริ่อมใสแล้วค่ะเลื่มใสค่ะก็ดีแล้วเคยนั่งสมาธิเองบ้างไหมนั่งค่ ะ, ะกเ็เริ่มเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเจ้าค่ะก็นั่งมาเรื่อยเื่อยนั่งบ้างไม่นั่งบ้างแต่ส่วนใหญ่จะพยายามนั่งทุกวันนะคะเอานั่งนานไหมก็บางทีก็ครึ่งชั่วโมงบางทีก็หนึ่งชั่วโมงมีสูงสุดได้สองชั่วโมงครั้งเดียว เออนั่งสงบบ้างไหมที่นั่งเนี่ยสงบค่ะพักพักหลังๆเนี่ยบางทีไม่ถึงไม่ไม่กี่ลมหายใจก็สงบแล้วค่ะแล้วก็เลยเนั่งต่อไปเรื่อยๆแล้วมีความสุขไหมมีค่ะ อ, อนั่งแล้วต้องสุขนะถึงจะถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิจำค่ะอืวันนี้มีอะไรอยากจะถามไหมมีค่ะ อุอ้ยวันนี้มาคนแรกเลยไม่เป็นไรก็เหมือนกันนะคนแรกคนนั้นก็ได้ถามหมดทุกใช่ค่ะเจ้าค่ะ เ, เรื่องเรื่องการครบคนนะเจ้าค่ะคือพระอาจารย์บอกว่าเออให้ให้ให้เรามีเมตตากับคนที่เขาเกลียดเราอะ่ะเจ้าค่ะแต่คือ เขาเขาเขาทําไม่ดีใส่เราเนี่ยแล้วหนูเนี่ยก็คือจะเลิกคบกับเขาอ่ะค่ะแต่เจอก็ยังทักทายกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไปปรึกษากับกับแฟนบอกว่าเนี่ยเราจะไม่คบเขาแล้วนะเอ่อเราจะแต่ก็ยังทักทายกันอยู่เพราะพระอาจารย์บอกให้มีเมตตาเขาก็บอกว่าเออแล้วแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทักเลยได้ซ้ําเพราะเขา เพราะเขาไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ๋อคือถ้ามันเป็นมารยาทถ้าเจอกันท่านควรจะทักก็ทักถ้าไม่ควรจะทักก็ไม่ต้องทักก็ได้ใช่อันนี้ผูก็ทําถูกแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องสูงสิงไม่ต้องไปเกลียดเขาแต่ถ้าเจอกันบางทีก็ยิ้มให้กันทักทายสวัสดีนะคะว่า้ยกมือไหว้อะไรไปตามมารยาทเจ้าค่ะอื่า จะไม่ไปสนิทสนมไม่ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันกับเขาอะไรอย่างี้แต่ก็ยังต้องมีความเมตตากับสรรพษัตว์ทั้งปวงเจ้าค่ะถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าเขไม่ยินดีรับทักเราก็ต่อไปล้วก็เฉยเฉยไปเจ้าค่ะอมเบกขาไปเจ้าค่ะแล้วก็อีกอีกอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องการ พิจารณาทำอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างเรื่องความไม่เที่ยงอย่างเงี้ยค่ะเออเวลาเราเราพิจารณาเนี่ยคือเราต้องพิจารณาทุกขณะที่เราลึกขึ้นได้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะก็มันเป็นสามกรณีะคือว่าหนึ่งถ้าเรายังมองอะไรไม่เห็นว่านไม่เที่ยงเราก็ควรจะสอนใจเราฮะมองให้เห็นว่ามันไม่เที่ยง เช่นร่างกายเราเนี้มันไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงถามเดียวต่อไปมันต้องแก่หรือเปล่าต่อไปมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าต่อไปมันต้องตายหรือเปล่าลองค่ะต้องถามตายถามตัวเราจะว่าเราเห็นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเรายังยึดติดกับมันอยากจะให้มันเที่ยงหรือเปล่าก็ถ้าอยากให้มันเที่ยงแล้วพอมันไม่เที่ยงมันก็จะทําให้เราทุกข์ใช่ไหมเจ้าค่ะ อยากให้สวยไม่สางบ้านไม่รู้โรยเนี่เดี๋ยวเกิดมันมันมีสิวขึ้นมามันไม่สวยอมันไม่สวยแล้วจะทำยังไงจะทุกก็ปะถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่ทุกข์เรายอมรับความจริงอย่เทศที่แล้วว่ายอมหยุดเย็นจ้าเามีปัญญาแล้วก็ยอมรับว่าร่างกายมันต้องไม่มันไม่เที่ยงห๋ยวมันก็ต้องมันก็จะไม่สวยแล้วต่อไป ไม่ค่อยสวยนี่เราดิ้นเทียนหน่อยเดี๋ยวก็เหี่ยวย่นเดี๋ยวก็อะไรขึ้นมาถ้าเราไม่ยอมให้มันเสื่อมไม่ยอมให้มันเปลี่ยนเราก็จะทุกข์ถ้าเรายอมเราก็จะไม่ทุกข์พราเราจะหยุดหยุดความอยากให้มันเที่ยงหยุดความอยากให้มันสวยไปเรื่อยๆจ้าค่ะเราก็ยอมหยุดแล้วก็จะเย็นใจแล้ ว, ลวพอเราพอเราไม่ต่อต้านความจริงเราก็จะเย็น อันนี้ดูพิจารณาได้ทุกเวลาขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเช่นตอนนี้คนยกันนี้ก็นการประชุมนี้ก็เทียมว่าไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงค่ะเดี๋ยวก็ต้องหมดใจเจ้าค่ะนั่นแหละไม่ว่าเูาจะไปพบปากับอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็บอกตัวก่อนแล้วว่ามันไม่เทียมนะเจ้าค่ะเหตุการณ์ต่างๆที่เราเจอกันในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปดีบ้างไม่ดีบ้าง ถ้าเราไปยึดไปติดมันก็จะทุกข์ถ้ามันเหตุการณ์ดีแม้ไม่อยากจะให้มันหมดเลยพอมันหมดก็รู้สึกแล้วมาเสียดายไปเจอเหตุการณ์ไม่ดีก็อยากจะให้มันหายหมดเร็วๆมันก็ไม่ยอมหมดก็ทุกข์อีกเจ้าค่ะนั้เราก็ต้องรู้ว่ามันบางทีมันมันไม่เที่ยงแต่มันยังไม่หมดก็ถ้ามันเราไม่ชอบเราก็ต้องพิจารณาว่าเป็นอนัตตา คือเราไปทำให้มันหมดไม่ได้ให้มันจบไม่ได้ก็นี่ก็คือการพิจารณาทางปัญญาอาไม่เทียงบ้างอนัตตาบ้างถ้าไปเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบอยากจะให้มันหายไปมันไม่หายก็ต้องมองว่ามันเป็นอนัตตาอนัตตาคือเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหายไปไม่ได้จ่าค่ะ คือการพิจารณาสดสดร้อนร้อนไงอันนี้เรียกว่าเป็นแบบสดสดร้อนๆเวลาอยู่ในเหตุการณ์เลยแต่เวลาที่เราพิจารณาถึงร่างกายแล้วอนาคต น, นี่มันเป็นเหมือนการทําการบ้านเป็นการเตรียมทําข้อสอบต่อไปร่างกายนี้จะต้องแก่นะต่อไปร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปร่างกายจะต้องตายทั้งของเราและทั้งของคนอื่นเราจะทําข้อสอบนี้ได้ไหมเวลาข้อสอบนี้มา เวา<ช><ะ>สูญเสียคนที่เรารักนี่เราเราจะสอบตกหรือเปล่าเราจะเศร้าโศกเสียใจหรือเปล่าเราะจะเฉยเฉยนี่ก็ปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาแบบทำการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อนมันก็มีสองลักษณะแบบสดสด<ะ> ล, ล้วน้อนเวลาเจอใครด่าก็ทำใจได้เปล่าเาเสียงดา่าเป็นเสียงที่เราควบคุมมาคับไม่ได้ใช่ไหม เาะให้ข <อ S 1> เขชมเราอย่างเดียวได้หรบอ ป, ปไม่ได้ใช่หยนั้นปัาย้ก็ไม่ด่ า, าก็ทุกใช่ไหมใช่ค่ะอันเฉยๆเขาอยากจะด่าก็าปล่อยว่าด่าไปก็จะไม่ทุกเพราะเราห้ามเขาไม่ได้เป็นอนัตตาเจ้าค่ะอันนี้เวลาเกิดเหตุการณ์สุดๆร้อนๆขึ้นมาถ้ามีสติปัญญาทันก็สามารถที่จะ ดึงใจเราไว้ไม่ให้ไปทุกข์กับเขาไม่ให้ไปทุกข์กับเหตุการณ์นั้นได้เจ้าค่ะเข้าใจหมเ้าเข้าใจแล้วค่ะอนั้นนีคือเรื่องของปัญญาพิจารณาสองรูปแบบแบบทําการบ้านพ่เหตุการณ์ยังไม่เกิดแบบสดสดร้อนร้อนเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วใครมาขาโมยเงินเราไปให้เงินหายทําไง จะโกรธมันจะเสียใจมั้ยหรือว่าคิดว่ามันไม่เที่ยงเอนแล้วมันก็ไปโกรธมันก็ไม่กลับมาเสียใจมันก็ไม่กลับมาใช่ไหมใช่แล้วค่ะนั่นแหละการปฏิบัติก็เพื่อไม่ให้เราเสียใจกับอะไรกับเหตุการไปการสูญเสียกับสิ่งต่างๆเราต้องไม่เสียใจเสียเขางเราอย่าไปเสียใจอย่าไปเสียสองเด้งมั้ยนะเสียแดงเดียวก็พอ เสียของเราเราห้ามไม่ได้ของมันจะไปเราห้ามมันไม่ได้จิตใจเรานี้เราไม่ต้องเสียเราห้ามได้้ี่ปัญญาเจ้าค่ะเีมีอีกค่ะเข้าใจเนะ้าค่ะเออเออหนูไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าว่าต้องไม่กลับมาเกิดอีกเจ้าค่ะหนูหนูหนูแค่ตั้งว่าหนูจะมีความสงบจาก ความสุขและความทุกข์แค่นี้พอไหมคะหรือต้องตั้งให้ให้ให้ต้องบรรลุไปเลยเจ้าค่ะก็แล้วแต่เราถ้าเราจะเอาแค่เป้านี้ก่อนก็แล้วเอาเป้านี้ก่อนเดี๋ยวได้เป้านี้แล้วอาจจะรู้สึกไม่พออาจจะเพิ่มไปได้อืมเพราะบางทีเรายังไม่รู้เรายังไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแ ก, ก่เจ็บตายเราก็ยังอาจจาะยังเกิดมาก็ดีได้เที่ยวได้กินได้เล่นได้อะไร แตยังไม่อาจจะไม่ได้ไปเจอความทุกข์ที่เกิดที่เกิดจากเวลาแก่เวลาเจ็บไายได้ป่วยบางทีตอนนั้นมันอาจจะบอกว่าไม่อยากจะเกิดแล้วว่าอแล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม่ได้ถ้าไม่ตั้งตอนนี้ก็เราไปเจอเหตุการณ์จริงก่อนเจ้าค่ะเพราะว่าเห็นทุกยังไม่เห็นทุกข์ในการแก่เจ็บตายก็เลยอาจจะยังไม่กลัวการเกิดก็ได้ ก็ก็แอบกลัวเหมือนกันค่ะแต่ก็คุยคุยกับแฟนเราก็ชอบสนทนาธรรมกันอย่างเงี้ยคะ่ะ hmm. แฟนก็บอกว่าเป้าหมายสูงสุดคืออะไรเราก็บอกว่าเออไม่มีเป้าหมายเป้าหมายก็แค่ให้ให้มีความสงบในทุกๆวันแฟนก็บอกว่าเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่นิพพานหรอ hmm. ตะวันก็บอกว่าเออไม่รู้เหมือนกันไม่กล้าตั้งสูงขนาดนั้นกลัวทําไม่ได้พระอาจารย์บอกว่าให้มักน้อย ธรรมะนี่ต้องมากมากแต่เงินเท่าเงินต้มากน้อยคนละเรื่องกันทํามะตนเป้าสูงสุดแต่แต่ก็จะต้องรู้ว่ามันต้องผ่านหลายขั้นตอนเหมืนจะจบจ อ, อเัอร์ได้มันต้องผ่านมาธัธยมก่อนผ่านอะไรก่อนก็ทําตามเป้าของเราไปทีละขั้นขันนี้เราออกจากงานเอนี่ขั้นแรกนะกขั้นที่สองไปบวชนี่ อันที่สามก็ฝึกสติสมาธิแล้วต่อไปไม่ว่ามันถ้าอยากจะให้มันดีกว่านี้ต้องฝึกปัญญาเ น, นี่ยมันก็ไปของมันเองเจ้าค่ะขอให้ตั้งเป้ า, าขอให้ได้ปฏิบัติกันแล้วกันปฏิบัติสีสมาธิปัญญาอันนี้แล้วมันจะพาเราไปถึงจุดสูงสุดเองเจ้าค่ะแล้วคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะคือถ้ามองวานหนู หนูไม่อยากนั่งสมาธิหนูเปลี่ยนเป็นมาอ่านหนังสือธรรมะได้ไหมคะได้ได้ปัจจันสลับกันบ้างนั่งสมาธิบ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างเดินจงกรมบ้าง ก, ก็ได้ถ้ามีที่เดินก็เดินแทนนั่งก็ได้แต่ก็พุโทโธพุโทพโธไปเาะบางทีสติมันไม่กำมีกําลังไม่พอมันมันนั่งไม่ไหวควบคุมใ จ, จให้มันดูลมไม่ได้เวลานั่งหนูใช้พุโทโธแล้วดูลมหายใจล่ะโอ้ค่ ะ, ะพุโทโธ บันทีสติมันมีกําลังไม่พอก็ลุกขึ้นมาเดินก็นได้นะเดินก่อนื่องฟังเทศก็ได้อ่านหนังสือธรรมะ ก, ก็ได้อ่ะนะก็สลับกันได้การปฏิบัติมันก็ต้องมีทั้งเรียนต้องต้องฟังธรรมไปเรื่อยๆมันจะเข้ามันจะได้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นถึงเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างไรบ้างเจ้าค่ะอื ยังใช้ได้อรมาถูกาทางแล้วปฏิบัติะระเบ้านั่งสมาธิบ้างเดินจยมโมบ้างเปล่าเทศเปล่าธรรมบ้างอ่านหนังสือธรร ม, มบ้างแล้วแต่กรณีเจ้าค่ะหมดหมดคำถามแล้วเจ้าค่ะโอเคจะกลับเมือ่อไหร่ปีหน้าเหรอปีหน้ามีนาค่ะเคก็อีกปีนนะเจ้าค่ะโอเค อ่ะขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอย่าสาธุท่านต่อไปคุณวิลาสินีจากเยอรมันเชิญกับนำมันส ก, การค่ะรจริงๆวันนี้เมื่อวานนะคะท่านพระอาจารย์ยมเข้าไปซูมภาภาษาอังกฤษแล้วยมก็เอ๊ะทำไมวันนี้พระอาจารย์ไม่ไลฟ์ห e? รือว่าเราจำวันคิดที่ไหนได้คะที่ยุโรปเปลี่ยนเวลาคะ่ะแล้วยม แล้วเพื่อนชงเลยใช่ค่ะแล้วเข้าไปพันอาจารยังไม่ร้ายฟิล์ยังไม่มาหมอพลาดอะไรไปหรือเปล่าค่ะวันนี้ก็เลยรู้ตัวเลยค่ะวันนี้ต้องต้องมาช้าหนึ่งชั่วโมงค่ะค่เมืองไทยเราไม่ได้เปลี่ยนตามนั่ก็เลยเวลาแล้ก็เลยปลีอ่าใช่ค่ะจริงจริงจยมก็รู้นะคะแต่ยมแบบว่าลืมมาข่านเลยค่ะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะที่เยอรมัน เดี๋ยวจะเป็นวันวันหยุดยาวอะคะ่ะเทศกาลอีสเตอร์แล้วก็โยมก็จะขอไ a แคชเชีอาทิตย์หน้าขอสี่วันแล้วก็ได้หยุดสิบวันติดกันคะ่ะโดยมีความหวังเล็กๆในใจว่าเดี๋ยวเราจะได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นเดี๋ยวรอดูคะ่ะว่าพักพวกที่บ้านเขาจะเขาจะให้เราได้ปฏิบัติไหมคะ่ะแต่ะพยายามคะ่ะอยู่ด้วยกันก็ต้องปรึกษากันให้เขาเข้าใจ แล้วยิ่งช่วงนี้ก็ยัง<ม>ยังล็อกดาวน์อยู่ค่ะยังออกไปไหนไม่ค่อยได้ะคะ่ะ<ม>ก็อาจจะต้องแบบทำกิจกรรมกันอยู่ที่บ้านอะไรนะคะใยุโรปนี่ก็ต้องรับดาวงังเดือนนะั่นนะฝรั่งเศสนี่อิตาลีนี่คหนักมากเล ย, เลยค่ะมีสายพันธุ์ที่มีเท็มาจาก<ม>ทางเมกาใต้เข้ามาอีกของอังกฤษอีกอะไรอย่างนี้ค่ะติดเชื้อวันละเพิ่มเยอะขึ้นแบบแล้วได้เริ่มมีการสดฉีดวัคซีนกันยัง ไม่มีเลยค่ะท่านพยาบาลค่ะมีมีบ้างแต่ในกลุ่มที่ที่ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์หรือแม่ก็ครูอาจารย์อะไรอย่างนี้ยค่ะที่ต้องสอนเด็กๆค่ะเอ่อทั่วไปไม่ได้ฉียังค่ะต้องรอคิวไว้ก่อนนะใช่ค่ะแต่วันนี้โยมไม่มีคําถามค่ะเดี๋ยวเกิดดึกออกยังไงเดี๋ยวโยมรอรอบสองค่ะขอบคุณค่ะย้อนไปที่คุณหมอภาสนา กลับมาสักการพระอาจารย์นะคะสวัสดีคุณลอยคุณชุดหลากลับมาแล้วค่ะ <î> ก, ก็สรุปว่าก็ต้องขอบขอบต้องขอบก็คุณพี่จุ๊บแล้วก็ ป, ป้าปุกมากเลยนะคะก็ได้จะได้ไปอยู่วันที่สิบเก้ายี่สบยี <m> ่สบเอ็ดค่ะพระอาจารย์อตอนนี้ก็คือเตรียมตัวเพราะว่าที่นั่นให้ทานมือเดียวใช่ไหมคะก็กลับมาแล้วก็เตรียมตัวคราวนี้ไม่กลัวแล้วพระอาจารย์คือไม่เหมือนกับคราวที่แล้วนู่นที่อาจารย์ให้ไปอยู่วัดคือรู้สึกว่าอยากไปแล้วก็พร้อมก็ก็กลับก็เลยกลับมาแล้วก็กลับมา เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มทำสมาธิกับอันสมาธิกับกับสติเหมือนที่อาจารย์พระอาจรแนะนำนะคะก็พยายามทําให้อยู่ได้ให้ให้ได้ประมาณแบบ ว, ว่านั่งสมาธิสองชั่วโมงแล้วก็ออกมาเดินสองชั่วโมงซึ่งเดินเนี่ยที่บุตรสาพระอาจารย์เขาที่แล้วก็ถ้าใช้เท้าเปล่าเดินเนี่ยมันจะสัมผัสสัมผัสเท้าลงกับพื้นอะ่ะมันรู้สึกว่ามันก็จะมีสมาธิได้ดีค่ะพระอาจารย์ก็เป็นนั่งแล้วก็เดิน แล้วก็ยืนก็ถ้าอยู่นอกบ้านก็จะบางเรจะใช้ยืนถ้าห้ยืนเนี่ยก็ก็จะเข้าได้สั้นๆเพราะว่ามันใชบ ล, ลบใช้ลมหายใจก็พยายามปฏิบัติเพราะว่าเพื่อจะได้เต็มตัวไปอยู่วัดคะพระอาจารย์เด้อเอาหมายก็คือยาปฏิบททัติทรรงวันตั้งแต่ตืนน่นใช่ไหมใช่ก็กล่าวว่าจะปฏิบัติตั้ง เ, เริ่มตั้งแต่ตื่นตีสามก็จะเริ่มทําตั้งแต่สมาธิแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็ ขอขอตอนเช้าเนี่ยขอแวะปัญญาน่อยนึงเพราะมีความรู้สึกว่าชอบพิจเรณ า, ามอรณานรู้สติกับกับเรื่องของทัดขันขอขาแค่ช่วงเดียวนิดเดียวแล้วก็แล้วก็จะทําทําสลับสติกับสมาธิไปไปทั้งวันแล้วก็จะนอนตีทุ่มแล้วก็ตื่นตีสามนอนห้าชั่วโมงอา <ừ. S 2> จารย์กะว่าสองวันเนี่ยน่าจะมีอะไรดีๆคือตัวเองจะไม่จะทําเหตุนะคะอาจารย์คือจะไม่ไม่แค่เร็งที่ผลจะพยายามทําเหตุให้ดี <ừ. S 2> เพราะว่า <ừ. S 2> เหตุไม่เป็นสําคัญค่ะ แต่เท่าที่นั่งมาก็ก็ก็รู้สึกว่ามันสงบได้เร็วขึ้นนะคะอาจารย์เพราะเราไม่ได้ถ้าอากจะพิสูจน์ความกัวว่าตอนเดึกๆก็ออกมาเดินข้างนอกก็ได้กะว่าจะออกมาเดินพระจานทร์แล้วกะจะปิดไฟด้วยเพราะว่าเต็มตัวสำหรับพระจานทร์ตั้งไงต้องบิดกะว่าจะปิดไฟเอ๊ะพระนางสงสัยว่าเดินออกข้างนอกนี่คือเกาถือไฟฉายไหมหรือว่าเดินมามืดๆเลยก็ถือก็ได้ถ้าเรายังไม่รู้จักทางแล้วเดี๋ยวกลัจะไปเหยียบงูแล้วอะไรอย่างนี้ก็ ใช้ไฟแต่ถ้าเราบอกว่าเหยียบก็เหยียบวก็ตายก็ตายวะก็ไม่เป้าหมายเป้าหมายเรามันก็ต้องไม่ใช้ไฟนะพ่อจันอย่างนั้นเดี๋ยวเดินดูรอบๆเพราะว่าจริงๆเป้าหมายถ้าเราอยู่ทีการทําว่าเราจะทําข้อสอบหรือไม่ถ้าเราพ้อมที่จะทําข้อสอบก็ไม่ต้องเปิดไฟถ้าตายก็ตายถ้าเหยียบมัวก็เหยียบวะแต่เราไม่ดูยื้อแต่จริงๆแล้วเหมือนรู้สึกว่าก็น่าจะพร้อมแล้วค่อจันเพราะว่าเตรียมตัวมาเนี่ยคือแบบแต่ว่าจริงๆเป้าหมายเราก็คือสติกับ สมาธิพระอาจารย์แต่ว่าก็เดี๋ยวกลคืนจะลองดูจะดูก่อนนะพระอาจารย์ก็คือว่ายัางไงก็คือก ะ, กะว่ายัางไงก็จะแบบรของพัออเดินนะพระอาจารย์จะดูว่าความกลัวเพราะว่าเราคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ความเจ็บอะที่เราหายหายทําทําสมาธิแล้วความเจ็บหายไปได้ที่นั่งได้สองามชั่วโมงได้เนี่ยเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะลร่างกายแล้วแค่ความเจ็บลับไม่ได้อะมันมันทําให้เราแยก ตร่างกายกับความเจ็บออกอ่ะแต่ผรู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นเน่ยมันได้แสดงว่าถ้าเราลงมามันน่าจะได้แต่ไม่รู้นะคะอาจารย์ต้องต้องลองไปดูมาอาจารย์อยากดูหรือว่ามีความกลัวหรือเปล่าแล้วตัดแล้วตอนนี้ไม่กลัวเลยนะะอาจารย์คือมันก็ต้องไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ถึงจะรู้จริงว่ากลัวก็ไม่กลัวค่ะได้คะอาจารย์แล้วก็ตอนตอนที่ได้ได้เทปของค่าอาจารย์มาแล้วก็ของของของลุงปู่ มาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองชอบฟังธรรมมากก็คืออันของของตามหาบูนเนี่ยเอาไว้ในรถเสียบเสียบไว้เลยแล้วก็ของหลวงพ่อของพระพระอาจารย์ก็ไว้เอาไว้ในคอมเอ่อของหลวงพ่อไว้ในรถแล้วก็ของตามหาบูนไว้ในในบ้านแล้วก็อ่านหนังสือคือรู้สึกว่าอ่านเยอะมากเพราะว่าอยากยิ่งอ่านยิ่งสนุกอยากรู้แล้วตอนมีช่วงหนึ่งที่แบบมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มงงแล้วมันตีกันพระ อ, อาจารย์ก็ให้กลับมาเริ่มต้นที่สมาธิกับสติอื่นเลยเข้าใจอยากกะถามนิดนึงนะพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วตอนนี้พอเรานั่งเนี่ยถ้าเราจะ เราจะเรื่องของเรื่องของสมุทัยเนี่ยเราจะละข้างนอกก่อนก็นคือว่าเอวะการมัดปัญหาเนี่ยให้เราละไอ้โลกก็ทำแปดใช่ไหมนี่คือหลังเปื้อนก่อนมาอาจารย์เพราะเราอยู่ในสมาธิไม่ทั้งวัน ท, ที่สมุปว่าตัวเองว่าให้เราละเราก็ทำแปดก่อนแล้วภาะวะปัญหาก็คือความอยากมีอยากเป็นแล้วก็วิภาวก็คือความไม่อยากไม่อยากเป็นแล้วพอเราได้สมาธิปุ๊บ <c oughs> เราค่อยมากลับมาเป็นมาเป็นไอ้ตรง าการมาปัญหาเป็นเรื่องของอุปทานขันห้าแล้วก็เป็นเรื่องของชาญกับอรูปฌา น, นใช่ไหมคะพระอาจารย์คือไม่มีสองชั้นถูกไหมครับอาจารย์นี่คือฟังมาแล้วประมวลมานะคือแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะคือเบื้องต้นเราเขาน้องตัดของที่เร า, เราไปยึดติดภายนอกก่อนอภายนอกร่างกายเช่นสามีปัญญาพันสามีบทธิดาชอบสมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ การแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งการเช่นไปดูภาพยนตร์ไปกินไปดื่มไปอะไรไปเที่ยวอะไรอย่างนี้มันเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องตัดก่อนมันก็เป็นการมตัิหาแต่มันเป็นการมตัิหาที่เระดับภายนอกใช่ค่ะเอาตรงนี้เสร็จค่ะเสร็จแล้วเราเข้ามาค่อยมาตัดการผูกพันกับร่างกายของเราเอง พิจารณาแยกว่าเราคบร่างกายเป็นคนละคนกันเพื่อจะได้จะได้ไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายแล้วก็มาพิจารณาปล่อยวางเวทนาเือความเจ็บทางร่างกายว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดแล้วมันก็ดับของมันเองรรเราถ้ามีปัญญาเราก็อยู่กับมันได้ยอมรับมันว่ามันเป็นอย่างนี้ ไม่ไปต่อต้านไม่ไปอยากให้มันหายไม่ไปอยากให้มันไม่เกิดใจก็จะไม่ทุกกับมันอันนี้ก็เวทนาก็าปล่อยเวทนาแล้วก็ปล่อยขั้นต่อไปก็ปล่อยกามอารมตัวนี้มันยังมีฝังอยู่ในใจถึงแม้ไปไ ม, ไม่ไปเที่ยวไม่ไปดูหนังฟังเพลงแต่มันก็ยังมีความอยากร่วมเพศอยู่อันนี้ก็ต้องพิจารณาสุภาษสุภา เร่างกายส่วนที่ไม่สวยงามนั้นอเวลาร่างกายคนตายนี่มันน่ารักั้มสวยงามไหมเช่นในสติปัฏฐานน่นก็มีศพชิบสิบชนิดศพตายใหม่ศพขึ้นอือศพขึ้นอือศพมีเขียวเขียวดำชา้าเขียวดำช้ำพออะไรศพแ ข, น, แขนขาดขาขาดกระจายศพที่มีนอนชัยมี อะไรอย่างนี้จกระท่งกลายเป็นเหลือแต่ซากกระโครงกระดูกแล้วก็หลุดเป็นชิ้นๆเป็นอนันไ ป, นนนนไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการพิจารณาสุภาพเพื่อตัดการอารมณความอยากที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นถ้าเห็นว่าร่างกายของผู้อื่นที่เราอยากจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยมันเป็นอย่างนี้ก็มันก็จะคลายความกำหนัดเย็นเดช อันนี้ดูอาการสาสิบสองดูอาการภายในใต้ผิวหนังข้างหน้าก็มีผมขดเล็บฟันหนังพอใต้ผิวหนังก็เนื้อเอ็นกระดูกไะกระดูก็โค้งกระดูกทั้งตัวทั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเนี่ยดูไม่เห็นโครงกระดูกอันนี้ท่องทุกวันค่ะอาจารย์ก็แล้วแต่ถ้าเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วมันน่าจะง่ายกพรามันใช่แล้วมันดูดูลึกเลอะแล้วดูไปหลังด้ยอันนั้นตอนนี่ดีนี่เองอ่ะ แล้วก็วามาใช้จริงๆวเวลาเห็นทยปั๊บก็สแกนมันเข้าไปเลยเหมือนเครื่องเกเย <Okay. S 1> ไหนขอดูก็ดูคนนี้หน่อยไดยเป็นยังไงบ้างไหนดูตับดูไตเขามากดูเราไส้เขามากหมอันนี้ก็เป็นการพิจารณาเพื่อตัดความความความหลงว่าหน้ากางนั้นสวยงาม น, น่ารั ก, น, รกน่าร่วมเพลงด้วย อันนี้ก็เป็นขั้นของปัญญาที่ต้องทำตามลำับหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วนี่พอเราไปถึงขั้นถ้าเราปล่อยวางการมาราค้าได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเวทนาได้เราก็เหลือตัวจิตแล้วทีเนี้ยตัวจิตก็คือตัวอารมณ์ต่างๆที่ยังแกล้ไปแกล้มาในจิตเราอยู่จิตเราบางวันก็สดชื่นแบบมันบางมันก็ ซึมเศร้าบางวันก็บางทีก็โกรธบางทีก็หลงบางทีก็โลภเราต้องมาพิจารณาให้รู้ทันมันว่ามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราหยุดมันได้ก็หยุดถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องดูเฉยๆสักก็แล้วว่ารู้ไปเมื่อวันเป็นอนิจจมอนาตาเดี๋ยวมันก็ดับไปเองถ้าทําให้มันดับไม่ได้ก็ปล่อยมันให้มันเป็นของมันไปเดี๋ยวมันก็ดับของมันเอง อย่าไปอยากอะไรกับมันถึงแล้วทำนะคะอาจารย์ทำก็คือดูว่าเรามีธรรมะเราได้หรือเปล่าเราเห็นอริ<ล>ยสั์สีหรือเปล่าเห็นอริยสัจที่ปรากฏขึ้นมาในจิตแล้วรืป่าตอนนี้เห็นทุกข์หรือเปล่าเวลาเราไม่สบายใจนี่เราว่าทุกข์แล้วเเห็นเหตุหที่ทําให้เราไม่สบายใจหรือเปล่าก็คือความอยากอยากให้แฟนก็ซื่อสัตว์พอเขาไม่เซื่อสัตว์กระทบหรือเปล่า ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่า fool, ไปอยากให้เขาซื่อ <espí> ส <rit physic> <c oughs> <can> ัตว <c oughs> <ở lin ux> mm ์เขาจะเป็นสัตว์ก็ปล่อยเขาเป็นสัตว์ถ้าก็ไม่ซื่อสัตว์เขายากเป็นสัตว์ก็ปล่อยเขาเป็นสัตว์ไปสัตว์ก็คือสัตว์มันไม่มีสีหน้าใช่ไหมมันก็ไม่ซื้อสัตว์กับใครในอาฉานสัตว์ในอาฉานมันมันมันไม่มีแฟนเฉพาะใช่ไหมดูมาเดินก้าวสุนัขเดินก้าวเจอตัวไหนมันเกิดความชอบความอยากมันก็ร่วมเพรชเลย อันนี้ก็เป็นเรื่องดูใจของเราว่าเห็นอริยสัจ ท, ที่แสดงขึ้นมาในใจหรือเปล่าตอนนี้มีอะไรแสดงอยู่ส่วนใหญ่ท <c oughs> ุกทุกเรื่ว่าการดับทุกทุก็แสดงว่าความอยากเยอะถ้าทุกดับก็แสดงว่าปัญญาเยอะไม่ค่อยมีทุกประมาณแตอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าดูธรรมว่ามีในใจหรือเปล่า ทำที่เราต้องมีสติมีหรือ่าสมาธิมีหรือเ่าอันนี้ก็เรียกว่าทำแต่ธรรมนี้ไม่ใช่เป็นเป้ า, เ ป, าเป้าหมายของการปฏิบัติอันหมายหมถึ ง, ไ ม, ง ไ, มไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปละเหมือนกับกายเวทนาจิตนี่เราต้องล ะ, ะแต่ธรรมนี้เป็นธรรมที่เราต้องต้องมีต้องมีในใจในใจมีมากแปดหรือเปล่ปาในใจเรามีสมาธิถี่หรือเปล่ปามีสมาสังคโปรหรือเปล่ปา อันนี้เป็นการตรวจสอบใจเราเรามีเครื่องมือที่จะมาดับความทุกข์รูปแบบอะไรธรรมะต่างๆที่เราต้องดูถ้าไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาพอบคุณมากเลยพระอาจารย์เขาเริ่มเข้าใจแล้วพอพระอาจารย์สรุปไ้ ม, มีมันมีตัวชี้วัดอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันทําให้เราเรารู้ว่าเออพอเราทํามาแล้วมันไม่หลงทางไปอย่างเงี้ย คืออันนี้ยดีมากเลยนะอาจารย์เพื่ออาจรบอกสี่ข้อของของสารคูณนั้นก็ดีนะครับก็ดูทุกวันเลยว่าร้อเร์เ็นต์หรือเปล่าทำคือพยายามดูแบบมันมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันตัวชี้วัดที่เราสิงที่เราทําอย่างวั น, นที่อาจารย์บอกอันนี้วิชาจิตทําโอดีมากเลยนะอาจารย์เดี๋ยวจะไปตั้งใจในการที่แบบปฏิบัตทิทำแล้วก็ให้มันเพิ่มมากขึ้ น, นะคะ่ะเออการตระหนัของใบนอกก่อนของนอกกายแล้วัน แล้วก็ไปอยู่คนเดียวได้ถ้าละของนาวการได้ก็ไปอยู่คนเดียวได้ใช่คืนนี้แฟนไม่ได้ไปเขาบอกว่ามีแต่ของผู้หญิงก็ก็เป็นสมัยก่อนแล้วคนจะอื๊ะแต่ตอนนี้เอ๊ยตัดสินใจบอไม่เป็นไรขับราไปเองเลยแล้วก็อยู่คืออยางอยู่มากยพระอาจารย์คือรู้สึกว่ามันมันทํามามันทําเตรียมพร้อมมาแล้วอ่ะอยากได้ที่ที่แบบเราจะดูว่าเราจะท ด, ท, ดทดสอบตัวเองไงพระอาจารย์เหมืนที่พระอาจารย์<ม>บอกว่าเก่งที่บ้านมันไม่ใช่ไะก็ที่บ้านเรามันก็เก่งอยู่แล้วต้องมาอยู่ที่อื่นมันจะเก่งอะไรอืมวันนี้ไม่มีอะไรแล้วอาจารย์ โอเคดีไปคนเดียวก็ดียกกันบ้างจะได้ว่าปล่อยปล่อยได้ไหมไม่ต้องติดกรันเป็น้องต้องโกปล่อยได้ไหมอาจารย์ว่าจริงๆแล้วแบบเราสองคนแบบมันมันคือมันต้องปฏิบัติธรรมทั้งคู่นะปฏิบัติธรรมทั้งคู่นะคระอาจารย์ใช่คือหมายถึงว่าเราก็มีเป้าหมายแบบปฏิบัติธรรมทั้งคู่เองเขาอาจจะช้ากว่าเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะอาจจะแบบไม่ได้ทำตอนเด็กๆมาของตัวเองอาจจะทำตอนเด็กๆนะพระอาจารย์ทุดแม่พาเข้าวัดตอนเด็กๆ ข อ, ของแฟนเนี่ยคุณแม่เขาพาเข้าแค่ไปทำบุญใส่บาตรเนี่ยแต่ของคุณแม่ของคุณแม่ตัวเองเนี่ยพาไปนั่งสมาธิเลยพระอาจารย์ <c oughs> พื้นฐานต่างกันร ะ, ะมัดระกับเขาน ะ, ะ <c oughs> ไม่เป็นไรคะเดี๋ยวกลับไปลากให้หมดทั้งบ้านเพราตัวเองแรงเยอะพระอาจารย์เดี๋ยวคอยดูไม่ทำา ไ, ได้ก่อนแรงเยอะ <c oughs> ดีเขาจะได้เป็นเมือพวกของเราค่ะค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะวันนี้ไม่มีคำถามนะสาธุ คุอาจารย์พรหมิไลเชิญสบายดีนะวันนี้เพื่อนๆมาเยี่ยมอ่าวันนี้คนวัันนี้คนอานิตากับคนเดวิดมาเี่ยมอ่อืมวันนี้อานิตากับเดวิดมาเตรี่ยมเอาของมาถวายอานิตาโทรมาถามว่าเดือดจะขอพบท่าอาจารย์ได้ไงะออืจะเห็นบอกไปวันนี้บ่ายวันนี้สามอมง ต้องนัดพิเศษถึงจะรับเฉพาะวันที่ไม่มีแสดงธรรมนัดเวลาเพราะว่าไม่ใช่นนั้นจะไม่รับแขกเดือนใหม่นี้รู้สึกตารางจนหลานแน่นนิดหนึ่งวันนี้วันเดียวสิบห้าสิบหวันด้วยกันเพราะว่าเดือนเดือนเดือนนี้มีนานนิดน้อยนะคะวันนี้มีนานี่สบายอยู่แค่มีแคสองวันเสาร์อาทิตย์แปดวัน เดือนหน้าสองเท่าสิบหกวันสะบกวันที่อาจจะได้ได้รับฟังเยอะดีค่ะเรายังได้รับฟังทางนี้อีกด้วยก็แบบเยอะเลยเดือนหนึ่งหกเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ค่ะอันนี้มันดีอย่างมันคุยแบบสบายๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดตลอดคนเดียวอันนี้ก็ปล่อยให้คนถามแล้วก็ตอบไปก็ไม่กับวล แต่ถ้าพูดคนเดียวชั่วโมงนี้มันมันก็ต้องหาเรื่องพูดไปเรื่อยแต่ว่าวันนี้ได้ได้เยอะดีนะคะเอะได้นะมันอยู่ที่คนถามด้วยคนถาม<ร>มีมีปัญญาถามหรือเปล่าก็กลับค่ะขอรับฟังค่ะถาบทุก น, นะเอคุณนบอกว่าเรื่องฉลองเป็นยังไงบ้างผมคือสนุกสนามคืนนี้เลยมันคืนนี้นะสนุกสนาน บูเชนียาบุคคลนคได้ก็คนไปร่วมก็อายุเยอะเยอะมากแล้วค่ะเป็นผู้ชนียบุคคลด้วยกันทำไมลูกคนลูกคนก็บอกว่าอยากทำอะไรทาไปเตรียมตัวตายกันหมดเลยเตรียมตัวตายกันนะเจ็ดสิบกว่าแล้วใช่ไหมเจ็ดสิบสี่เจดสิบห้าก็ค่ะใกล้แล้วนะเตรียมตัวนะก็เตรียมตัวกันถึงขั้นให้ตายก่อนตายได้เราจะสบาย ก็แต่วันนี้แล้วก็มันก็จะได้สบายยอมก็ต้องฝึกก็ต้องฝึกไปทุกวันค่ะก็ไม่มีอลไรนึงของเราก็พยายามฝึกอย่างหนักนะคะเลตโกค่ะเลตโกโอเคดย๋ยวฟังต่อนะค่ะโอเคไปที่คุณทวิศาจากสวิเซแลนด์ต่อนะครับน้ำมัสกรรมพระอาจารย์ค่ะ วันนี้วันพระสําหรับคุณใช่ไหมมันมันปฏิบัติธรรมค่ะค่ะป้าอาจารย์ปฏิบัติธรรมเช่นเดิมค่ะก็คือ<ช>ก็ฝึกสติสมาธิบนไปค่ะยังสมาธิน้อยเออสติน้อยสมาธิยังอ่อนอยู่ค่ะก็ฝึก บ, บนไปค่ะ รู้สึกดีขึ้นไหมตังเริ่มถือศีลแปดเริ่ 8, มมวันทเริ่วมวันปฏิบัติธรรมดีดีดีขึ้นมากค่ะพระอาจารย์เราได้ได้มีเวลาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นคือไม่ต้องไม่ต้องกังวลแบบ<ม>กังวลเรื่องเวลาค่ะพระอาจารย์ฟรีทั้งวันเลยใช่ไหมไม่ต้องยุ่งกับใครเลไรย่าค่ะไม่ต้องยุ่งกับใครก็ฟรีทั้งวันที่บ้านก็<ม>ก็เข้าใจก็ไม่มีปัญหาค่ะเป้าหมายก็คือหยุดคิดให้ได้อย่าไปคิดคิดให้มั น, น้อยค่ะ ผมจะคิดจะพูดโทรพูดโทรพูดโทไปค่ะบางครั้งคือมันก็ถือเผิ่มหรือว่ายาวเลยค่ะเผิยาวพลนึกได้ยาวเกินไปเอาออกค่อยๆมันนึกใหม่แต่บางครั้งมันก็มันที่ว่าอาจารย์พูดค่ะบางครั้งมันก็มันเร็วแต่บางครั้งมันก็ช้าค่ะมันมันไม่เที่ยงมันคือไม่ใช่มันไม่เที่ยงคือเราคงจะสมาธิน้อยอะค่ะคือยังสติยังน้อยอยู่ค่ะเข้าใจก็เลยว่าพยายามปฏิบัติก็แล้วเพิ่มมากขึ้นค่ะ ก็คือระหว่างเหมือนเหมือนพุโทโธเอาพุโทโธมาแทนบ้างแล้วก็ใช้การดูการกระทำการเคลื่อนไหวของของร่างกายด้วยร่วมกันคับอาจารย์ดีก็ปฏิบัติไปเนี่ยฝ <c oughs> ึกสติให้มากมากสตินี่เป็นทุญยสสำคัญ <c oughs> ถ้าไม่มีสติมันก็เข้าสมาธิไม่ได้ <c oughs> พิจารณาทางธรรมก็มันก็ไม่ยอมพิจารณามันจะไปทางกิเลสซะส่วนใหญ่ค่ะขอถามเรียนถามพระอาจารย์ว่ามันมันคือเราเวลาเราพิจารณาทางธรรมเราก็พิจารณาเหมือนบางทีเหมือนเหมือนกิเลสเรามันมันเขาเรียกอะไรคะมันมันดื้อมันดื้อหรือว่ามันมันพาเราไปอีกทางหนึ่งคือเราพิจารณาคือ เวลาตอนตอนขนาดนี้นะคะโยมก็พิจารณาทางธรรมบ่อยแต่ทีนี้คล้ายๆว่ามันดึงให้เราไปพิจารณาทางธรรมดึงให้เราไปดูดูฟังธรรมเยอะมากกว่าการที่เราจะมานั่งสมาธิอ่ะคะ่ะอาจารย์ตัว น, นี้แกยังไงดีก็ต้องมีเวลาเวลาฟังธรรมก็ฟังไปเวลานั่งสมาธิก็ต้องหยุดฟังธรรมเามือนจัดตารางเหมือนเรียนวิช า, าต่างๆอืม คชั่วโมงนี้มึงอยากพิจารณารมพิจารณาไปให้พอฟังธทำไปชั่วโมงหน้าต้องนั่งสมาธิแล้วค่ะอันเนี้ค่ะคือบางทีบางทีตรงตรงเนี้ยมันคือทะเลทรายคืออันชั่วโมงที่จะต้องนั่งสมาธิแต่เอ้ยเขาฟังต่อเขา อ, อ่านต่อเราต้องเด็ดเดียวแล้วต้องเด็ดขาดเวลานี้นั่งสมาธิก็ต้องนั่งสมาธิปิดธรรมเป็ น, นอะไรเลยหมดไหมไม่รับเืม เวลานี้เดินจงกรมเวลาเดินจงกรมจะลานสติก็ไม่คิดอะไรเวลานี้คิดอ้าวคิดอาการสารเสพติคิดอสุภาพ ค, คิดอันนี้จังเกิดแก่เจ็บได้อันนี้ก็เป็นเวลาคิดจะคิดให้พออยามันคิดทางใจละก็เราไปค่ะอาจารย์ก็จะแบบต้องคุมจัดตารางดูลองจัดตารางดคูค่ะคุมให้อยู่ก่อนค่ะ อันนี้ก็หมือนเรียนหนังสือแนวเรียนเขามีวิชาต่างๆครูชั่วโมงนี้เรียนอ่านเลขนะชั่วโมงนี้เรียนวาดเขียนนะชั่วโมงนี้เรียนประวัติศาสตร์นะมันก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงไปแต่เราไม่น่าอาจจะกำหนดเป็นสงชั่วโมงสามชั่วโมงต่อวิชาก็ได้แล้วแต่เราแแต่เราคิดว่าอัไหนมันเหมาะสมค่ะแต่คิดได้น้อยพยายามหยุดคิดนั่งนั่งอะไรมันนิ่งมากๆค่ะหือเดิน เดินเดินก็ห ย, ยุดคิดก็ได้นั่งก็หยุดคิดก็ได้ครับพยายา ม, มทําต่อไปเมื่อได้มาพบพระอาจารย์แล้วจะต้องปฏิบัติทําให้ได้ค่ะพระอาจารย์จะไม่ให้เสียชาติเกิดได้ไมันไม่ยากหรอกพอพอเรียนรู้วิธีแล้วเดี๋ยวปฏิบัติไปก็ดูในสมัยพระพุทธการเลยพอคนได้พบ<ม>พบระพุทธเจ้าเนี่ยมันรลุกันไม่เยอะแยะไปหมด ไม่ยากหรอกถ้ามีคนสอนแล้วค น, นแล้วตั้งใจปฏิบัติเนียมันสำเร็จแน่แน่มีครูมีผู้บอกทางแล้วแล้วผู้ติดผู้ฟังก็เดินตามทางที่ได้บอกเดี๋ยวมันก็ถึงจุดหมายปลายทางเองไม่ยากหรอกถ้ายากเราไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วการกับพ่อคุณใชเอหม <laughs> งั้นต้องต้องไม่ต้องกลัวนะไม่ต้อง ถ, ถอยมาทางนี้ถูกทางแล้วมาทางนี้ถูกทางแล้วพยายามทุ่มเทให้มากขึ้นคต่อไปทนะีนี้วันมันวันละสองวันก็ได้ต่อไปอาจจะเพิ่มวัน้าเป็นสองวันชักจะติดใจวันเดียวชักไม่พอแล้วมีแพนเหมือนกันค่ะพ่อจางจะแบบว่าแพนว่าจะทํางานแค่ช่วงบ่ายทีนี้ต่อไปจะเช้าไม่ทําล้จะจะเปิดเฉพาะบ่ายจะหลับแค่นั้น ใช่พถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะรู้สึกว่าความอยากจะใช้เงินนี่มันน้อยลงไปถ้าเราสามารถหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมได้ก็ไม่ต้องใช้เงินไปเที่ยวไปซื้อของอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับเราค่ะมันดีดีขึ้นมากครับพระอาจารย์เพราะตอนนี้ทําทํางานมาก็ไม่ได้ใช้ครัพระอาจารย์ก็เลยว่า้เราจะหาทำใหม่เพื่ออะไรแล้วก็เอาไปทาบุญแทนก็เกอเยวไปทําอย่างอื่นหรือืที่แบบเผื่อไว้เผื่อมันค่ะ มันเร า, าอยากได<บ><ห>้ ย, ยู่ทํางานแล้วเราก็จะได้ทําเราจะได้มีเงิ น, น, ส, นสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เพราะเราไปบวชเราไปบวชแบบพระไม่ได้นะพระพระเนี่ถ้าเป็นพระคุณผู้ชายนี่เราก็มีสมบัติอะไรก็ยกให้คนอื่นไปแล้วก็เป็นบวยได้เลยว่าเป็นพาะไม่ต้องใช้เงนินแต่เป็นแม่ชีเป็นอาไบางทีย่างต้องใช้เงินอยู่นอกจากไปอยู่ที่สํานักที่เขาเข้าสนับสนุนก็ไม่ต้องใช้เงินก็มี กลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากค่ะโ okay. อเคท่านต่อไปคุณมาลีตอนนี้กลั บ, ลบถึงบ้านแล้วใช่ไหมเนี่ยกลับมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะหลวงพ่อไปงานวันนี้ทางานหนักไหมพ่ อ, อยังหนักหนักค่ะแต่ว่า แต่ว่าหนูก็เหมือนคลายความทุกข์ลงค่ะหลวงพ่อคือเหมือนมันมาคิดว่าทุกไปมันก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้และอาทิตย์ก่อนโน้ที่หนูบอกหลวงพ่อว่ามันนั่งแล้วมันไม่ดีเลยแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าเหมือนเราวางใจได้ว่าเออเราวางทุกกองไว้ยังนั้นก็ช่างมันอะไรเงี้ยหลวงพ่อหนูก็กลับมานั่ง ได้ดีแล้วก็สบายใจที่เนี้ยเวลาได้ได้สบายใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากจะออกมาจากที่เรานั่งเนี้ยคะ่ะหลวงพ่อถูกต้องได้้นานนานถ้ามันสบายมันนิ่งก็ไปหวมันนิ่งไปานานานไม่เป็นไรไม่ไม่เสียหายค่ะค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็มารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราทุกไปทุกไปมากเนี้ยมันเหมือนมันทําให้เราปฏิบัติไม่ได้เลยคะ่ะหลวงพอ่อหนูก็เลย เหมือนเหมือนมองว่าเออทุกเนี่ยมันก็คงไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ปล่อยมันทุกมันเกิดจากความอยากของเร า, าถ้าอยากจะให้มันดับเร็วๆเพปไปหยุดความอยากของเราค่ะหลวงพ่อตอนแรกตอนแรกหนูก็ยังยังทําไม่ได้ทีนี้หนูก็ไปดูเทปเก่าๆของหลวงพ่อที่หลวงพ่อเทปเรื่องอริยสรรรัจสี่ค่ะ อ, อะไรตั้งแต่ทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มร แต่หนูหนูสับสนตรงที่ว่ามักเนี่ยมันเป็นวิธีที่จะดับทุกข์ก็คือหลวงพ่อบอกว่าต้องเจริญให้มากใช่ไหมคะใช่จเจริญ ส, สติสมาธิปัญญาค่ะแล้วจริงๆแล้วไอต้ตรงนี้โลดเนี่ยคือหมายถึงว่าเราต้องทํามักมักให้ได้เพื่อที่จะไปดับมันอย่างนี้ใ ช, ใช่ไหมใช่เป็นม า, าเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อไปหยุดตัณหาความอยากที่เป็นสมุทยัยค่ะหลวงพ่อพอเราลกความอยากได้ปั๊บ ทุ ก, ก็ดับนิโรธกัปกรึเปล่านิโรธกับทุกมันเยี่ยวคนละด้ากันถ้ามีทุกมันก็ไม่มีนิโรธถ้ามันมีนิโรธมันก็ไม่มีทุกค่ะหลวงพ่อแล้ ว, แ ล, วแล้วพอหนูฟังอันนี้เสร็จแล้วหนูก็ไปฟังที่หลวงพ่อบอกว่าถ้ายังนั่งแล้วจิตมันไม่รวมเนี่ยถือว่ายังไม่ได้ผลหนูก็มาฟังตรงนี้เสร็จหนูก็เลยมาปรับเหมือนปรับใจปรับตัวเองใหม่อะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อมันก็เลยรู้สึกว่า เออจริงเหมือนที่หลวงพ่อเทศอะไรเงี้ยแล้วมันก็กลับมานั่งนั่งได้มีความสุขดีขึ้นแล้วะค่ะหลวงพ่อเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิมันมันละไม่ได้ลบความาอยากไม่ได้ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าท่านนี่รู้ว่ามันเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์แต่ไม่มีกําลังละมันแต่ถ้ามีสมาธิาเราจะมีกําลังค่ะหลวงพ่อแต่หนูไม่ได้ทิ้งเลยนะคะหลวงพ่อหนูก็นั่ง คือที่หลวงพ่อบอกว่าจะนั่งสงบไม่สงบก็นั่งไปให้ทําไปทุกวั น, น, นจนพอพอเราทําทุกวันพอระวังใจได้หลวงพ่อมือนเหมือนมันเข้าล็อกไปเลยอย่างเงี้ยหลวงพ่ อ, อมันก<ต>็นนสงบได้ค่ะหนูก็เลยเหมือนแบบเออรู้สึกอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูสบายใจคือนั่งนั่งได้วางใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าอาทิตย์หน้าก็อยากไปอยากให้มันเหมือนอาทิตย์นี้ พออยากพุ่งมันก็ไม่เข้าแล้วมันก็ไม่สงบใช่ใช่หลวงพ่อพอพอเริ่มพอส ม, มุนเราออกมาเสร็จเราก็บอกว่าเออเนี่ยเรารู้สึกดีเรารู้สึกสบายใจเราอยากจะนั่งให้มากกว่าเนี้ยเริ่มเริ่มกลับจะไม่ได้แล้วค่ะหลวงอใช่ <laughs> อย่าไปอยากให้อยู่กับสติอยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะหลวงพอ่อหลวงพ่อคะแล้วมีมีคำถามอีกอย่างหนึ่งคือคนที่จะเออหมายหมายถึงว่า คนที่จะสำเร็จทางทำอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เขาบรรลุกันอย่างเงี้ยต้องเป็นแต่มนุษย์อย่างเดียวใช่ไหมคะหรือว่าเป็นก็เป็นเทวดาก็บรรลุได้ถ้ามีครูสอนอย่างแม่พระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าสอนแล้วก็บรรลุเป็นโซดาบันได้วจากโซดาบันก็สามารถบรรลุขั้นต่อไปได้ด้วยตนเองเพรธธาะรู้ทาะ แล้วอย่างอย่างผู้ที่ไปเกิดบนชั้นชั้นพรมอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่งพอชั้นพรมนี่ไม่ชั้นพรนี่ไม่ติดต่อใครค่ะมันเป็นมือถือปิดมือถืออาจารย์ญญจะติดต่อเข้าไปสานก็เข้าไม่ถึงแล้วอย่างเงี้ยจะต้องมาเกิดอีกไหมคะก็ะต้องเกิดเพราะว่ายังมีกิเลสเดี๋ยวพอสมาธิที่ส่งไปใ ห, ให้ไปเกิดในพรมหมดกําลังมันก็จะกิเลสมีความอยากก็จะโผล่ขึ้นมากิเลสมันก็จะเด้งขึ้นมาค่ะเราเรา แต่ถ้าเกิดผู้ที่ได้ไปถึงพรมแต่ว่าไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีแบบไ ป, ด, ไปด้วยปัญญาอย่างเ<ป>งี้ยปัญญาก็ไม่กลับ mm hmm. เช่นพระอนาคามีนี้ไปด้วยปัญญาอ๋อถ้าถ้าไปอย่างเี้ไม่กลับมาแล้วลใช่ไหมคะไม่กลับไม่กลับไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กเต่าไปเพราะว่าก็คือพิจารณาว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์มันไม่สวยไม่งามไม่มีความต้องการ mm hmm. จะมีร่างกายตอบไป ต้องต้องได้ชั้นอนาคาใช่ไหมคะได้ชั้นที่สแล้วแล้วถึงจะไปสําเร็จบนบนนั้นใช่ไหมคะจ า, จากผร ม, มารโลก็สามารถพิจารณาจิตต่อไปได้ด้วยตนเองอละสังโยชน์เบื้องบนห้าห้าข้อต่ อ, อ, ตอไปคือรู ป, ปราคะความยินดีในรูปปัจจานารูปราคะความยินดีนะรูปปาาัจจาน้ามีอยู่ในจิตนะแล้วก็มานะการถือตัวแล้วก็วิชาความหลง หลงที่ยังยังหลงว่ามิยังหลงเพราะยังมีความอยากอย่างเงไม่รู้ว่าตัวเองตัดความอยากไม่หมดอยากไปนิพพานอาตอนนั้นอยากจะไปนิพพานอยากให้จิตมันเป็นนิพพานค่ะหลวงพ่อเป็นตัวอย่ากเอามาพิจารณาว่าจิตมันจะนิพพานไม่นิพพานก็อย่าไปสนใจถ้าไปอยากว่ามันจะไม่เป็นค่ะหลวงพ่อคะ่ะเ อ, อเดี๋ยวช่วงสงการหนูอาจจะหายไปสัก อาทิตย์กว่าอาจจะไปเก้าวันอะไรเงี้ยค่ะเออดีไปเถิดไม่ต้องกังวลอั น, นอนนี้หนูพ่อแต่ว่าหนูเหมือนตั้งตั้งอธิษฐานว่าหนูจะไม่ขาดทานทุกวันแต่ถ้าเราไปปฏิบัติอย่างเงี้ยแล้วหนูจะถื อ, ถอว่าเสียคําพูดไหมคะทําท่านเลยใช่ค่ะหนูก็ทำทานทาเผื่อก็ได้เนี่ยทำเก้าวันทีเดียวเลยก็ได้เคยทำมันร้อยก็ทํามันเก้าร้อยไปเลยทีเดียว หลวงพ่อคะแต่หนูว่ายังไม่เคยไปอยู่หนูพอดีหนูก็หาที่มาหลายที่แล้วก็พอดีหนูก็เลยนึกนึกถึงเอ่อวัดของหลวงปู่มั่นนะคะที่นครนายกนะคะวัดถ้ำอะคะ่ะลองดูเสียลองไปดูวัดยยเยอะแยะไปหมดเราก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นยังไงบ้างวัดแต่ละวัดเนี่เราไม่ได้ไปมาค่ะหลวงพอ่อแต่แต่พอไปอยู่นั่งอยู่บนเขาเนี่ยหนูหนูก็ไม่เคยไปแบบ คือกะไปคนเดียวเง่้ยค่ะหลวงพ่อไม่รู้ว่าจะรอดไหมค่ะหลวงพ่อ แ, แต่แตถ้าเราเป็นนักปฏิบัติไปกลัวทำไมเดี๋ยวมากก็ตายหนูก็ตั้งใจที่จะไปคือช่วงสงการเนี่ยเป็นวันเหมือนแบบถ้าคนไทยเขาก็จะบอกว่าวันปีใหม่รวมญาติอะไรเงี้ยค่ ะ, ะแต่หนูไม่หนูก็เลยบอกที่บ้านว่าหนูจะไ ป, ไป เ, เ, เหนูจะไปถ <ไป S 2> ึงวัดววอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่บอกแม่บอกว่าดี อ่างดีหนูก็จะให้ให้เขาไปส่งแต่ที่เนี้ยหนูไปคนเดียวแล้วหนูก็โทรไปถามที่วัดนะคะเอ hmm. ถามพระอาจารย์ที่วัดว่า hmm. แบบจะไปอยู่ปฏิบัติได้ไหมคะกลัวว่าคนจะเยอะหรืออะไรเงี้ยท่านท่านก็บอกว่ามาได้เลยอะไรเนี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็เลย hmm. ตั้งใจจะไปตั้งแต่วันที่วันที่สิบมาค่ะหลวงพ่อแล้ว hmm. แล้วก็จะอยู่ถึงสิบแปดนะคะหลวงพ่อ ก็ต้องไปลองดูลองดูว so ่าเป็นยังไงถ้าเราไม่เคยดไปก็ลนุนช่วยเถ้ามันถ้ามันไม่ดีก็ก็ก็กลับไม่จำเป็นจะต้องอยู่ครบก็ได้ค่ะหลวงพ่อเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าที่มันเป็นยังไงใช่ค่ะไปแล้วมันปฏิบัติไปได้เรื่อยๆก็อยากไปอยู่ดีกว่าใช้เวลาเ่าๆค่ะหลวงพ่อคือวันเนี้ยก็เป็นวัดปฏิบัตินะคะหลวงพ่อแล้วก็แล้วก็ อะไรนะคะกินอาหารมื้อเดียวเหมือนกันค่ะหลวงพ่อเหมือนก็เลยเหมือนแบบหนูขอลาที่ทํางานอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ลาเนี้ยเราก็ไม่มีโอกาสเนี้ยถ้ามีโอกาสนก็เลยรีบคว้าไว้ก่อนอะหลวงพ่อได้อยู่ช่วงหนึ่งถ้าลาลาแค่วันจันลาแค่วันศุกร์มันก็ได้เก้าวันอะไรเงี้มั้ยใช่ใช่ค่ะละหนูจะลาวันที่สิบสองแล้วก็ลาสิบหกอ่ะค่ะหัวดท้ายก็ได้ประมาณเก้าวันแต่ได้ยินว่าวันที่สิบสามเขาให้อยู่จะไม่ให้เ แต่บริษัทสามากเลยค่ะแต่แต่บริษัทเขาไม่ไม่ได้ให้หยุดใช่ค่ะหลวงพ่อแต่หนูหนูจะขอลาเพราะว่าใช่คจะได้ตั้งแต่วันศุกร์มาเลยนะใช่ร์ถึงถึงอาทิตย์เลยใช่ค่ะหลวงพ่อถ้าวันนี้กันดีค่ะหนูหนูจะต้องเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าถ้าต้นไม้อยู่ในแค่กระถางมันก็จะรังรากงอกเต็มกระถางเออใช่มันโตขนาดนั้นไม่ได้มันต้องอาลงดิอ หหลนูก็ปฏิบัติที่บ้านก็เหมือนปฏิบัติเหตอนไม้ในกระถางเนี่ยค่ะนี่้องไปอยู่ที่วัดแล้วให้มันลงเย็นเะค่ะตอนแรกตอนแรกแม่บอกว่าให้ชวนใครไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ในใจหนูหนูบอกหนูอยากไปคนเดียวหนูไม่อยากเหมือนแบบเหมือนอยากตัดไปเลยเงี้ยหลวงพ่อได้ไปคนเดียวได้ดีที่สุดคนปฏิบัติคนปฏิบัติจริงๆริงนี่ต้องต้องวอดเดียวกับเทมเีพลืะ ตอนตอนครั้งแรกที่หนูไปไปปฏิบัติครั้งแรกที่วัดที่สิงบุรีหลวงพ่อหนูก็ให้เขาเอาไปปล่อยทิ้งไว้หนูก็ไปอยู่คนเดียวเจ็ดเจ็ดวันก็อยู่อยู่ได้อแต่แต่อันเนี้ยหนูยังไม่เคยลองเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัดที่แบบปฏิบัติได้อยู่บนเขาอะไรเงี้ยหนูก็ยังไม่เคยลองขึ้นไปไปลองดูถ้ามันมีอะไรที่มันคิดว่ามันไม่ดีก็กลับแต่แต่อยากกลับเพราะว่าชู้ไม่ไหว แต่แมถึงก็มีเหตุการณ์บางครั้งว่ามันอยู่ไปแล้วมันไม่ไม่ไม่เหมาะสมเอเพราะเราไม่เคยไปสํารวจดูมาก่อนว่าเป็นยังไงคือเคยไปทําบุญนะคะแต่ว่ายังไม่เคยไปอยู่แบบปฏิบัติอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ก็มีมีแม่ชีอยู่นะคะหลวงพ่อดีก็ลองดูค่ะหลวงพ่อคือข้อสาคัญเวลาไปเนี่ยดูคือให้มันที่มันสงบไหมเราอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าเราไปวิ่วิ่งได้หรือเปล่าค่ะหลวงพ่อ ส่วนข้ออื่นถ้ามีอาจารย์ปรึกษาหน้าก็ดีด้วยถ้าเรามีคําถามก็ปรึกษาท่านได้ก็ดี่ขอแต่เป้าหมายก็คือต้องที่สงบรู้เวกนะไม่ไม่ไม่คุกคีกับใครคือถ้าเอาคนที่รู้จักไปเดี๋ยวก็ต้องมาคุยมาอะไรเงี้หนูหนูลงอยากจะแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริไปคนเดียว่ดีวยครับไม่ต้องมากังวลต่อกัน เดี๋ยวไม่ทักทายกันไม่ถามถึงข้างหาว่าโกรธกันเหรอเกลียดกันเหรอคือหนก็แบบเอออยากไม่อยากคือไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรหลวงพ่อคืออยากอยากปิดไปเลยปิดวาจาลองดูว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือความจริงวาจามันมันอยู่ที่ใจถ้าเราปิดใจได้มันวาจามันก็ตามมาเอง<ำ>อย่าอย่าปิดวาจาแล้วใจยังคิดยังไม่มีพระอยู่รูปหนึ่งท่านบอกท่านไม่พูด แต่ท่านเขียนหนังสือส่งมาข้อความอะไหเราวันต้องการนู่นต้องการนี่โอ้ยท่านอย่างนี้อย่าอย่าอย่าไปปิดวาจาใ้เสียเวลาเลยมันก็เหมือนกับมันก็ยังคิดอยู่การปิดวาจาเพื่อให้หยุดคิดไงค่าหลวงพ่อแต่ถ้าจะปิดวาจาแล้วเขียนหนังสือมันก็ไม่ได้หยุดคิดเอ่ะเข้าใจไหมเข้า <S S 2> ใจค่ะมีพระอยู่รูปหนึ่งตอนนั้นท่านก็ไปอยู่บ้านตาตอนนั้นท่านบอกท่านจะไม่พูดแต่ท่านเขียนหนังสืออเอ ติด่อคนนั้นติดต่อคนนี้เอ้ยอันนี้มันทํายังไม่ถูกหรอกหลวงพ่อครับจริงๆแล้วอ่ะอย่างอย่างที่ไปปฏิบัตินะเขาก็จะให้ปิดโทรศัพท์ไปเลยนะคะเขาก็ไม่ให้ถูกต้้อองันนีไม่ให้ใช้ไม่ให้โทรไม่ให้อะไรเลยไม่ให้ทำรูปทางโลกใช่ใช่ค่ะอันนี้ถูกต้องปิดไปเลยให้ก็ยืดไปเลยฝากเข้าไว้เลยก็ได้คลอกจากมีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินต้อมาขอขอใช้ืก็อีอย่าง <c oughs> ถ้าไม่มีการจดเฉลยก็ไม่ต้องใช้มันแลหู <c oughs> ้วใจสมัยที่เราไปบวชที่บ้านตาลก็ดวงตาสมัยนั้นไม่มีมือทางก็ห้ามไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าวัดไม่มีโทรศัพท์ <c oughs> ห้ามทีวีห้ามวิทยุสมายนั้น <c oughs> มันเขมีแค่นันหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยละค่ะเพรานี้มันเป็นเรื่องทางโลกแล้วนะค่ะ ถ้าถ้าเราแบบมัวแต่ติดต่อมันก็จะกลายเป็นห่วงพวงน้นพวงนี่คอยไม่ได้มามันไม่ไม่ได้ไม่ติดเว่ยมันก็ต้องต่างเลยมันตายจากจากบ้านจากที่ทํางานไปเลยท่าวันค่ะหลวงพ่อคะแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราเราปฏิบัติเนี่ยแล้ว เรื่องอดนอนเนี่ยมันมันจะต้องถึงขนาดแบบว่าทั้งวันทั้งคืนคือหนูนึกถึงที่หลวงพ่อบอกว่าเราต้องมีสติตั้งแต่ตื่นยันยันหลับอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ดูกําลังของเราว่เาเราทําได้มากาน้อยเพียงไรถ้าเรานอนไม่ไหวก็ไม่ต้องอดมันมีอุบาย อ, อยื่นแทนอดอาหารแทนก็ได้ค่ะจิตใจของคนบางคนนี่เราไม่เคยอดนอนเราอดนอนไม่ได้แต่เราอดอาหารอดได้ อ๋อตอนนี้หนูก็เหมือนเหมือนบางวันก็มื้อเดียวอ ย, อย่างเงี้ยหนูพ่ อ, อมันมันก็คือได้แล้วอะ่ะหมายถึงว่าไม่ไม่กิน<อ>ก็ได้อดสามวันดูอดเจ็ดวันดูนะ แ, แต่ยังไม่เคยอดสามวันก่พ่ก็อลองดูเสดจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่วก็ดื่มนม้นามํนาน้ำน้ํำอ่าเช่นน้ําพึ่งน้ําหวานได้เวลาถ้าน้ําเสึกน้ำกายมันมันอิดโรยมั น, นมโ่ยนี่ก็ดื่มให้ดื่มน้ําตาลของที่มีน้ําตาลได้ ค่ะหลวงพ่อแต่มันจะรู้สึกว่าตัวเบาแล้วก็มันจะไม่ขี้เกียจเมอเวลามันอดอาหารมันจะไม่ขียง่วงค่ะหลวงพ่ออันนี้ก็แล้วแต่นะไม่ได้บังครับอันนี้เป็นเป็นอุบายของแต่ละคนบางคนชอบชอบอดนอนบางคนก็ชอบอดอาหาราแต่จะหลับแต่อที่นี่หนูก็มีรายงานแค่เนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็หนูก็ยังปฏิบัติอยู่เหมือนเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อเออประทําไปนะ อย่าไปอยากทําไปมีหน้าที่ถึงเวลาทําก็ทําไปสงบก็ดีไม่สงบก็ดีค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่กลางคืนเนี่ยเดี๋ยวหนูจบจากหลวงพ่อนหนูก็ปฏิบัติต่อพอเช้าตีสี่กว่าหนูก็ลุกขึ้นมาต่อแล้วก็ไปถึงออฟฟิศก็ทําต่อแล้วก็เวียนอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อทุกวันแล้วผลเป็นยังไงบ้างจิตใจเย็นสบายหรือเปล่าตอนนี้เริ่มแบบโอเคแล้วค่ะหลวงพ่ออ ย, อย่าไปวุ่นวายกับอะไรนะต้องใช้ขัญญาตัดดันบ้างค่ะหลวงพ่อ วันนี้หนูมีรายงานแค่เนี้ยคะ okay, ่ะ ข, ขอบคุณขอบขอบพวกคุณหลวงพ่อนะคะค่ะคุณกูเดียจากพัทยมามาไหมสวัสดีครับได้ยินไหยครับได้ยินยม่มอะไรไหมไม่มีครับท า, างไปงไปเรื่อยๆนะขอบ ค, คุณบริสตอบคุณบริสอยู่ที่ไหนจ๊ะจาไม่ได้ อยู่ระยะยาค่ะระยยวโอเคมีอะไรไหมวันนี้อ๋อจะกลับเอาัยสอบลาที่แล้วอะค่ะพระอาจารย์เข้ามาแล้วพระอาจารย์ทักว่าเหมือนไม่ใช่สัปดาห์แรกแต่จริงๆแล้วพระอาจารย์ทักถูกแล้วค่ะเคยเข้ามาก่อนหน้านแป๊บหนึ่งอ่อแต่ไม่ได้กันไม่ได้คุยกันใช่ค่ะมาแป๊บเดียวเหมือนมาลองเทสดูเพราะยังไม่เคยใช้สูงค่ะก็ อรายงานผลปฏิบัติสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์น่าเชื่ก็รู้สึกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายแบบท้องเสียเหมือนมันจะอาเจียนห้าวันมันไม่มันไม่ลงเลยค่ะพระอาจารย์มันนั่งได้ชั่วโมงกว่าแล้วเหมือนมันมันดันออกมาค่ะพระอาจารย์เหมือนกับเราใจเราเท่ากับการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่า ก็กังวลเหมือนกันครับอาจารย์ต้องต้องต้องพิจารณาด้วยปัญญาดับความกังวลให้ได้ว่าร่างกายมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมมังคับมันไม่ได้มันจะเป็นก็เป็นมันจะจะจะตายมัก็ต้องตายครับมันไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแกเ่เจ็บตายเพื่อจะได้ตัดความกังวลแล้วก็อยู่กับมันไปแบบสบายสบาย หายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรถ้าตายก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเป้าหมายของการปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้เพื่อรักษาความสบายใจไว้ต้องปล่อยวางร่างกายต้องพิจารณาใจแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้น่างกายต้องเกิดแกเจ็บตายเวลามันจะเจ็บจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ด้วยอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าบางทีมันเหมือนแบบ บางทีเอ้ยเราจะปล่อยวางดีหรือว่าเฮ้ยเราเพียงไม่พอนะเราต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือคือก็ร่างกายเราก็รักษามันไปดูแลมันไปไม่ไม่ไม่ถ้ายังรักษาได้ดูแลได้ก็รักษาไปไม่ต้องปล่อยแต่อย่าไปอย่าไปอยากให้มันไม่ไม่ไม่ไม่ตายอย่าไปอยากให้มันหายถ้าเกิดมันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะไม่หายก็ห้ามมันไม่ได้ ได้ค ร, ราาับอาจารย์ก็ทําใ<า>จให้สงบไปพูดโธพูดโธ้ไปพิจารณาตายรับรไปเพื่อปล่อยวางถ้าเกิดว่าสมมติช่วงที่เหมือนมันมันดันออกเราก็ปล่อยตามให้ให้ให้ดันออกมาหรือเปล่าค่ะอาจารย์ถ้าซึ้งไปไม่ไหวก็ต้องยอมมันดันออกมาออกมาแล้วก็พับแล้วก็แล้วก็ไปเดินโยกโงมต่อถึงมันจะออกมาก็ไม่ให้มันไปคิดวุ่นวายกับเรื่อ ง, ร, องราวตา่างๆพยายามคุมมันด้วยการ ไปพุดโธต่อไปเดินจงกบกับพุดโธพุดโธไปถ้าเดี๋ยวพอมีกำลังก็กลับไปนั่งใหม่เพรมันเหมือนแบบเราแบบเหมือนเสียดายเวลาเพราะอุตส่าห์ตื่นเช้าแล้วมันมันไม่ได้อย่างที่เราแบบเคยเคยทำได้ก็ไม่เป็นไรก็มันมันก็เป็นอย่างมีแพ้บ้างชนะบ้างชกมวยมก็ยังมีผัดกคล้ลับลัดลลับหนึ่ง การปฏิบัติการต่อสู้กีริยามันก็มีผัดการรับผัดการรบเหมือนกันบางทีแล้วก็รู้บางทีเราก็ต้องรับเราไม่ถอยปฏิบัติ <c oughs> มไม่ได้านาไม่ยอมพะลุกมาเดินแทนค่ะพยายามรักษาเวลาให้ตื่นได้เท่าเดิมเพื่อจะได้แบบตอดได้ก็ได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องตื่นมาทุกวันนะคะอาจามันจะได้เป็นที่ใส่ ทำอะไรก็ทําเยอะๆทำทําบ่อยๆอยนั้นมันเป็นนิสัยถึงเวลามันจะทําเองถึงเวลามันจะตื่นเองใช่ค่ะอาจารย์มันเหมือนแบบใกล้เวลาแล้วมันมันตื่นจิตมันตื่นมาอย่างนี้ครับอายมันมีสัญญาความจำความจาว่าเราจะตื่นเวลานี้เดี๋ยวมันถึงเวลามันก็จะตื่นนี่เองใช่ค่ะแล้วมันช่วงเมื่อไหร่ครั ก็มันเหมือนอันนี้เพิ่งเป็นเดือนแรกที่ตื่นทุกวันอย่างต่อเนื่องปฏิบัติทุกวันนะคะพระอาจารย์ลราแบบเรามีการพิจารณาอาหารไปด้วยเลยค่ะพระอาจารย์คือเราไม่ทานช่วงเย็นแล้วเราตัดอยากตัดกําลังความอยากในการที่ อ, อาหารน ะ, ะมันมันตัดออกหมดเลยค่ะเป็นเป็นปฏิกลูนักพิจารณาเป็นปฏิกรูไปเป็นอาเจียนจมเป็นจระไป ใช่ครัทานไม่ค่อยลงเลยค่ะพระอาจารย์ก็ดีไงคุณทานไม่ค่อยลงกรณีบางทจร่างกายเรามันกินมากเกินไปแล้วาาร่างกายรัวพอแล้วอนะ้วนแล้วเป็นโกแนละ้ว ก, กินมากไม่เป็นไรหรอกค่ะแล้วมันจะมีอีกประเภทหนึ่งก็เป็นพอมาเพศไม่อยากอะค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นยกตัวอย่างไขมันสัตว์นะคะ่ะตั้งแต่เกิดมาแบบลูกทานไม่ได้คะ่ะเหมือนกลิ่นมัน ก็ไม่เวลไม่กินมันก็ไม่ไม่เสียหายเลยไม่ต้องไปต่อสู้กับมันเพื่อให้กินใช่ไหมคะเนื้อสัตว์ไม่จำเป็นหรอกนอกจากว่ามันไม่มีอะไรกินแล้วมันต้องกิน น, นี่ก็กินไปเพราะและเ่เรี้ยงเลี้ยงร่างกายไป ก, ก็ก็กินมันไปไแต่ถ้าถ้าเรายังมีทางเลือกอยู่ก็เลือกไปได้นี่มาไม่เป็นไรเราไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็เลือกถึงแม้ว่าเราจะไม่กินเจแต่เวลาสั่งตอกข้าวมาผัดผักแล้วมีเนื้อติดมาแล้วก็ เราก็เลือกนี้ออกไปกินแต่ผักก็ได้คือ mm hmm. กินเพื่ออยู่อ่ะพูดง่ายๆกินเพื่อให้ร่างกายมันมีอาหารหล่อเลี้ยงจะได้ไม่หิวเท่านั้นเองจะกินอะไรไม่กินไม่ไ ม, ไม่ไม่สําคัญเป้าหมายก็คือดับความเหิวนะเพราะเหมือนมันไม่อยากอาความไม่อยากอาหารมันก็แบบจางลงเหมือน mm hmm. มีอะไรมันไม่อยากทานเลยค่ะพระอาจารย์ yeah. นอกจากว่าถ้ามันมันเบ้อเกินไปจนกระทั่งไม่กินไม่ลงเลยแล้วก็สู้พร้อมจะตายนี่ก็ต้องบังคับให้มันกินนะใช่มันมันมีช่วงหนึ่งเหมือนมันมันมันสู้มากค่ะพระอาจารย์มันเหมือนแบบมันมานไปแล้วมันมเกินแล้วมันเติมเต็มไปแล้วอย่างเงี้ยใช่ค่ะต้องผ่อนกลับมาให้มันอยู่ท้ายกาศใช่ค่ะแล้วแล้วเวลาเราไปทานเผ็ดนิดนึงมันท้องมันแปรปวนเลยค่ะพระอาจารย์ก็วิธีแก้ว่าคิดนึกถึงอาหารที่เราชอบเลยอาหร่ใช่เดี๋ยวน้าลายไหลมันก็กินได้ พอดตายก็เริ่มเบาลงแล้วค่ะเรื่องพิจารณาอาหารก็เอาให้แบบร่างกายมันไม่ป่วยค่ะเพราะมันอยู่ด้านก็พอค่ะอาจารย์ไม่ได้กินเพื่อความสุขจากการกินนะเอาความสุขจากการปฏิบัติธรรมดีกว่าอืมค่ะอะไรนะว่าใจขาอาจารย์ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจารย์ งั้ก็เชิญฟังตอบเลยแล้วกันนะขอบคุณครัอาจารย์คุณจากสุวรรเขตขอโทษด้วยนะจำไม่ได้นันทีชื่อสวัสดีครับอาจารย์ เ, เป็นยังไงสบายดีแล้วสบายดีครับอาจารย์เป็นลาวใ่ไหวเป็นคนไทยไปอยู่ลาวเป็นคนลาวต่พูดไทยชันด้วยกนเนี่ยทำไมออเคยเคยไปอยู่ที่คาดาที่ไหนเนะี่ยค กรุงเทพตอนกรุงเทพก็ก็คือแบบว่าก็ทุกนะครับะอาจารย์อาทิตยเนี้ยก็คือแบบว่ามันฟุกงนะคะ่ะจิตมันไม่สงบเลยมันฟ<ห><ร>ุ้งไม่มีสติคอยะระงับมนนันอยากโู้นอยากนี่คิดโู้นคิ ด, ดนี่เรื่อยเป่อยไปนะจังวอนกันเริ่มงนั้นจังวอนกันเรื่องนี้นนนค่ะพระอาจารย์ก็คือ กังวลกับเวลาเราเราไม่ได้มีงานอย่างเงี้ย<ม>ก็เรากังวลเรื่องทํางานหางเงินอย่างเงี้ยครับอาจารย์ไม่มีมปัญญาน <พา S 1> ี่ถ้ามีปัญญาบอดีไม่มีงานทําจะได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้น <laughs> ไปกลัวทำไมถ้าเป็นปฏิปฏิบัติก็ไปอยู่วัดกินกินแบบแถวได้ก็ไม่มีปัญหาเลยวัดก็มีอาหารเหลือเยอะแยะไปหมด ถ้าเราไม่ไปเรื่องอาหารไปอยู่วัดท่สบายเลยกรยังตัดไม่ได้ ย, ยังความสุข<ม>ทางทางทางโลกไม่ได้ก็คืออยากอยากจะมุ่งทางนี้แต่ว่าก็คื อ, อยังต้องแบบยังต้องไปหาเงินอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อจาครับพ่อเรายังยังปัดความสุขทางโลกเลยเพราหาเงินอยู่ไงใช่ไหม ค่ะยังต้องมีเครื่องสัมมายังต้องมีคาหบุนค่านี่เยอะยากไปหมดค่ะก็ยังไม่มีอะไรค่ะบพระอาจารย์ก็จะพยายามฝึกไปเรื่อยทุกวันทุกวันนะคะอาจารย์อมันก็ทุกอย่างถ้าอยู่ทางโลกมันก็ทุกอย่างเี้ยรแต่ที่นี่ไม่มีอะค่ะบพรอาจารย์แบบว่าที่นี่มันเหมือนไม่ไม่เข้งอะค่ะบอาจาก็เลยหยุด ค่ะก็คือแบบว่าก็อยู่บ้านดีกว่าก็หยถึงที่บ้านที่ไม่มีที่ปฏิบททนะัติธรรมก็มีอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเหมือนกับไม่เหมือนไม่มีการนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คทำที่บ้านไปปฏิบัติที่บ้านไปแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะทางของสาของปู่ม่านไป มีเท่านี้ค่ะอาจารย์ก็ฟังตอไปแล้วะดูค่ะเชิญคุณพระรุดาจากสัตยีพระรุดาอนนี้อยู่ที่วัดหรืออ่จารย์น้าาการค่ะอยู่ที่วัดค่ะอาจารย์เกืจะครบแล้วหรือยังพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้กลับบ้านก็ไม่ได้กินอะไรใช่ไมเนี่ยนำมันกระจายมาอยู่วัหกวันแล้วหรอกวันละแต่แต่รอบนี้คิดถึงอาหารบ่อยึ้นไป การคิดถึงอาหารน่าคิดถึงความปฏิกูลของอาหารค่ะ ม, มาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ไม่ราคาญนะก็ค่อยๆค่อยๆตัดไปทิศมาก็ตัดไป อ, อ, อย่าไปคิดถึงอาหารในจานแล้วมันน้ําลายไหลอนะาหารในปากอาหารในท้องอาหารที่ถ่ายออกมามันก็จะหายหิวเลยหายอยาก แค่รู้สึกว่าทําไมมาบ่อยจังรอบนี้รอบที่แล้วไม่บ่อยแล้วนี่แสดงว่าจิตแล้วไม่ไม่ดีไงนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกทุกวันเนี่ยมีอยู่วันแบบเหมือนเหมือนชกมวยเหมือนที่พระอาจารย์บอกมันเหมือนเราพอเราสงบแล้วมันถอนออกมาแล้วตอนตอนสงบมันเจ็บเจ็บมันอยู่ไกลใช่ไหมคะทีเนี้ยพอพอพอมันถอนออกมามันเริ่มเจ็บมาก เจ็บมากเราก็แบบไปกําหนดที่เจ็บแล้วใจมันไม่ใจมันนิ่งมันไม่แกว่งก็เลยกําหนดได้ค่ะแล้วกาหนดอยู่แป๊บหนึ่งอ่ะแล้วถึงว่าคิดว่ามันโอเคแล้วก็เลยหยุดกลับมาลมหายใจมันกลับมาลืมตาเลยแล้วเวลาแทบไม่เมื่อก่เปลี่ยนนิยายิบทก็ได้เปลี่ยนนิยามผมั่งก็ได้แล้ววันนี้ก็นั่งได้สี่ชั่วโมงค่ะแต่ว่า แต่ว่านั่งแบบนั่งแบบก็มีขยับเขยับได้แล้วไม่ไม่รูปไปทําอะไรแต่ไม่เปลี่ยนท่านั่งแล้วก็นั่งแบบทรมานความอยากความอยากไปทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้ไปทำค่ะแล้วก็มันนั่งแบบแบบขัดสมาธิแบบขยับตัวเลยค่ะแล้วก็แต่มือไม่ได้วางแบบแบบนี้ค่ะแต่มือค่ะค่ะก็ทําประมาณนี้ยค่ะเแล้วก็สลับกัน เวลาผ่านไปเร็วมาเนี่ยหวันแล้วเนี่ยเร็วหนูว่าเร็วอตอนช่วงพอสองสาวันท้ายเนี่ยค่ะเร็วค่ะเดี๋ <c oughs> ยววนี้ก็ครบแล้วแหละวนี้ก็ออกมาค่ะ <c oughs> พว่นนี้ครบราคาอาจารย์มีอะไรจะถามไม่ไม่มีแนละ้วไม่มีคะ่ะเดียวท่าหมาถูกทางแล้วมีอย่างทำไปเรื่อยไนะ ป, รปเรื่อยๆค่ะก็คบจิตก็ควบกิเลสก็ควบความอยาก ด้วยสต да okay, นะิด้วยปัญญาเนี่ยค่ะได้โอเคนะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านเอชเชนทานเหรืออยู่ที่ไหนสถิตเหรอไม่อยู่ในเหรือเอาต้องเปิดไมค์ก่อนยังไม่ได้เปิดไมค์ขอทันมิลคับโอเคโประกาศนมัสการครับก็ขอยัดเรียนสอบถามครับ คือสอบถามและ ม, มาจากที่ไหอยู่ที่ไห น, นตอนนี้อยู่กรุงเทพครับเป็นญาติของยอพี่แอระครับพี่แอร์อพี่ที่เสียไปนี่หนละใช่ครับเป็นม้องชายพี่แอรเป็นญาติเป็นญาติกับพี่แอร์ลูงพี่น้องกับพี่แอรครับอตอนนั้นตอนที่อยู่สตรีก็เคยไปทำบุญกับพี่แอรที่วัดเุมืนกันครับเอมีอะไรไหมวันนี้เอก็ขอญาติเรียนสอบถานครับ ก็คือว่าถ้าเกิดว่าในกรณีเช่นอย่างแข่งของทำงานปัจจุบันเนี่ยถ้าในเวลาปกติเออไม่มีเวลาไปทั้งเดินทั้งนั่งคําถามก็คือว่าจะใช้การสวดหรือว่าภาวนาในระหว่างวันเนี้ยจะได้ไหมครับได้ได้สวดวนไปก็ได้ทำไปภายในใจหรือพรดกิปกิจสวหรืออะไรต่างๆให้ได้ใ<ห>คือเอป้าหมายก็คืออยากให้ใจไปคิดเรื่อง น, นู้นเรื่องนี้ จะได้ทำให้ใจเบาใจสบายถึยงน้ำไม่สงบเพรามอย่างนั้นมันไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายใจครับโดยอิทธิ ป, ปิโสไปเรื่อยๆก็ไดนะ้สุดเวลาละจบเวลาที่รเราไม่ต้องทำอะไรก็อิทธิปิโสก็ว่าละสมาไปภายในใจของเรครับก็คือนยะก็คืออะไรก็ได้ที่จับองค์มรณะหรือว่าใ ห, ให้อยู่กับ สิ่งพวกนี้ถูกไหมใช่อยู่บทชดมนก็ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ได้ทำบุกับพุโทโธบ้างก็ได้จะได้ใจแล้วเรื่องราวต่างๆแล้วคำถามต่อไปก็คือว่าถ้าตอนนี้ที่เรามีความทุกข์หรือว่าเจอเช่นคุณพ่อป่วยแะคือญาติป่วยเนี่ยแล้วเราต้อง อยู่กับมันจะเจอแับมันอย่างเงี้ยจะต้องวางจิตวางใจไหครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าทุกร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายไม่ไม่ได้มีตัวตนตัวตนคือพ่อแม่พี่น้องหรือเรานี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายตัวตนเราอยู่ที่จิตใจจิตใจมาใช้ร่างกายเป็นเหมือนคนขับรถนะ ร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์สำหรับจิตใจจิตใจใช้ร่างกายนี้พาไปไหนมาไหนอยากจะดูรูปก็ต้องมีตาอยากจะฟังก็ต้องมีหูก็เลยต้องมีร่างกายแต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายเวลาร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายเหมร่างกายใจของคนที่ตายเขาไม่ได้ตายอย่างพี่แอรเนี่ยเขาไม่ได้ตายร่างกายเขาตายแต่ตัวพี่แอร์เขาไม่ตาย พิธีเขาก็ไปหาร่างกายใหม่ต่อไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานครพิธีนี้แล้วเราก็จะจะวางเฉยได้เป็นเรื่องปกติพระเจ้าบอกให้เราเตือนใจอยู่เรื่อยว่าเกิดมาล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ได้ผู้ที่ตายไม่ใช่ดเราขอยรู้ไอ้นี้เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ เราไม่ได้ตากับ็นการ่างกายแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับปกติผม ง, ง้อปฏิบัติสติปัญญานสี่ครับแต่ว่ามันเหมือนเวลาทุกน้ามันก็จะมีมันเหมือนรู้สึกนม่คิดขึ้นมาว่ามันติดอยู่กับอาการง่วงนะครับสติเราไม่ดีก็ลุกขึ้นมาเดินท่านมันจก ง, ง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินจนพวงแทน ก็มาเจริญสติไหมือกายกะตาสติเดินยงคงก็เรียกว่ากายกตาสติแล้วก็มีสติ ก, กำลังพอก็หายง่วงก็ลงมานั่งอนาปณะสติเถอะดูลงหายใจหรือพุทธานะสติแล้วท่อพุโทโธพุโทโธไปกเมอนกับ เ, เจเจเอริยบทไตอะไรประนก็เปลี่ยนเอริยะบทหรืออะไรก็ได้ถ้ามันนั่งละง่วงไปยานไปนั่งนได้เปล่าเปลี่ยนเรือก็ว่าไปลกกำลเดินดีปะ ก็วันนี้มีคาถามแค่นึ่ง <Okay. S 2> ครับคุณเพิ่งเข้ามาครัง้งแรกงช่ไหมอ่าเพิ่งเข้าซูมครั้งแรกครับมาฟังครั้งที่สองแล้วครับครั้งที่แล้วก็ถามใน Facebook ครับอ่อได้ยินดีนครับ okay. ค, นะคุณยินดีอยู่ที่อเมริกาลาสเวกัสแคนาดาเป็นงไงสบายดีนะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์หนุม่มกาบท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็เดวิดกาบ สวัสดีท่านอาจารย์ด้วยค่ะวันนี้ก็ไปทํางานเป็นเดิมนะค่ะแล้วก็เขาฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเข็มที่สองเข็มฉีดเมื่อวานเมื่อวานนะคะได้สองเข็มเลยค่ะครบเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีอาการอะไรค่ะสราะยใจสบายใจเลยค่ะค่ะแลเาเราที่เราต้องรอคิวไปงานเนี่ยนะก็รอจนกระทั่งเขาเปิดนะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่า ตามแผนที่ทางอเมริกาเขาจัดให้ก็พราะของอย่างของหนูมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เสียงอ่ะค่ะก็เลยต้องรอรอจนกระทั่งว่าคนที่เสี่ยงเสี่งอันดับเอันดับพ ORITY เขาเรียบร้อยแล้วเราก็ ค, ค่ยยคยาคน ย, ย, ายนั่งก็คงอยู่ช่วงพิธสภาโน่นหนูใช่ค่ะท่านอาจารย์ประมาณเดือนพิธีสภามิถุนาล่ะค่ะก็มไม่เป็นไรถ้าเราอยู่บ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรไออกนอกบ้านก็ใส่หน้ากากไว้ก็แล้วกันถ้าท่านอาจารย์ค่ะ อ่อามืองทยเราก็ใส่หน้ากากเนี่เป็นวัคซีนใช่ไหมเราหน้าบ้านก็ใส่หน้ากากกันทุกคนเมืองไทยไม่มีคนติดเชื้อถึงแม้ไม่มีฉีดวัคซีนา ก, าก็ไม่มีใครติดเชื้อมีก็น้อยคค่่ะะพยายามใส่หน้ากากไว้ไวเวลาออกไปข้างนอกค่ะไปะช้อปปิ้งอะไรก็ใส่หน้ากา ก, ากเลยอ๋อหนูไม่ไม่ไม่ไปค่ะช้อปปิ้งไม่ค่อยไปกันคือถ้งแต่ตามโควิดก็พยายามค่ะแล้วใครไปซื้อกับข้าวให้เราล่ะ อหนูไ ป, ห น, ไปไหนูไปเองค่ะก็คือพอดีมีหนูตอนที่มาช่วงตั้งที่มาหาดูบ้านนะค่ะก็หาดูตรงที่ว่าใช่ค่ะนหนูข้ามถนนไปก็พอดีมีห้างพอดีค่ะก็คือก็เหมือนฟื้นแลน์บ้านเราอะไรเนี้ยค่ะสําหรับซื้ออาหารอะไรเนี้ยเราอยู่มีคนบ้าชาบมามทุบตีคนเดเซีย e อ่ะาระวังหน่อยนะ ช่วงนี้รู้สึกหนูก็หนูก็ไม่ได้ไปไห น, นหนูก็ค่ะท่านอาจารย์พยายามใครน้ากลน่าสงสัยก็รีบวิ่งหนีไปอยู่ไกลว่ามันก็ดีนะคะท่านอาจารย์ที่ที่ที่เอาคําสอนของท่านอาจารย์มาที่บอกว่าหนูก็นึกตลอดนะคะท่านอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดไม่ว่าจะเรื่องอะไรคือทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าตายก็คือตายใช่ไม่อาจารย์ก็ ไม่เครียดนะดียอมรับการจิบแต่ก็อย่าประมาทอะต้องต้องคอยระวังรักษาตัวด้วยค่ะท่านจักระท่านจัถ้าเห็นท่าทีไม่ดีก็รีบบเห็นใครมันทาท่าทาทางเนี่ยเดี๋ยวนี้มันคนรู้สึกมันบ้ากันเยอะที่นี่ก่อความเกียดกันเยอะมีความรู้สึกว่าหนูไม่หนูไม่เข้าใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่า ประเทศเขาประเทศเขาเจริญจริงคือหนูเข้าใจว่าประเทศอเมริกาสมัยก่อนในความคิดของเรานะคะถ้าอาจารย์สมัยก่อน<ช>ตอนที่ทําทวัตถุทาวัตถุเขาเจริญมากแต่ทางจิตใจนี่เขาสู้ประเทศไทยไม่ได้หนูเนี่ยค่ะอาจารย์หนูก็เลยงงงงพอมาอยู่จริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าที่ไหนก็มันก็สู้ประเทศไทยเราไม่ได้แล้วเนะงทยเนี้เป็นบมงที่จิตใจสูงที่สุดค่ะอาจารย์หนูก็เลยงงงงก็เลยแบบเอ๊ะการที่เราแบบ เอจินตนาการไว้ตั้งแต่สมัยตอนที่เราเด็กเราเรียนหนังสือหรืออะไรเงี้ยแลดูและดูอเมริกาแลดูเพอร์เฟกแต่พอมาอยู่จริงๆใช้ชีวิตจริงๆมันไม่ใช่อย่างที่เราดูทางด้านวัตถุเนี่ยพอเขามีถน น, นหนทางมีโน้ตลามีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่มันเป็นทางด้านวัตถุแต่ทางด้านจิตใจนี่เขาเสืองงเส่อมโนลงเสื่อมลงเรื่อยๆเพราะเขาไม่มีศาสนาคนไม่ค่อยนับถือศาสนากันเท่าไหร่ ค่ะท่านา okay, อาจารย์ค่ะท่านอาจารย์อ่าในกรณีถ้าเกิดสมมุติว่าการที่เราที่ที่เรื่องทางด้านปฏิบัติที่ว่ากายานุสติอะค่ะถ้าอาจารย์ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างวันทั้งวันเนี่ยคือถ้าเกิดวันทั้งวันเนี่ยเราเราทำงานของเราปกติเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีอะไรอยู่ในสมองเลยเนี่ยก็ถูกต้องอนนถ้าเราไม่มี อ, อะไรก็ใช้ได้อ๋อถึงแม้ว่า อันนี้ก็ถูกต้องเหรอคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเราใจเราไม่ได้แบบว่าอย่างสมมุติว่าหนูก็ลืมทุกครั้งว่าเฮ้ยเออตอนเนี้ยกําลังจริงๆแล้วเราลืมไปว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังล้างจานเราก็ต้องดูว่าเออเรากําลังล้างจานแต่คืนในขณะที่เราล้างจานหรือเราทําอะไรหนูสังเกตดูบางครั้งเอ๊ะวันนี้ทั้งวันเราไม่ได้คิดอะไรเลยคือเราไม่มีความคิดอะไร <Ooh IDs S 2> เข้ามาแทรกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่มีความคิดอะไรแต่เราอยู่กับงานที่เราทํา แต่ต่หนูไม่ได้แต่ใจหนูหนูไม่ได้คิดว่าเออตอนนี้กําลังคือใจหนูหนูไม่ได้คิดว่าตอนนี้เรากําลังล้างจานตอนนี้เรากําลังถูบ้านตอนนี้เรากําลังเดินแล้วอยู่ที่ไหนแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ได้คิดแล้วมันอยู่ที่ไหนอ๋ออันนี้มันก็คือใช่เหรอคะท่านอาจารย์มันก็ต้องอยู่กับงานที่เราทำใช่ไหมอ๋อหนูเข้าใจว่าหนูเข้าใจว่าหมายถึงว่าเออคือหนูจะต้องแบบอย่างสมมุติว่าหนูล้างจานหมายถึงว่าใจหนูก็ต้องบอกว่า ตอนนี้กำลังล้างจานอยู่ไม่ต้องบอกก็ได้ตอนนี้กำลังแบบว่าตอนนี้เรากำลังเอาเอาเอาเอาตอนนี้เรากำลังเอาเอาแบบสมมตินะคะกําลังเอาน้ํามาขัดจานให้รู้เฉยๆไม่ต้องคิดกนได้ไม่ต้องบอกว่าให้รู้กำลังทํางานจดจ่ออยู่วับงานที่เราทําอยู่อ๋อท่านอ๋ออย่างนี้ก็ถูกต้องเหรอคะถูกต้องท่านเราไม่ไปคิดเรื่องอะไรไม่ไปคิดถึงแฟนที่กําลังทํางานอยู่ไม่ไปคิดถึงบ้านที่กรุงเทพอะไรเงี้ยที่เมืองไทยอะไรเงี้ย ค่ะ้อยู่วันนั้นพ่านสมมติแล้วหนูพอหนูตกมาตอนเย็นหนูก็เฮ้ยทําไมเอ้ยอย่างนี้มันถูกอเหมือนมันไม่ถูกหนูก็เข้าใจว่าหนูทําไม่ถูกเหมือนกับว่าเฮ้ยวันนี้มันวันนี้ตั้งแต่เช้าไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วไม่มีอะไรเลยก็ดีก็ดีอ๋ออ๋ออย่้องออหนูเข้าใจว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกต้องแสดงว่าเนี่ยหนูลืมคิดไปว่าเออเวลาเดินพราปกติหนูจะแบบว่าหนูอะ เลาเดินหนูก right. yes. ็คือหนูก็จะเดินว่าเออเวลาเดินก็คือเราเดินแล้วก็เอาใจไปอยู่ที่เท้าซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วเวลาเราลัมันต้องรู้มันต้องรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เนียกําลังเดินก็ต้องรู้กําลังเดินกําลังทําอาหารก็ต้องรู้กําลังทําอาหารไม่ได้ทำแบบไม่เรื่องมุราเหมือนคนนอนหลับมันไม่ใช่ค่ะยัง คือเนี่ยแหละคะ่ะหนูก็เลยสับสนว่าเอ๊ะตกลงมันมันยังไงมันคืออะไรกันแน่ไม่หูไม่เข้าใจตรงจุดเนี้ยค่ะอย่าสมมว่า อ, อย่างการเราทำอาหารถูกไหมคะเราทำอาหารเราก็เราก็เราก็ทราบว่าเราทำอาหารแล้วอาหารก็ออกมาพร้อมกันแล้วอย่างอย่างเราเดินแต่คือหนูเข้าใจว่าบางทีคือหนูเข้าใจว่าปกติเนี่ยหนูจะต้องเอาใจไปจับตลอด อย่างการการล้างจานเราเอาฟองน้ํามาถูจานเราก็ต้องรู้ว่าเอาเราเอาตอนนี้เรากําลังฟองน้ํามาถูจานแล้วตอนนี้เรากําลังล้างเอาเอาเอาเอาเอาเอาจานล้างด้วยน้ำเปล่าอยู่อแล้งรู้อย่างนีได้ยินดีทั้งทุกขั้นตอนเลยได้ยินดีแสดงว่าอย่างคือหมายถึงว่าถ้าจะทําให้ถูกต้องและถูกหลักร้อยเซ็นัหมายถึงว่าตเราต้องเอาจิตไปจับตลอดทุกเมื่อที่เอดงวอยมา้าทำให้กต้องและถูกหกร้ยเกอรเซ็นต์นัหวเลยเอ๋อ ก็รู้ว่ากำังลุขึ้นมายืนก็รู้วากำลังจะลุกขึ้นมายนาืนก็ร้ากำลังจะเดินก็รูากำลังจะเดินอ๋อ ah. หนูเข้าใจค่ะค่ะเพราะหนูเข้าใจว่าเฮ้ยคื Born อเ <umb S 1> มื่อวานหนูบอกว่าเฮ้ยเออวันนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยมันมันมันไม่มีอะไรเลยแบบคือมไม่ได้คิดอะไรเลยมาถึงเย็ดก็อุ้ย <Bear> แล look, ้วอย่างนี้เขาเรียกเขาเขาเาเรียกอะไรกได้การก็ไม่ใ <Bear> ช่อะไรก็แสดงว่าใจเราสงบไงใจเราสงบ อ๋อันนี้ก็ใช่ใช่ใช่สงบใจว่าไม่ได้คิดอะไรอ๋อค่ะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าถูกต้องเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องแต่แต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นใช่เราใจเรายังไม่ได้อย่างสติยังไม่ต่อเนื่องแต่ยังน้อยมีสติที่ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆได้ก็ใช้ได้อ๋อแต่ถ้าเกิดจะให้ดีร้อยเปอร์เซ็นตให้สมบูรณ์ก็หมายถึงว่าเราจะต้อง เอาสติดยาบวนเลยทขะเลยทุกขณะเลยกาะติดทุกขณะเลยลองทําดูค่ะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะถ้าทำนี้ได้แล้วขั้นต่อไปต้องนั่งด้วยนั่งแล้วก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกอ๋อปกติหนูทํามาตั้งแต่ตอนที่แม่เสียมมาแล้วค่ะท่านนั่งอยู่เรืยใช่ไหมนั่งบ่อยๆนะหนูทําทุกวันกันละสมองไหมล่ะทำร เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรของมันโดยอัตโนมัติของมันนะคะท่านอาจารย์แต่ก็ไม่ได้แบบคือหนูก็ไม่ได้แบบว่าหนูก็ใช้ระบบที่ว่าเออสายกลางอะคะ่ะท่านอาจารย์ก็คือแบบนูก็ไป ห, หนูเรื่อยๆคือหนูกลัวว่าถ้าเกิดหนูไปหนูกลัวเฉยๆนะคะท่านอาจารย์ท่านท่านอาจารย์หนูกลัวว่าถ้าเกิดเ ย, จ ะ, จ, ะยจะไม่บวชเนอะบวชหนูกลั ว, วจะ <laughs> คงคงคงไม่ได้ค่ะเพราะท่านอาจารย์อันนี้คือหนูยอมรับค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าอาลัก์ที่แม่เขาให้มันมีแล้วน้องคืออันนี้คือคือน้องอ่ะคือเขาไม่มีสมองเราก็ต้องดูแลเราดองเลี้ยงดูแลเข้าไปเนี่ยค่ะท่านอาจารย์แต่ก็ได้ห่างห่างก็เหมือนกับแก้วที่ป้ามที่หนูคือหนูก็ปองเหมือนท่านอาจารย์สอนน่ะค่ะก็คือเขาก็มาวัดมาทำบุญเนี่ยอาทิตย์ละสามสี่ครั้งตรงนี้ แล้วอย่างเมื่อวานนะคะท่านอาจารย์เขาไลน์มาบอกหนูว่าข้อบุญมาฝากปกติคือเขาเขาเขาเขาไม่คุยกับหนูหนูก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาไม่คุยก็คือไม่คุยเพราะว่าถ้าเขาคิดว่าความคิดเขาถูกเราไปบังคับเขาไม่ได้ไงคะทั้งที่ชอบผิดแต่เราก็จะได้ส <จะ S 2> ติขึ้นมาจะได้สติคิดคิดรอบคอบขึ้นกับเขาแล้วเราก็ชั้เราก็ชั้มากแคทักเขาเรือยไม่คิดถึงเจ้บ้างเหรอนี่ติดต่อเจ้บ้างเปล่า มันออเลเขาลอาจจะฉุกคิดว่าน่าจะติดตามกับพี่หน่อยก็ไม่เวลาก็ปล่อยเขาทำไปก็ทํานอาจารย์แล้วอย่างถ้าเขาบอกว่าเข้าบุญมาฝากก็เขาปรําบุญทุกวันไงก็สาธุไปกันแล้วกันเาบุญมาฝากกะสาธุ<อ>แล้วเมื่อวานหนูก็เลยไลน์ตอบเขาไปเพราะปกติเขาไม่เคยพูด<อ>แล้วเมื่อวานหนูก็เลยไลน์ตอบเข้าไปด้วยความที่ว่าหนูคิดว่าคว<อ>ามคิดหนูว่าค่ะถ้าอาจารย์ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดเพราะเขบอกเข้าบุญมาฝากหนูก็เลยบอกว่า ไม่ไม่ต้องเอาบุญมาฝากเอาเก็บไว้ให้ตัวเองเยอะๆเขาจะให้เราตั้งมทนาแล้วก็ตั้งมทนาไปสาธุไปอ๋อแต่หนู่หนูกลัวว่าอะไรกปล่าคะคือใจหนูหนูต้องการให้เขามีบุญเยอะๆเขาจะได้รุ้ไม่ต้องกลัวแบบมันฝากกันไม่ได้หรอกให้แต่เป็นความเข้าใจของเขาว่าเข้าทําบุญแล้วเอามาฝากได้อ๋อค่ะท่านอาจารย์แล้วก็สาธุไปเขาไม่เนตากับเรามีเขามาฝากเราก็แล้วกันคิดว่าเข้าของมาฝากเราแล้วก็รับไว้สาธุไป หนูก็เลยคิดว่าหนูไม่เอาหนูก็เลยบอกเขาว่าเอไม่ได้เราคนเขาให้ของแล้วเราต้องรับเสร็จตามโดยมารยาทอ๋อหนูเข้าใจว่าหนูเขาจะคือด้วยความที่ว่าหนูเข้าใจว่าเขาพยายามที่จะมามาแผ่เมตตามามามามาดีกับเราแล้วเรากลับไม่ไปดีกับเขาเองไม่ใช่ค่ะท่านอาจารย์หนูเขาหนูต้องการให้เขามีบุญเยอะๆไม่ต้องเอามาต้องมาแบ่งการของหนูน่ะมันเป็นไปปฏิเสธความความความเป็นมิตรของเขา เขาจะให้ของเราเราก็ต้องรับเข้าไว้เหมือนยอมจะใส่บาตรแล้วมอกไม่ต้องการนะฉันเต็มบาทรฉันมันพอกินแล้วเงี้ยคุณเก็บไม่กินเองเลยค่าท่านอาจารได้ไหล่ะอ๋อค่าท่านอาจารย์ค่ะอคือหนูต้องการให้เขาหมดเว้นหมดกรรเลยเป็นคนทำเรื่องกันรเรื่องนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งคราวนี้เขาเขาไม่ตีจิตเขาไม่เอาของมาฝากเราแล้วก็รับไว้นั่นเองค่ะค่ะ แต่มันสานกัไม่ได้ระ บ, บุญของใครของมันค่ะ ข, ขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์หนูหนูก็เลยแบบด้วยความที่ว่าวไม่อยากให้เขามามาแบ่งปันคือเขาเก <Okay, S 1> ็เขา <but S 1> ใจเราไเขาเราก็อยากคิดว่ายังรังเกยียจเขาอยู่เนี่ยเขาเาบุญมาให้ก็ไม่ยอมรับท่าอาจารย์น้องน้องเขาไม่มีสมองอ่ะเขาเขาลู้อยู่แล้วไม่ใช่เขาเขาเขาเขาคิดไม่เป็นเขาว่าเขาก็คิดไปตามภาษาของเขา เราก็ควรที่จะรับของเขาเขาให้อะไรมาก็สาธุขับใจนะแต่ก็ทําตัวหน้าโกรธมากไงคะอาจารย์ก็เลยแสดงว่าเรายังโกรธก็อยู่ยังไมเมีตายังไม่ให้อภัยขึ้นถ้าเกิดเขาฟังไงฮะถ้าเกิดเขาฟังบ้างหรืออะไรเราไปอยากให้เขาฟังเพราะว่าไม่ฟังแล้วไปโกรธเข้ามามันก็เป็นที่ติดของเราอ่ะมันก็พอกันเนี่ยก็เลยก็เลยก็เลยครบกันไม่ได้ คุยกันไม่ไนดะ้เคุยกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันไม่การนุ่มหนูนก็นี่แหละค่ะที่ท่านอาจารย์บอกว่าที่หนูฟังทำท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์บอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความอยากของเราหนูก็เลยต้องตัดใจหนูก็เลยปล่อยแล้วหนูก็ปล่อยมาตั้งนานแล้วค่ะใช่มันปล่อยแต่เวลามันมีความสัมพันธ์กันก็ต้อ ง, งก็ต้องมีการมีเมตตาไม่ใช่ปล่อยแบบไม่มีเยื่อใยปยปล่อยแบบไมแบบ่ไม่ไม่ไม่ไปทุกกับเขาแต่ก็ยังมีสัมพันธ์ทําไม่ตีกันดีอยู่ มันยังไค่ะหนูก็สัมพันธ์คือแต่หนูหนูเข้าใจว่าให้เขาเก็บบุญให้เขาเยอะๆเขาจะได้หมดเวรหมดกรรมใช่เลยแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดอย่างเราเลยก็าคิดว่าอุตสาหะบุญเราฝากเขไม่ยอมรับเสิค่ะแล้วยังโกรธยังโกรธฉันอยู่เลยอ๋อโกรธไม่ได้แล้วค่ะอนจารย์ถึงเวลาก็เราบอกโกรธไม่ได้แต่การที่ทริยาของเรามันเป็นแสดงว่าไปโกรธก็ยังโกรธก็อยู่คั อาจารย์หรือเปล่าคะค่ะอาจารย์เขาเป็นคนไม่ฉลาดก็อย่างที่เราบอกนะเขาก็เป็นเหมือนเด็กอย่างนี้แล้วก็คนรจะรู้อ่ในี่เขากําลังที่จะมามาแสดงความอเป็นมิตรกับเราเอาของมาฝากเราแล้วก็ขอบใจจ้าเขาเองใหเขาดีใจว่าอ่จะยินดีรับของฝากเขาแล้วกลับไปไปฏิเสธเขาไม่เข้าใจหรอก ว่าเราปัินาณให้เขาค้นทุกเลยอะไรก็จะมาว่าเรารําเกียดบุญของเขาได้เองค่ะเข้จไหมอเคเดี๋ยวเาพานกลับไปบอกเขาว่าเจ้ขอสาธุนะบุญที่ผากมาค่ะยังไม่สายเราเดี๋ยวลายไปบอกเขาได้ค่ะค่ะนุกกบค่ะนุกกบกอบพกคุณมีญาสูงหน้าด้านจานโอเค คุนนอตคนคุณอะไรเนี่ยจับชื่อมาดาเกตเซเลนเน่ะอยู่นอตแคโายหน้าอยู่ติดกันเนี่ยนี่เขาอยู่เซาทนี่เราอยู่นอตเา็นัักกาารบจไงไปชีดวัคซียนมาหรือยังฉีมาแล้วเจ้าค่ะเข็มแรกเราอยู่ในเกณฑ์นะอายุมากใช่ไหมอ๋อไม่ไม่เจ้าค่ะคือว่าได้ทุกคนเจ้าค่ะเอวิวันเจ้าค่ะอ๋อดีนะ ได้ไปฉีดอีพีเข็มที่สองเดือนเมษายนเจ้าค่ะมีอาการอะไรไหมไม่มีใช่ไหมเจ็บเล็กน้อยไม่ะช่ไม่มีอะไรเลยดีเจ้าค่ะสบายใจแล้วนะทีนี้ไปไหนมาไหนก็เจ้าค่ะยังอยากอยากกลับเมืองไทยยังกลับไม่ได้เลยต้องไปฉีดวัคซีนพอฉีดสองเข็มนี่กลับได้แล้วใช่ไหมน่าจะกลับได้แล้วเจ้าค่ะอ่โอเคดีมีอะไรไหมวันนี้ ไม่มีเจ้าค่ะมาร่วมฟังธรรมเฉยเจ้าค่ะ ท, ที่เทราไม่ได้เจอกันไม่ได้เข้าม า, า ท, ที่เทราพอดีพอดีลูกสาวกลับมาแล้วก็มีปัญหานิดหน่อยก็แตกก็แก้ได้แล้วเจ้าค่ะก็คือว่าถ้าสอนเขาแล้วแล้วเขาไม่ฟังเราก็เอาที่เธอสบายใจใเวลายอยู่คนเดียวไม่มีปัญหาเวลาแ ย, ยากกันอยู่ไม่มีปัญหาเพราะเจ้ากันที<ๆ>่รปัญหาตามมาทันทีนนนขี้เล็เนี่ตัวตัวที่สร้างปัญหาก็คือขี้เล็ของเราเนี่ย ก็ค่ะคือคือว่าเราใหญ่เขาทําตามใจเราแล้วเขาไม่ทําตามใจเราเราก็เลยมีอารมณ์แต่ว่าเราคิดไปคิดมาก็มันชีวิตของเขาก็ให้เขาคิดเอาเองเราสอนได้เท่าที่เราสอนทเหลือมันเป็นเรื่องของเขาเจ้ค่ะเขาจะทําไม่ทําป็นเรื่องเขาเราไม่หน้าที่บอกก็บอกค่ะเจ้าค่ะโอเคเอ้นเจยังไม่ตื่นนะยอ็นเจอตื่นแล้วเจ้าค่ะร้องมาแต่เช้าเจ้าค่ะ ม <Okay. S 2> าจารย์สบายดีนะเจ้าค ะ, ะสบายดีถ้าไม่สบายคง <c oughs> จะไม่ได้มาม า, มาเจอตอนนี้เจาค่ากาศสาธุเจ้าค่ะแต่เมื่อเช้านี้เดินเดินบ เ, เดินบินถบาดได้ครึ่งทางเพราะหลังไม่ค่อยดีหลังมันเสียวแวบเวบเวลาเดินก็เลยเดินช่วงแรกประมาณสักร้อยเมตรแล้วก็นั่งรดแล้วก็มาเดินช่วงหลังอีกร้อยเมตรท ช่วกลางไม่ได้เดินระยะทางมันกิโลกว่าเนยต้อได้แค่200เมตรเพราะไม่สาบหลังมันแสบมันเชียวขึ้นมาแต่ตอนนี้หายแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วโยมเป็นเหมือนโยมเป็นเหมือนกันเจ้าค่ะโยมไปเก็บใบไม้แล้วก็โยมใบไม้ใส่รถเจ้าค่ะแล้วก็มันหันหันไม่ได้คอเนี่ยหันไม่ได้เลยเจ้าค่ะโยมก็บอกอ๋อเอาแล้วอันนี้จ้างมาแล้วอันนี้จ้างไม่ทเจ้าค่ยวเจ้าค่ะแต่โยมก็ไม่ทุกนะนะเจ้าค่ะ ตัดเส้นตัดสายอะไเนี่ยมันก็ดีขึ้นเ<ะ>จ้าฟ้าไม่มีอะไร น, นะจะได้ไปที่ท่านต่อไปไ<ม>คุณจะพัฒน า, า, าโอเคสาธุคุณจะพัฒนาจากบอวินอ่าเปิดมายกันแล้วอ่าจากบอวินเจ้าค่ะพระอาจารย์อโอเคมีอะไรไหมประกาศพระอาจารย์ค่ะก็มีก็ตรงที่พยายามฝึกสติค่ะพระอาจารย์ S <S แล้วก็หยุดภาวญาโดยที่เราไม่ได้เหมือนกับไม่ไม่ได้เครียนเหมือนอย่างที่คุ ณ, คณพระอาจารย์บอกโยมท่านเมื่อก่อนหน้านี้ที่ท่านที่อยุดสวิตอะค่ะว่าบางทีเราต้องไปบังคับมันถ้าเราปล่อยให้มันทําของมันเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามที่มันควรจะเป็นนะฮะคือคือฟังทำมาแล้วก็เข้าใจว่าเราต้องมาทําแต่ว่าทําไม่ได้เต็มที่มันก็จะได้นิดนิดหน่อยๆอย่างวันนี้พระอาจารย์บอกว่าให้ทําเยอะๆให้บังคับ ให้ฝืนก็จะพยายามพยายามทําตามที่อาจารย์สอนนะคะผลมันอยู่ที่เหตุอะเหตุมาก<บ>ผลก็มากเหตุน้อยผลก็น้อยเนาะค่ะก่อนหน้านี้เคยนั่งสมาธิได้เยอะนะแต่ตอนนี้คือเหมือนกับว่าเราพอเรางานเยอะแล้วเราก็เพลอเาการนั่งสมาธิไปมันเหมือนกับต้องมาเริ่มใหม่ะคะ่ะอาจารย์เราลืมความสาคัญของมันกับเําคัญงานํางันกว่าสมาธิงานมันก็ให้แค่เ ง, งินเดือนเราเท่านั้นเอง ศาสนาที่นีม่มันให้รดแห็กทํท า, ท, าที่ชนะรถทั้งปวงนคิดอย่างนี้จะได้เห็นคุณค่าของธรรมตอนนี้ก็พยายาม ก, ก, ก็เร่งเร่งว่าจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมคือโดยที่ว่าพอถึงเวลาแล้วเราก็ทําโดยที่เราเไม่ต้องดันแต่ยังประหยัดยก็แล้วกันไอเนเดี๋ยวพอถ้าประหยัดก็ไม่ได้ตามที่เร่งกันเดี๋ยวก็จะเครียดขึ้นมาตอนนี้ก็พยายามไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมไมไมคเครียด ก็แต่ว่าก็พยายามบังคับลปาลายทาไปได้เท่าไรก็เท่านั้นน่ะ อ, อย่างน้ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็พยายามทำแล้วว่ากราฟอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะสาธุจ้ะสาธุเจ้าค่ะคุณอ้อมเพื่อนบ้างก็ในก็บอวินเหมือนกันเะ <c oughs> อยู่บอวินนี่อยู่ใกล้กันน่คงอยู่บอวินไม่ใช่เมืองใหญ่นะคะค่ะนมาสก า, ารค่ะอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ ก็ก็ฝึกเจริญสติค่ะคือมันยังเจริญไม่ต่อเนื่องบางครั้งมันจําได้มันก็กลับมาแต่บางครั้งมันก็ลืมก็ก็พยายามให้มันต่อเนื่องค่ะก็ต้องคอยหยิบตัวเองอยู่เรื่อยว่าสติสติเอาสติกลับมาสตางโยนทิ้งไปเอาสติกลับมาจะเป็นคนโง่คนโง่หาสตางคนฉลาดหาสติอ <c oughs> <c oughs> เป็นการเจริญสติที่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายมากกว่าพุโทโธค่ะพระอาจารย์ได้ยังได้ยังหนึ่งก็ได้ถ่ายก็ได้สงสัยตอนที่นั่งสมาธิอะค่ะคือถ้าเราเลือกที่จะพุโทโธเรา ก็ไม่ต้องจดจอกับลมหายใจใช่ไหมคะใช่คราอย่างได้อย่างหนเลยก็ได้พอดีหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โทรแต่เราไม่เราเราให้ความสําคัญกับพุทโทรใช่ไหมคะเราไม่ต้องให้ความสําคัญกับลมใช่ไหมคะเออถ้ามันถ้าใช่สอย่างก็ต้องให้ความสําคัญเท่ากันอ๋ออันนี้ใช้ได้ใช่ไหมคะหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าแล้วก็ว่าพุทหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกแล้วก็ว่าโทร ก็คือเราสามารถใช้พุท ธ, ธานุสติกับอาณาปานาสติร่วมกันร่วมกันได<บ>้ค<บ>นกันได้<อ>แต่<อ>พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ท่านพระเจ้าสอนอาณาปานาสติอย่างเดียวให้ดูลงอย่างเดียวเพราะท่านสอนพระที่มีสติกำลังมากมเลยไม่จําเป็นจะต้องมีพุโทโธมาช่วยด้วยอ๋อค่ะแต่สมัยนี้คนมีสติน้อยกำลังดูลงอย่างเดียวไม่ได้ก็เลยต้องเอาพุโทโธมาช่วยอีกทีนคือก็ต้องหาวิธีให้มันอยู่ เอได้บางคนคพูดโทรศัพทเรายังนับหนึ่งด้วยพูดโทรศพหนึ่งพูดโทรศัพท์สองเองอันนี้ก็เป็นอุบากของแต่ละคนที่มาตัดแต่งได้แต่โดยหลังนี้ท้าดูเป็นไปได้ดูลมอย่างเดียวได้ดีที่สุดอืมค่ะค่ะอาจารย์ค่ ะ, คะไม่มีคําถามแล้วค่ะตอนนี้สาวนี่จะมาหรือเปล่าสาวที่นี้จะมาหรือเปล่าเดี๋ยวไปตากบาทกันบ้าจาตากบาทนะ <c oughs> ค่ะ ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณธนาพลเชนต่อไปคุณธนภพลฮับิลักวิชาการครับอ า, าจารย์อยู่ที่ไหนผมอยู่าบางบัวทองครับก็เข้ามาฟังหลายหลายสัปดาหาา์แล้วล่ะครับเขาบางทีก็เ ป, เป็นเป็นเป็นแฟนมาด้วยครับวันนี้แฟนไม่ว่างก็มาคนเดียวครับก็ยังไม่มีคําถามอะไรครับครับอาจารย์ สแสดงทำแล้วก็ฟังภาวะของท่านอื่นก็เป็นประโยชน์นะครับก็น้อมมาไว้ให้ใตัวเองได้ได้ทรา บ, รบเพร า, าทุกคนก็จะล่องผ่านจุดการปฏิบัติแบบแบบเดียวกันพอเราพูดนะก็จะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะได้เตรียมตัวต่อไปครับครับทุกครับนำมัสรการถามครับว่ า, าช่วงนี้พระอาจารย์มีมีบรรยายธรรมในมีมสแสดงธรรม แสดงสาววันที่กวางพระแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษกอย่างเบษานี่มีเยอะะเข้าไปยูในเฟซได้ในเฟซจะมีประกาศบอกวันหยุดวันที่ไทางคาดีว่าในช่วงวันที่สี่ห้าหกนี้ผมจะไปทางบางสเล่ทางแซมมาสารนะครับก็ถ้ามีับถ้ามีจังหวะก็อยากแต่ก็่ป็นแบบสองถึงสี่มงบนเขาใช่ไหมครับไม่ไา่ที่กฏิบาห้าข้่าครับ ได้ครับแต่วันวันวันที่หกนี้เป็นวันหยุ ด, น, ยดนะครับเพิ่มีการแสดงทางครับยาวเลยเนี่ยหกสี่ห้าหกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์แล้วก็วันอังคารยังครับได้ครับ ถ, ถ้ามถาีถ้ามีเวลาเข้ามาได้สองชั่งครับมาก่อนตั้งเล็กน้อยจะไ ด, จะได้จะได้หาที่นั่งได้ได้ครับอนกขอบคุณครับเชิญทางต่อไป ท่านต่อไปคุณสมจิตเชิญคุณสมจิตอัานวิวกัอนอัานวิวไมโครโฟนก่มันต้องเปิดหมคก่อนเขบอกให้อันวิวที่หน้าจอ ก, การข้างล่างมบอกให้อันวิวเห็นหอ่าโอเคน้อน อ, อยู่ที่ไห น, น อ, อยู่ที่ไหน อ, อ่าอยู่จังหวัดน่านนะคะจังหวัดน่านเข้ามาพูดใกล้ๆหน่อยเสียงมันเบา ค่ะอยู่อยู่จังหวัดน่านะ ค, ะค่ะก็เพื่งมีโอกาสได้ได้ฟังคําสอนของว่าอาจารย์จาก Facebook มาประมาณเดือนกว่านะคะก็คือตามฐานเดิมก็คือมีโอกาสได้พอดดังอีกหน่อยแนละ้วเรื่อสีมันค่อยไปหน่อยค่ะก็คือก็คือหนูก็มีเพิ่อมีโอกาสได้ติดตามของว่าอาจารย์มาประมาณเดือนกว่านะคะทางเฟซบุ o กและตามเดิมของหนูหนูปฏิบัติตามแนวของ ของหลวงพ่อจรานต่าจังหวัดสิงวัดอัมารวันมาประมาณสิบกว่าปีค่ะก็คือโดยหลักก็คือจะเป็นการเดินกับนั่งนะคะก็หนูเพิ่งมาปฏิบัติได้แบบจริงๆก็คือมาประมาณสักสามสี่ปีมานี้ค่ะก็คือก็คือจะตอนเช้าก็จะมีประมาณเดินโดยหลักก็คือได้ก็คือเดินเดินครึ่งชั่วโมงแล้วนั่งนั่งครึ่งชั่วโมงค่ะ ่ก <c oughs> ็ดีทํ<ะ>าให้มากก่อนที่ได้ยิ่งดีเดินเป็นเชื่อมองนั่งเป็นเชื่อมองได้ก็ยิ่งดีค่ะก็หนูก็จะมีโอกาสโอกาสปฏิบัติถ้าแบบเจ็ดวันก็ต้องก่อนก็จะได้ปีละหนึ่งครั้งก็มีโอกาสไปวัดไปวัดอมตวันแต่ตอนนี้ก็มีมีของหลวงพ่อที่จังหวัดน่านมีทรูปของรูปศิษย์ของพ่อมาเปิดมามามาสร้างวัดที่จังหวัดน่านก็จะมีโอกาสได้ไปขึ้นคบางครั้งก็ สวนันบางครั้งก็เจ็ดวนันก็เพิ่งเพิะะ่งช่วงโควิดเนี่ยค่ะจะไม่มีโอกาสได้ไปก็ส่วนมากก็จะปฏิบัติที่บ้านเพิ่ชงนะะชั่วโมงนันคะเพิ่งชั่วหมูงนะคะในเรื่องของของแนวทางแต่ว่าหนูหนูยังไม่ไม่มีโอกาสได้ได้ได้ได้ไดไดไดนแนวทางอื่นนะคะบางครั้งหนูก็มีความคิดว่าบางบางคนชวนอื่นคนชวนหนูไปแต่มีความรู้สึกว่าบางอี่หนูหนูกว่าสับสนนะคะหลงวงพ่อท่านพระาการ ก็สับสนวนาเอ๊ะถ้าหนูไปไปปฏิกัติ น, นี้หนู ห, น, หนูหนูจะเหมือนๆหนูจะทําไม่ได้หือนูว่าอย่างเนี้ก็เรียกว่ายึดจิตหรือเปล่ปาพระรัตนพัฒนาการอ๋อไม่หรกถ้าเราถนัดทางไหนแล้วก็ใช้าทางนั้นไปมันมีหลายทางด้วยกันแต่เป้าหมายการเดียวกันคือทำจิตให้สงบค่ะค่ะตอนแรกๆหนูหนูก็ไม่ได้ต้องการอะไรมออากหนูต้องการแค่ว่าเราสามารถได้ไหวพ้าารวพระนะคะไหว้พระสวดมนเป็น เท่านั้นก็คือไ ม, ไม่ไม่ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แต่พอปฏ<ไ>ิบัติช่องหนึ่งหนึ่งก็รู้มีความรู้สึกว่าต้องการตัวเองเออต้องการอะไต้องการแบบไปคือคือเข้าเข้าสู่ ไ, ไปไปไปได้มากกว่ากว่าความที่ต้องการก<ไ>็คื อ, อถแล้วแต่งทำมันมันดูดดึงใจพอได้สัมผัสกับรถเห็นทำแล้วมันติดใจ<ไ>ก็อยากจะได้ได้มากขึ้นมากขึ้นไปได้เร<ไ>ื่อยค่ะเพราะว่าอย่างอย่างหนูเองเมื่อก่อนหนู หนูหนูก็แค่ไปวัดตามประเพณีนะคะพ อ, อพอถึงช่วงหนึ่งเมื่อประมาณสิบปีก่อนหนูก็มีปัญหาชีวิตทางครอบครัวนะคะเนาก็เป็นต้องต้องต้องต้องเลิกเนาะต้องเลิกเป็นเป็นครอบครัวแยกแล้วก็ดูแลลูกสองคนแล้วก็อาชีพรับราชการหนูแต่ถ้าจากนั้นหนูหนูหนูก็รู้สึกมาหันมาทางปฏิบัติมากขึ้นก็ก็อยู่อยู่อยู่ได้ด้วยตัวเองยังลูกสองคนนะคะรับราชการแล้วก็ทีนี้ ทีนี้หนูก็จะมีรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองจะเป็นเป็นชีวิตที่ที่จะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในแง่ของของทางด้านครอบครัวและการงานนะคะเพราะหนูรับราชการเมื่อก่อตัวคือหนูเป็นคนตั้งใจในการทํางานรู้สึกนะคะประเมินตัวเองนะคะคุาอาจารย์หนูมีความตั้งใจในการทํางานมากแต่หนูรู้สึกว่าแต่ใจอะหนูหนูคงแค่แค่ตั้งใจทํางานจริงแต่ว่าเรารู้สึกไปอยู่เพื่อนแวดล้อมเรา เขาจะเหมือนเหมือนถูกมันไส้หรือถูกแบบถูกคิดไม่ดีมาตลอดนะคะวาอาจารย์พอดีที่ทำงานของหนูเองก็ห่างจากที่ทำงานแค่หนึ่งกิโลแต่เรารู้สึกก็จะมีปัญหาวนเวียนอยู่บางท้างจะต้องทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะาอาจารย์จนเมื่อก่อนเราก็คือมันเหมือนเหมือนเอาชนะนะคะว่าอาจารย์บ้านเราอยู่ใกล้ทำไมเราจะต้องจะต้องหลีกหนีแต่พอผ่านไปสิบกว่าปีมันเหมือนอยากตัวเองขึ้นเป็นคน อารมณ์เย็นก็เลยทำให้ตัวเองอารมณ์ร้อนก็มาคิดได้ว่าเออเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยเขาได้หรอกก็เลยย้ายที่ทำงานไปไปห่างจากบ้านประมาณสิบกิโลพอพอย้ายไปก็รู้สึกว่าเออเราคิดถูกแล้วที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเราอยู่คิดแค่ว่าอยู่ใกล้ตั้งใจทำงานทำให้เราเป็นทุกข์แต่พอหนูย้ายไปสิบกิโลหนูก็เจอเพื่อนทำงานที่ดี ไม่มีเรื่องของอิจฉาตาล้อนอะไรกันอยางเงี้ยค่ะเราก็ทํางานด้วยด้วยด้วยแล้วก็มีโอกาสมีโอกาสได้ได้ใช้ธรรมะมาใช้ในชีวิ ต, ตวประจําวันคือความคนกดดันมากขึ้นแต่เวลาเราก็พูดให้ดีต่อหน้าก็สัวเอนิ่งได้นะคะแล้วพอถืว่าพอดีช่วงนี้หนูก็มีปัญหาว่าหนูเปลี่ยนเออมีมีเปลี่ยนหัวหน้าผลมงานใหม่นะคะซึ่งหลังจากที่เปลี่ยนแล้วหนูรู้สึกว่าหัวหน้าผลมงานใหม่แลพว สภาพแวดล้อมการทํางานก็จะกลับตึงเวียนมามามาเจอเหมือนอย่างเดิมเ ม, ม, มื่มอเมื่อปีมีเมื่อปีเป็นปีก่อนนะคะแต่หนูก็หนูรู้สึกว่าหนูนิ่งได้หนูเจอคนที่เขาชอบพูดไม่ดีต่อหน้าชอบพูดไม่ดีต่อหน้าชอบด่ากลืนต่อหน้าแต่ก็นิ่งได้ทนได้แต่ตอนนี้เมื่อก่อนเราก็มีความรู้สึกว่าเราเราอยากสนใจตัวเองไหมที่จะต้องต้องมาทนอย่างนี้นะคะก็ทนเข้าไปเรื่อยๆ เราก็เหลือว่าความฝืนทนกับความอดกั้นเนี่ยกวัวกว่าเรามาหนักในเรื่องความอดกั้นแล้วเวลามีปัญหาเราเรากวัวเหมือนเราเก็บกดเนี่ยครับอ า, าจารย์แต่แต่ตอนนี้มีมีคําถามอะไรไหมขอสรุปหน่อยครับอยากจะถามอะไรก็ถามค่ะหนูหนูหนูจะถามว่าถ้าหนูเจอคนประเภทเนี้ยหนูหนูจะเลือกน ะ, ะเลือกเลือกที่จะอดทนรดยโดยโดยปล่อยให้เขาพูดไปเรื่อยๆ แต่ใจเราถ้าตนได้ก็ทนไปถ้าถ้าหลบได้ก็หลบไปถ้าหลีกได้ก็หลีกไปอ่ะตอนนี้หนูก็เปิดปัญหานี้อยู่แต่ใจเราไม่ได้คิดอะไรกับเขาถ้าถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ต้องอยู่กับเขาก็ทำใจเฉยๆไปเปลี่ยนเขาไม่ได้อย่าไปทุกข์กับเขาอย่าไปอยากค่ะหนูปัญหาตอนนี้หนูก็เจอปัญหาประมาณนี้ค่ะเพราะว่าทาใจแล้วกันพุดโธพูดโธไป เขาจะพูดเขจะเป็นอะไรก็เป็นถือว่าเหมือนกับเขาเป็นส้มเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นกล้วยเราพยายามบว่าเขาเป็นส้มเขาเป็นอย่างนี้ก็ต้องยามรับาเขาเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้โนโนการการการที่หนูแค่เขาทักใครแล้วหนูไม่ไม่พูดด้วยเป็นปกติเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ควรคนจะตอบความไม่ไม่ตีติตของเขาเขาทักมาแล้วก็ทักตอบไปแล้วก็ก็จบแล้วก็แยกกันไป ่แต่เขาก็อายุน้อยกว่าหนูนะแต่หนูเข้าไปห้องไปพขาเขาไม่ทักหนูเลยหนูหนูก็ต้องเขาไม่ทักเราเขาไม่ทำทักเขาก็ได้หรือหือเขาไม่ทักเราเราทักเขาก็ได้เราแผ่เมตตาเขาการทักทายก็เป็นการแผ่เมตตาจะก็จะรับไม่รับก็ไม่เป็นไรเราก็ให้ความเมตตาเข้าไปค่ะจากจากการที่เราปฏิบัติประจําวันนะคะท่านอาจารย์จากที่หนู เขาเรียกว่าเป็นการเลือกของอธิษานคิดหรือเปล่าเนูหนูหนูจะไอธิษฐานบอกว่าเราอยากให้อยากให้ตัวเองปฏิบัติได้สม่ำเสมอแล้วเราอยากจะให้เข้าถึงหาัคําคําสอนของอาจารย์ในทางของในทางที่ถูกต้องโดยไม่หลงทางไปทางอื่นแล้วก็ขอให้นำพาครอบครัวให้เข้าท่านศีลภาวนาหนูจะอธิษารอย่างนี้ทุกวันที่ว่าได้ขแต่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องเราะว่า ขอของพวกนี้ขอไม่ได้มันต้องทําำแล้วบางอย่าง ก, ก็ได้บางอย่าง ก, ก็ไม่ได้จะไปข อ, เ, อ, อเราพยายามตั้งอธิษฐานอยู่ที่การปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติทุกวันเราจะทําความดีทุกวันอย่างนี้ได้าจะไปขอนูน่นขอนี่มันไม่แน่หรอกมันมันของที่ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ขอไปก็เท่านั้นถ้าไม่ได้มันก็ไม่ได้ออแต่ถ้านนปฏิบัติแล้วมันได้ ให้ปฏิบัติให้อธิษฐานอยู่ที่การปฏิบัติตั้งใจตั้งใจตั้งจิตตั้งใจว่าจะต่อไปนี้จะทําำใดความดีจะไม่ก่อกลายจะไม่เกลียดใครจะให้อาภาัยทำอทํางนี้เขาเรียกวตั้งจิตอธิษฐานตรงนี้ตร ง, ท, งที่การกระทําของเราอ่ะค่ะน้อมกับพระอาจารย์ค่ะก็มีคำถามครั้งนี้รู้สึกอได้ช้าเพืนนะครั้งแรกค่ะเราฟังต่อไปนะอ่ะ อ่าคุณท่านต่อไปคุณจีดาพาอเชิญอยู่ที่ไหนอยู่คอนแก่นเจ้าค่ะคอนแ ก, แกเข้ามาป่ะครั้งแรกเลยค่ะพระอาจารย์ยังไงเข้ามาได้ยังไงอลงเข้ามาได้งไงะวก็วเหมือนพี่สาวไปเจอพระอาจารย์ในเฟซบุ๊กก่อนแล้วก็มาแนะนําหนูก็ฟังทำพระอาจารย์ทางยูทูบเกือบทุกคืนท เ, เกือบทุกคืนเลยเลยอ่อดีแล้ววันนี้มีอะไรหรือเปล่า พี่สาวมีคําถาม oh. ค่ะค่ะว่าจะถามค่ะพระอาจารย์ว่าช่วงคือหนูไปอ่านพระอ่าไปไปนประวัติของพระอาจารย์นะคะ uh huh. แล้วก็ uh huh. ก็เลยสงสัยว่าช่วงที่พระอาจารย์ปฏิบัติแรกที่พระอาจารย์ให้หาเก้าอี้นั่งสบายม uh huh. านั่งนะคะแล้วก็ uh huh. หนูก็เลยอยากจะรู้ว่าต่อช่วงที่เริ่มต้นนะเราควรจะกําหนดว่าทํากี่ชั่วโมงไหมคะหรือว่าควรทําเรื่อยๆแล้วพักได้ตอนไหนบ้างแล้วก็มีคือถ้าไม่กําหนดเวลามันจะทำํำจะมันจะพอไหม พอมันอยากจะเลิกมันก็เลิกเลยแต่ถ้าเรากําหนดเวลาไว้มันก็จะบังคับว่าเลิกไม่ได้ยังไม่ครบเวลาแต่เราก็ต้องดูกําลังของเราว่าเราจะนั่งได้นานเท่าไหร่จะอยู่เฉยๆได้นานเท่าไหร่<อ>เดี๋ยวตั้งมากๆเดี๋ยวทำให้ไหวก็ล่มอยู่ดี<อ>าา ก, การกําหน ด, ดเวลาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการเป็นการบังคับเราในตัวว่าเราต้องทําจนกว่าจะได้ครบเวลาที่เรากําหนดไว้<อ>ก็ลองตั้งหมดชั่วโมงก่อนสองชั่วโมง สามชั่วโมงค่อยๆเพิ่มขึ้นไปก็ได้ดูกําลังของเราอันนี้ไม่ได้ให้ทรมาร์มร่างกายนะให้ทรมานความอยากปกติใจเรามันอยากดังตรงนี้ก็อยากจะไปนู่นตรงนู้นก็อยากจะไปทำนู่นทํนานี่นั่งได้ไม่มีความจำเป็นจะต้องทําอะไรเพราะมันอยู่ไม่เป็นสุขนี่เราจะทรมานความอยากทํานู่นทํานี่ให้มันนั่งเฉยๆให้อยู่กับที่ แต่ไม่ต้องทรมานนั่งการไม่ต้องนั่งขัดสมาธิแล้วไม่ให้ขยับตัวให้นี้ขยับตัวได้แต่ให้แต่ให้อยู่ตรงที่นั่งหรือถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นยืนได้แต่ไม่ให้ไปไหนให้อยู่ตรงจุดนั้นเป็นการทรมานความอยากหยุดความอยากไปนู่นมานี่ทํานู่งทํานี่แล้วกาเวลาที่อยู่กับที่กพยายามฝึกสติไปด้วยพุโทโธพุทโธไปดูลมหายใจไปอย่านั่งเฉย พยายามเจริญสติไปในตัวด้วยมันก็จะทำให้นั่งได้นานอยู่อยู่เฉยๆได้นานมาถึงว่าเวลาที่เรานั่งเล่นหรอือว่าอะไรเงี้ยให้ก็มาถึงเวลาที่เราํำหน่อยก็จะนั่งตรงนี้นั่งใกล้นี้สองชั่วโมงเราก็สามารถดูลมได้พุโทโธได้สวดมนต์ได้อะไรได้แต่ไม่ไปทำอย่างอื่น้ค่ะแล้ว อาจารย์คะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความทุกข์เนี่ยมันจะทําให้นั่งได้นานแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าก็แล้วแต่สติของเราแหละถ้าเรามีสติเราก็จะนั่งได้นานถ้าไม่มีสติมันมันก็จะนั่งไม่ได้นานบางทีสถานการณ์ที่มีความทุกข์มันอาจจะบังคับให้เรามีสติมากขึ้นก็ได้คือเราจะเห็นบางคนเวลาที่อดอาหารนะนั้วเนี่ยมันถ้าไม่มีสติมันจะ มันจะฟุง้งมันจะคิดถึงอาหารก็เราควบคุมด้วยสติควบคุมความคิดด้วยสติมันก็ทำให้บังคับให้่จะเรีนฝึกสติมากขึ้นเพราะถ้าเราอยู่ที่สบายสบายแล้วก็ขี้เกียจว่าไม่มีไม่มีทุกข์อะไรปัญญาบอกเกิดสติบอกเกิดแต่พอมีทุกข์ปั๊บนี่มันมันจะบางคับให้เราสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาสู้กับความทุกข์ ค่ะแล้วเราสำหรับคนถ้าเกิดว่ามีโรคกระเพาะเป็นโรคประจำตัวแล้วก็กินยาไปตามที่หมอสั่งไปก็ใช้เลยหมดอาหารไม่ได้ก็ใช้วิธีอื่นไปใช้เป็นเดินมั้งเดินนานๆก็ได้นั่งนานๆก็ได้ค่ะหมดคำถามแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคเข้าใจตอนนี้ยังเรียนอยู่เปล่าเรียจบแล้วเ ร, นะเรียนมาหาลัยค่ะพี่สาวจบวพี่จบค่ะ เรียนที่มออเลยชุลยุลอาคารองกองชุลอาอาอยู่ขนแก่นเลยเรียนอาาย อ, น, อาานไล น, น์ค่ะช่วงเรียนออไลนเลยแล้วไ ม, ไม่ไม่ต้องไปเรียนที่ที่ที่มหาอะไรเลยเลยะไม่ค่ะเฉพา<อ>ะ<น>ช่วงนี้เลยว่าช่วงช่วงนี้อย่างเรียวค่ะหลวงกองทั้งทั้งหลักสูตรทั้งสี่ปีนี้ไม่ต้องไปที่มหาอะไรเลยเลยแค่แค่ปีนี้ปีเดียวเฉพาะปีเดียวช่วงที่มีโรคระบาดนี้ เดี๋ยวต่อไปถ้าเปิดก็เรากลับไปกรุงเทพล้ะอยู่ปีปีไหนแล้วล่ะมีสองแล้วค่ะพรอาจารย์สองคณะอะไรอ่าเศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์พี่สาวจบแล้วจบอะไรจบเอ่อบริหารค่ะบริหารจุฬามันกันนี่ยน่อยู่คณะบัญชีป่ะอ่าบางทีก็มีอาจารย์จากคณะบัญชีเข้ามาบัญชีเวลา รรชื่ออะ ไ, ไรล่ะคะชื่อปอมบิลลไรแต่ท่านท่า น, านกเกษียณแล้วท่านอายุ 70-60 กว่าแล้วท่านมมปอมบิไรท่านต่อไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่ไค่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปที่ท่านต่อไปนะคุณสุภ า, า, จ, า Dallas, จาร์จากเดลัสเท็กซัสเจนกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ไม่มีอะไรเจ้าค่ะวันนี้เข้ามาฟังก็ยังชักกะเยอะกันไปชกกักกะเยอะกันมาอยู่นะคะกับความอยากตอนนี้กินสมมุตี้ไดอ้อ๋อจะสำเร็จแล้วค่ะอาทิตย์หน้ า, าจะก็จะคลมตัวแล้วสองเดือนอย่าไปดูดเลยกายอย่า ด, ด, ด, ดูดไม่ได้กินห่เดือน แต่ก็แต่ก็กินก็ได้ไม่กินก็ได้เหมือนกับวัดตัวเองอะ่ ะ, ะเจ้าค่ะว่ามันมีอะไรมาให้ท้าทายแต่ถามว่าจะกลับไปดื่มไหมก็ไม่ดื่มก็ได้ไม่มีความอยากกันดื่มแล้วเจ้เาค่ะเฉยๆแต่เป็นความรู้สึกว่ามันท้าทายว่าเออเราเราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นอะ่ะเจ้าค่ะ้าค่ะถ้ากลับไปดื่มมันก็ติดมันก็จะติดอีกเจ้าค่ะนอกจากว่านานๆทีอ่ะอาทิตย์ละครั้งในกาหนดเวลาไว้ก็ได้ เจ้าค่ะ <amounts> ก <of emotion writers> ็ช <Ende esa> ักกระยอกกับสติแล้วค่ะความคิดแล้วก็ถ้าความคิดที่เข้ามาแบบธรรมดาก็ก็จะใช้เทคนิคของพระอาจารย์ที่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็อยู่กับกายอยู่กับพุทโธเจ้าค่ะก็ก็ไปก็ก็ก็ไปหายได้เร็วแต่ว่าแต่บางทีความคิดและอารมณ์ที่ประเภทแบบให้เรารู้สึกแบบ แบบสัญญาเก่าอ่ะเจ้าค่ะที่ทําให้เรารู้สึกแบบผิดหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกก็จะว่าออกมาแล้วหรอก็จะใช้ปัญญาที่พระอาจารย์สอนว่าคิดไปก็เปล่าประโยชน์มันแก้ไขไม่ได้ก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันก็ต่อใช้สติต่อพุทโธต่อเจ้าค่ะได้ได้ก็พยายามปฏิบัติไปสติบ้างปัญญาบ้างแล้วแต่โอกาส เจ้าค่ะ <Okay. S 2> ก็ฝึกเรื่อยๆเจ้าค่ะก็ถือว่ามีบุญโชคดีมีความสุขที่ได้ปฏิบัติ ท, ทุกวันนะเจ้าค่ะก็เป็นโอกาสที่มีความสุขที่สุด <Okay. S 2> <laughs> ที่ได้ปฏิบัติเจ้าค่ะไม่มีอะไรหรอกเจ้าค่ะ okay. ปฏิท่านต่อไปน ะ, ะกลับสาือเจ้าค่ะะคอาจารย์สายทิพย์ถึงกีฬาอาจารย์นะนอนนานหน่อยสองชั่วโมงเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วสองชั่ว <laughs> โมง ค่ะกับรมการพระอาจารย์ค่ะก็ ร, รายงานการปฏิบัติก็นั่งสมาธิในทุกๆวันค่ะแล้วก็ฝึกใจด้วยค่ะแล้วก็พยายามฝึกสติกับกับอิเลียบท่างๆก็ที่มีสติค่ะตันลง ก, ก็ลืมๆไปแต่พยายามมีสติอยู่กับกายอยู่กับใจค่ะให้มากขึ้นค่ะคราวนี้ก็ นั่งสมาธิได้ไหมนั่งนั่งได้นั่งสมาธิได้ค่ะแต่ว่าสมาธิแม่มันไม่ลึกเหมือนเหมือนเหมือนแต่ก่อนค่ะเหมือนมันอยู่ในระดับตื้นๆกางกลางหรือคะกลางกลางาไม่ไม่ได้ลงลึกเหมือนเหมือนเดิมเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ก็เหมือนแบบได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นค่ะอาจจะได้วความควาเหนื่อยหรือว่าอาจจะได้วความอาจจะมีความอยากของเราด้วยมันเลยทําให้ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ค่ะอ ทาไปตามกําลังมาแล้วกันค่ะทีนี้มีมีคําถามค่ะหนูหนูไปอ่านมาว่ามันมีความสงสัยว่ามีแบบทําบุญแล้วยินดีกับทําบุญแล้วเฉยเฉยอันไหนดีกว่ากันค่ะเฉยคืออุเบกขาเหมือนทําแล้วก็ก็แล้วไปเพราะว่าก็แต่ว่าทําด้วยความรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบ mm. เหมือนแบบ มีความสุขมากๆนะั่นที่ได้ทําหรือไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะคือบุญนี้มันก็ไป็นเหมอนอาหารอาหารมันมีหลายชนิดใช่ไหมอาหารบางชนิดเรากินก็รู้สึกเฉยๆกินเพื่อให้มันอิ่มทอ้อแต่อาหารบางชนิดเราชอบกินแล้วมีความสุข ด, ด้วยยินดีด้วยอันนี้บุญก็เหมือนกันถ้าเราทาบุญที่เราไม่มีความชอบเราก็รู้สึกเฉยๆรู้ว่ามันดีนะทำบุญมันก็มาเลือดลายทำโน้นทํานี่เราก็ทําไปแต่เราปกติเราก็ไม่ไม่ได้ชอบทําบุญแบบนี้ แต่ถ้าเราไปทําบุญที่เราชอบเราจะรู้สึกในความเพิ่มในความปิติตามมาด้วยอืแค่นั้นเองอยู่ที่ความชอบของเราอืม ช, ชอบบุญชนิดถ้าเราทําบุญที่เราชอบเรารู้สึกก็มีความเพิ่มปิติเพราะเรารู้ว่าเราทาแล้วมันเห็นได้ผลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปทําบุญบางอย่างเราไม่รู้ผลมันจะเป็นยังไงเราก็เลยรู้สึกเฉยเฉยเสี่ยงบางที่สร้างโบงสถ์สร้างเจดีย์แล้วสร้างไปทำไมสร้างไป นะแต่ให้ไปไปเลี้ยงเด็กพิการหรือไปช่วยคนที่เขาเดือดรน่าต้อเสจว่ามันมีความสุขกว่าอืมค่ะแต่ก็สองอย่างนี้ก็ก็ดีทั้งคู่ใช่ไหมคะเราก็เสียสละทรัพย์ของเราไปค่ะเท่ากันแต่เหมือนเสื้ออาหารสองชนิดเนี่ยอาหารที่เราไม่ชอบกินกินมันก็อิ่มอาหารที่เราชอบกินกินก็อิ่มแลวก็มีความสุขใจด้วย ก็คือถ้าเราชอบก็จะมีความสุขกับการทําบุญนั้นอแล้วถ้าเฉยๆก็ก็ได้บุญอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอารมณ์ไปไม่ได้ปลื้มไปกับการการทําบุญนั้นได้ชนะความตันได้ชนะความหวงเงินทองได้เสียสลากแต่ไม่ปล้มก็ถือ่าอืมแล้วก็มีคําถามอีกค่ะพระอาจารย์ก็คืออ่าถ้าอย่างเวลาเราทํางานค่ะ ทำงานแล้วก็ใจติดจอมากมีสมาธิแล้วก็มีเสียงอื่นเข้ามาเหมือนเราแบบก็คือสมาธิเราอยู่กับเรื่องนี้เลยเรื่องอื่นมันก็ไม่เข้าเข้าหูเราเนี้ยค่ะก็ลเลยสงสัยว่าแบบนี้ถือว่าเป็นคณิกะสมาธิหรือว่าอัปปนาสมาธิได้ไหมคะไม่ได้เลยเป็นสตนิเพราะว่ามันถ้าเป็นสมาธิมันต้องไม่คิดไม่ต้องทําไม่ต้องขยับเลยต้องนิ่ง<อ>ต้องนิ่งทั้งกายทั้งใจเลยถ้าทํางานไปแล้วอยู่เฉยๆก็นิ่งไปเลย ดูอะไรอยู่ก็นิ่งไปเลยไม่ขยับเลยอย่างนี้อะไรจะเป็นสมาธิแต่ถ้ายังมีการขยับเขยื่อนอยู่นี่ไม่ไม่ถือว่าเป็นสมาธิเป็นการมีสติมีการมีสติแต่เราใช้เอาคําสมาธิมาแทนสติทางโลกเขาจะใช้คําว่าสมาธิว่านี้ไม่มีสมาธิในการทํางานเลยอันนี้ความจริงเราใช้ไม่มีสติอยู่กับงานเลยอมพอสมาธิจริงๆนี้ต้องนิ่งทั้งกายทั้งใจเหมือนเหมือนภาพนิ่งที่เราเห็น ในจอบางทีให้ยอยู่ดีๆภาพก็นิ่งไปเสียงก็หายไปอืรเรีสมาธิเพราะว่าตอนแรกก็คือเหมือนเราอ่านมาว่าสมาธ่ขณะทํางานเป็นคณิตะสมาธิอะไรเงี้ยค่ ะ, ะก็เลยอ็เลสงสยัยว่าเป็นสติการเจริญสติค่ะค่ะมีสติจดจ่ออยู่กับงานที่เราทําแต่เราไม่ใช่สมาธิความหมายว่าสมาธิจริงๆคือนิ่งกายนิ่งใจ นิ่งหมดไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกระทําอะไรก็คือความคิดก็หยุดด้วยหยุดด้วยหยุดคิดด้วยร่างกายก็ไม่ขยับอืมค่ะอ๋อค่ะนั่นแะุนจะเรียกเป็นสมาธิถ้าเป็นปป๊บเดียวก็เรียกว่าคณิกะถ้าเป็นนานก็เรียกว่าปานาอืมค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่ที่ทํางานจดจ่ออยู่นี้ไม่ใช่สมาธิมีสติอก็มีสติดีขึ้น ทำให้ทำงานได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะใช่แล้วแล้วก็รายงานค่ะเอาภาษาเออเอาสมาะที่มาใช้แทนสติเลยคนก็เลยสับสนก็เลยมาถามอาจารย์ว่าเอ๊ะท่านท่านนี้ต่างชาตินี่เขาไม่มีก็ไม่ได้ใช้ภาษาแบบเดาเขาเลยไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่แต่ภาษาไทยตอนที่มันเอามาใช้บ้วกันไปหมดหลายความหมายมันก็เลยบงทีอ่านแล้วไม่เข้าใจพอมาอ่านธรรมะก็ กับที่เราเข้าใจเป็นคนละเรื่องกันเลยอืมค่ะแล้วก็มารายงานพระอาจารย์ค่ะตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมค่ะแล้วก็เจอวันว่างดีใจมาก <laughs> ช่วงช่วงวันสงการค่ะก็เลยเหมือนเหมือนพี่อีกคนค่ะก็คือจะไปตั้งแต่วันที่สิบถึงสิบแปดค่ะมีที่มีที่ไปแล้วเหรอหนูหนูไปดูของหลวงตาสิริ เป็นทศิลีวัดถ้ำผาแดงผานิมิตค่ะล เ, ลเห็นว่าจังหวัดขอนแก่นอยู่แค่น้ำพองอยู่ใกล้บ้านค่ะประมาณเจ็ดสิบกิโลก็เลยท่านอยู่ใกล้ๆเนี่ทาาเนี่ยปฏิบัติเยอะมีวัดปฏิบัติเยอะค่ะน่าจ ะ, ะ น, าน่าจ ะ, น, าจะน่าจะสงบดีค่ะแต่ว่าจริงๆ<ม>ไม่เคยไปค่ะทีนี้ไม่แน่ใจว่า มีที่พักไหมอะไรยังไงก็เลยชวนที่บ้านกลับมาไปค่ะก็ที่จะไปสอบถามท่านว่าอ่าจะมาปฏิบัติธรรมได้ไหมมีที่พักไหมต้องทํายังไงบ้างใช่ควรจะไปติดต่อก่อนจะดีกว่าค่ะก็เลยไปเองเลยท่านก็เลี้ยงมาเลยถ้ามันเบียดกันก็ก็เบียดเบียดกันครับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากก็บอกว่าถ้าผัวอนุญาติก็มาได้ก็เลยขำค่ะท่านไม่ท่านไม่มีที่ให้อยู่คนเดียวยังไม่มีใชต้องไปอยู่กันโดกันนะ หนูไม่แน่ใจเลยค่ะก็เลยเหมือนไปตายเอาดาบหน้าว่าอ่ะตั้งใจละไปเจออะไรก่อนก็ไปแล้วกันค่ะลองดูบ้างกันแต่ถ้าอยู่คนเดียวได้ถาอยู่คนเดียวได้ดีกว่าดีกว่าแต่ว่าเพื่อนจะตามไปค่ะก็แอบไปชวนเพื่อนว่าสนใจไหมเราไปวัดนี้นะเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวพาม่าไปโรงพยาบาลก่อนอีกสองสาวันจะตามไปค่ะโอเคเราส่วนพี่สาวก็บอกว่า อาจจะไปอยู่ได้สักสองวันตามไปเหมือนกันค่ะก็เลยว่าแล้วแต่แต่ว่าเราตั้งใจว่าจะไปแล้วเราก็จะไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะส่วนที่อีกคนบอกว่าสงการต้องไปเที่ยวสี่เป็นการพักผ่อนเราก็เียกว่าการปฏิบัติธรรมของเราคือการพักผ่อนใช่ค่ะอีกคนนี้ไปทางโลกค่ะโลกมากมากเราก็เลยว่าความอ่าปฏิบัติธรรมคือการพักผ่อนของเราเขาเรียกว่าโอเค ค่แต่คุณพ่อก็โอเคพ่อโอเคค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มห่วงว่าจะร้อนไหมจะปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยก็เลยบอกไม่ต้องไม่ไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวถ้าไม่ปลอดภัยก็จะกลับมาเองแหละค่ะเรามีรถเก็บรถหนีมาแต่ถ้าปัดไปเราก็จะอยู่ค่ะก็เราก็คิดว่าเราน่าจะประเมินสถานการณ์ได้แต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มเลยก็คงไม่ได้เริ่มสักทีค่ะเต่า่าทลองดูค่ะก็เลยคิดว่า ลองดูถ้าถ้าไม่ใช่ก็ถอยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าอยอื่นไม่กลัวค่ะแต่ถ้าเรื่องความปลอดภัยของชีวิตค่อยว่ากันค่ะประมาณนี้ไปวันไม่มีปความปลอดภัยปัญหาคือความสงบมากกว่าความไม่เวกมากกว่าอืมเห็นเป็นอยู่บนอยู่บนภูเขาเหมือนกันค่ะไม่ค่อยมีคนพุกท่านถ้าคนเยอะๆมันก็ไม่สงบเลยค่ะ แต้องกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมีคนไปเยอะๆองนมันก็อาจจะต้องไปเบียดกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนค่ะว่าเป็นยังไงอืมดีไปเถอดไม่ไม่ไม่เสียใจอะไรไปเถิดค่ะได้ได้หลายวันด้วยค่ะก็น่าจะดีค่ะดีดีมากเก่งมากถ้าไปอยู่ได้8ปวันนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะช่วนั้นช่วงนั้นถ้าไม่ได้เข้า ปฏิบัติธรรมก็ค่อยมารายงานพระอาจารย์อีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเข้าซูมได้ก็คงจะเข้ามาทางกาณมิท่านอื่นแล้วก็มารายงานด้วยประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะเอาท่านี้ก่อนนะค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวไปที่คุณสุทัศนีเชิญอยู่กรุงเทพนนทบุรีใช่ไหม ค่ะอาจารย์เจ้าค่ะอยุ่ปทุมธานีเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะหนูอยากถามเรื่องการปฏิบัติค่ะถ้าช่วงที่เรานั่งสมาธิโดยการดูลมอ่าในช่วงที่ถึงจุดที่ลมหายใจมันจับไม่ได้เจ้าค่ะอาจารย์ค่ะพอจับไม่ได้แล้วเจอความสภาวะที่ว่างได้แป๊บเดียวพอว่างแล้วก็ปุ๊บทุกอย่างมันหายไปหมดเลยเจ้าค่ะแต่มันไม่มีความสว่างนะเจ้าค่ะแต่รู้สึกว่าเราอยู่ มื่มันเบามันสงบก็ใช้ได้ค่ะอันนี้การสมาธิก็เลยคณิกาสค่ะเป็นความสงบแต่เป็นคณิกาใช่ไหมเจ้าคะ่ะอ่ชือกเดียวช่วกขนาดหนึ่งก็เลยคณิกะไม่นานแบ บ, แ ร, บรูแลบนิ้นหรือแบบฟ้าแลบแบบนี้ค่ะแต่ใช้เวลาเข้าไปกว่าจะเข้าไปได้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึงอะคะอ่ะใช่เพราะสติเรามีกําลังน้อยค่ะ จะพยายามต่อไปเจ้าค่ะอาจารย์ต่อไปจะได้ต่อไปมันจะว่างจะสงบได้นานขึ้นถ้าสติเราดีขึ้นแต่แต่แค่แป๊บเดียวก็เป็นความแบบความอัศจรรย์ใจของหนูมากเลยเจ้าค่ะแล้แถมทําหน่ารัทั้งปวงสามได้ไม่ลืมเลยเจ้าค่ะแล้วมันดื้อมันดูดเดิมใจด้วยมันจะดึงดูดใจทําให้เราอยากปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากด้วยเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะเออดีค่ะอ่าอ่าหมดคําถามเจ้าค่ะอ่าน้องท้องฟ้าฝาก กราเรียนพระอาจารย์นะคะว่า uh. วันที okay. ่สิบเอ็ดเขาจะขึ้นไปฟังธรรมะบุญอ่าที่กุฏิด้วยเจ้าค่ะเออได้วันที่สิบเอดเจอกันนะค่ะขอบรคุณเจ้าค่ะคุณประเวศจาก Dallas, Texas ได้ฉีดสองเข็มแล้วใช่ไหมวัคซีนกราบมนตการพระอาจารย์ครับก็มาฟังธรรมครับสองชั่วโมงดีใจที่พระอาจารย์ตอบปัญหาได้ดีและชัดเจนมากครับก็เป็นการ ฝึกสติไปในตัวตอนนี้ได้ฉีดสองเข็มแล้วใช่ไหมวัคซีนครับผมได้ฉีดมาเกือบเกือบเดือนแล้วครับผมสบายดีแล้วนี่สบายใจไหมครับผมไม่มีปัญหาครับแต่ก็ยังไม่ประมาทไปไหนก็ยังใส่หน้ากากโอ้ก็ยังใส่หน้ากากเหมือนเดิมครับคือว่าเขาฉีดมาแล้วตอนนี้ในสเตตเท็กซัก็ประมาณเกือบครึ่งของประชาชนก็ฉีดไปแล้วตอนนี้เขาเริ่มฉีด พวกที่18ขึ้นมาได้แล้วนี่ครับในบางเขตครับ<ต>ยายาเขามีพร้อมแต่ก็ไม่บังคับให้ใส่หน้ากากครับท่านตอนนี้ก็รูเนะเขาไม่บังคับครับแต่ว่ากฎของร้านอาหารกฎของสถานที่บริการกต่างๆเขาก็ยังมีกฎขเขาครับเขายังสามารถบังคับให้เราต้องใส่หน้ากากเข้าไปซื้อของอะไรอย่างนี้อยู่ครับออื คือกฎรัฐบาลก็คือกฎรัฐบาลแต่ว่ากฎตามร้านค้าหรืออะไรเงี้ยเขาจะอาหนากากมาแจกเราถ้าเราไม่มีเวลาจะเดินเข้าไปซื้อของเขามีสิทธิ์ที่จะกำหนดไม่ให้คนไม่ใส่หนากากเข้าไปได้ครับผมเขายังทำได้อยู่ครับนี่ยิ่งในเมืองผมที่ผมอยู่ที่ลอเลดนี่ก็อยู่ในเขตของดาลัตว่าจะไปที่ของรัฐบาลนี่เขาจะเตรียมหน้ากากมาให้เราเลยถ้าเราไม่มี เราเขาก็จะแจกยาแจกเช็คอุณหภูมิเราก่อนที่จะเข้าไปอะไรเงี้ยร้านอาหารก็ยังทําเหมือนกันครับเขาก็ยังบังคับเราให้ส่หน้ากากเข้าอยู่ก็ดีบลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับผมมันมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันตอนนี้รู้สึกว่ามันติดเป็นนิสัยของคนที่นี่อยู่แล้วครับเหมือนที่เงไทยนคนไทยไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากกัน ครับอันอันนั้นอันนั้นผมว่าเป็นความโชคดีที่เรามีฝุ่นฝุ่นมาก่อนแล้วเราเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วคมันจะเกิดเชื้อเกี่ยวกับการสายหน้ากากมันก็เลยไม่ต้องใส่แล้วอันนี้อันนี้มีประโยชน์กับประเทศไทยมากครับเพว่าโชคโชคดีที่ประเทศไทยเราได้รับผลกระทบน้อยเพราะว่าคนตายไม่ดีก่อนไม่ถึงร้อยนะครับผมผมผมว่ามันเป็นการเป็นการ นิสัยของคนไทยด้วยนะครับผมว่าเราเป็นผู้อ่อนน้อมแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติแม้จะไม่ไม่เก่งเหมือนกับทางทุตศาสนาคือเรารับฟังมากแต่เราไม่ค่อยปฏิบัติจันแต่ว่าความเชื่อถือในที่มาจากพ่อแม่บิดามารดาเราอ่อนน้อมอยู่แล้วครับผมว่าดีแล้วพวกหมอพวกคนที่ก็มีความรู้เราก็เชื่อฟังเขาครับผม อ, นนอันนี้อันนี้อันนี้มันต่างกันตรงที่ว่าพวกที่มาอยู่ในอเมริกาหรือคนที่อยู่ในอเมริกานี่เขาไม่ อ, อ่อนน้อมเหมือนกับทุกคนเก่งดดครับเขาพความสำเร็จครับ huh. และอีกอย่างนิสัยของคนอเมริกาเขาพอเด็กเริ่มโตนี่เขาก็พุทออกให้ออกไปช่วยตัวเองมากเขา้ามันก็เลยห่างพ่อแม่มันก็ uh huh. ไม่เหมือนทางทางศางสนาพุทธของทางไทยว่าเราเลี้ยงลูกจนโต uh huh. ในนไว้ต่างประเทศนี่พวกอเมริกาเขาจะส่งเด็กมาไฮสคูลนี่ให้เริ่มออกไปหางานทำทาพ<ม>ออายุสิบแปดสิบเก้าแต่งงานก็แยกตัวออกไปหรือพวกนี้เขาก็เลยห่างเหินจากพ่อแม่มากขึ้นก็เป็นสังคมที่้าที่จะ ต, ต, ตัวใครตัวมันครับผมสังคมตัวใครตัวมันครับถูกต้องถ<ม>ูกครับก็รับฟังพระอาจารย์มา ใ น, นสมอก่อนนี่ผมจะฟังโอ้ยทําไมเขาถามว่าอย่างนี้ลุงพ่อก็ตอบให้อย่างดี hmm. ก็ฟังอดทนก็มามาคิดว่าโหนี่เกิดมานั่งฟังสองชั่วโมงนี่เป็นการฝึกสติที่ดีมากเลยนะครับอาจารย์ <Right. S 2> ได้รับฟังจากญ <Right. S 2> าติธรรมเยอะๆมี <Right. S 2> ข้อปัญหาเยอะๆทั่วโลกมาแล้วก็พอาจารย์ก็ตอบให้อย่างนิ่มนวลแบบเป็นการฝึกสติที่ดีที่สุดเลย <Right. S 2> ตอนเนี้ย พระเจ้าบอกเป็นมงคลอย่างยิ่งการส น, นทนาธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลกันเนี่ยได้สติได้ปัญญาได้ครับรได้ได้ได้เยอะเลยครับเพราะ<ม>ว่าความอดทนที่มานั่งฟังหรืออะไรเงี้ว่าสมัยก่อนจะ ง, งุดหงิดโอ้ยเขาถามอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับคือ<ม>คือถามในสิ่งที่ไม่ควรถามอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนคิดว่าทำไมยอย่างนี้ว่าอมานั่งฟังพระอาจารย์บ่อยๆแล้วก็ มันก็ปึกสติว่านี่คือคนเขาก็มีปัญหาเขานี่คือปัญหาเขาเราอย่าเอามาเก็บมาเป็นของเราเปลี่ยนที่ก็เลยดีขึ้นระดับจิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสอนตั้งแต่ปหถึงปริญญาเองนั่เรียนในห้องอันนั้นมาแก้ไขตัวเองครับออก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์ก็มากาบพนักศการพระอาจารย์ว่ามาฟังธรรมที่สุดยอดอันหนึ่งครับ ดีใจอาทิตแล้วไม่เห็นเข้ามาก็เลยคิดว่าไปแลอ๋อก็าา ท, ทําธุระกับ ม, มีงานกิจของสง์อันนึงที่ว่าเราต้องทําให้พระอาจารย์หลวงพ่อที่ท่านรักสังขารครับหลวงพ่อไม่ได้ยังนะครับผ ม, มก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ครบร้อยวันของท่านพอดีก็ทําไปตามหน้าที่นะลูกศิษย<ม>์กก็ เป็นสิทธิ์ของท่านมาก็ท่านก็มาสอนถึงที่นี่แล้วก็เราก็ได้ใกล้ชิดท่านมากที่สุดแล้วก็ก็เลยต้องเปิดบัตรให้มากเข้าทางสมาธิครับผมโอเคสาวชนะครับกาวมานรการพราจารครับเนี่ยไปที่คุณสนธยาทําล้วทำอะไรกับลูกเหรอลูกสาวเหรอลูกสาวค่ับพระอาจารย์ อยู่ที่ไหนอยู่ที่กําแพงเพชรครับกำแพงเพชรเคยเข้ามาหรือเคยเข้ามาอยู่ครับอาจารย์ เ, ยเข้ามาแล้วนะครับมีอะไรไหมวันนี้อในเรื่องของการปฏิบัตินะครับาอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเรามีงานเยอะแล้วอบางช่วงที่เราอาจจะติดต่ อ, อปฏิบัติไม่ได้ต่อเนื่องแล้วช่วงที่เรามีเวลาเราปฏิบัติเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะมีผลไหมครับ ก็มันปฏิบัติมากมันก็ได้ผลมากปฏิบัติน้อยมันก็ได้ผลน้อยครับอาจารย์ก็ต้องพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะทําได้ครับแล้วสมมุติว่าเรากําลังปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยครับอ่าเรามีเราสมมุติว่าเราสวดมนต์อิติปิโสอย่างเงี้ยครับอาจารย์มีอ่าจิตจิตหนึ่งเรากําลังสวดอยู แต่ว่าอีกจิตหนึ่งอ่ะมันแวบออกไปทางความคิดอย่างเงี้ยครับแต่ แ, แต่เรากำลังสวดอยู่เนี่ยครับมันก็คือการฝืนสติใช่ไหมครับใช่ก็ธรรมด า, าจิตเรามันคิดอยู่เรื่อยๆทีนี้พอเราเราึงมาสวดบางทีมันก็ยังไม่ยอมหยุดคิดเนี่ยมันก็เลยต้องเหมือนกับเป็นสองคนแข่งกันแล้วก็อย่าไปสนใจกับความคิดให้อยู่กับการสวดของเราไปเรื่อยๆครับแล้วผมก็เลยก็เลยสงสัยว่าแล้วอย่างนี้แสดงว่า จิตเรามีสองดวงเหรอครับหรือยังไงดวงเดียวแต่มันคิดได้เร็วไงคิดไปไปกลับมาได้เร็วอ๋อจิตประอาจารย์เข้าใจแล้วครับแล้วก็อยา่าไปสนใจกับความคิดพยายามให้มันอยู่กับการสวดไปเรื่อยๆต่อไปความคิดมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะ อ, อ่อนอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จ ะ, จะสวดอย่างเดียวได้ครับพระอาจารย์เดี๋ยวจะพยายามฝึกสติอย่างสม่ำเนื่องครับธรรมศาสตกรรมพระอาจารย์นะคะสาธุ ชื่ออะไรจ้าชื่ออะไรจ้าชื่น้ำเมยเชื่อน้ำเมยครับอาจารย์เมยกี่ขวดแล้วหนึ่งขวดหนึ่งขวดแปดเดือนครับอาจารย์น่ารักนะเอามาฟังทำด้วยครับวี่ไปวิ่งเออฝึกไว้ตั้งแต่เด็กอันนี้ครับแปดเดือนสักกันครับเออทุกคนรุ่งที่มามีอะไรไหมคนรุ่งที่มาเรื่อจะฟังเฉยเปิดใหม่ยังไม่ได้เปิดใหม่ กลาวมัตการเจ้าขาพะอาจารย์งานไงมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีค่ะพระอาจารย์มากับพระอาจารย์เจ้าขาเข้ามาตั้งแต่ต้นเลยเหรไม่ค่ะเพิ่งเข้ามาค่ะ<อ>พระอาจารย์ ค, ค่ะงั้นที่คุณสริงทอนต่างแล้วกันนะสริงทอนเชิญ น, นมัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ข่าวว่าได้ฉีดวัคซีนแล้วเหรอ ได้ได้ไปเข็มบุงแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอีกเข็มนึงค่ะไฟเซอร์ไมมเดือนหน้าไหฟเซอร์ไฟเซอร์ค่ะพระอาจารย์มีผลอะไรไหมได้ผลกางเกงอะไรไหมไม่ไม่เป็นไรเลยค่ะพระอาจารย์โยมก็เหมือนกับทุกๆุกท่านอยากกลับบึงไดรอเวลาแต่ว่าชนบุรีก็กลับมาได้แล้วเมื่อไหร่ใช่ค่ะพระอาจารย์ชนบุรีที่รู้สึกจะเป็นพอเตอร์สุดท้ายใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่รู้สึกเปิดประเทศ ตุลาตุลาหรืออะไรประมาณนี้เมื่อแล้วนี่ก็เปิดแล้วจะชิญไปเลยนี้ไม่มีไม่มีไม่มีติดเชื้ออะไแบบที่ไม่ต้องกักตัวค่ะอาจารย์เห็นเขาประกาศแบบที่ไม่กักมันไม่ทราบทุกคนมาใจตามประเทศก็ยังกักตัวอยู่ทั้งนั้นค่ะตอนนี้แต่เห็นเขามีแผนมีแพลนว่าประมาณประมาณเดือนตุลาเขาถึงจะไม่มีวันกักตัวถ้าถ้าฉีดวัคซินครบแล้วค่ะยอมรอเวลาค่ะ็รอตุลาถ้ากลับก็แล้วกัน รอรออยู่เนี่เลยก็ช่วงนี้ยมยมมีคําถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์หลังจากที่ฟังถูกทุกท่านนะคะก็อย่างสมมติว่าที่เมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าเวลาฝึกปฏิบัติเนี่ยเราสามารถใช้ลมหายใจไปได้อนาปานสติหรือว่าจะใช้พุทธานสติซึ่งโยมใช้ทั้งสองอันควบกันนะค่ะแต่ยมยมจะถามว่าการฝึกแบบเนี้ยอันนี้มันคือคําบริกรรมเพื่อที่จะให้มันเข้าไปสู่ข้างในใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าเมื่อเมื่อถึง ถ้าเมื่ถึงจุดที่มันเข้าไปข้างในแล้วมันจะทิ้งคําบริการักคําบริกรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาณาปานสติหรือจะจะปล่อยหมดแต่พอมันเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วมันถอนออกมาเนี่ยจิตมันจะเข้าไปยึดกับตัวเดิมไม่ว่าจะเป็นพุทธานุสติหรือว่าอาณาปานสติพอสติหมด่ยพอสติหมดก็ออกมาแต่พระอาจารย์บอกว่าให้ดีที่สุดคือให้ใช้อานาปานสติยังนี้โยมควรจะ เปลี่ยนวิธีไหมคะพระอาจารย์ก็ไม่จําเป็นหรอกถ้าเราสามารถสงบได้วิธีนี้ก็โอเคอืมเพราะเวลาถอนออกมาแล้วยมจะจับกลับมาจับที่พุทโธแทนที่จะเป็นลมหายใจอะค่ะได้จับพุพโทโธก็ได้ได้ไใช่ไหมคะแล้วอย่างอย่างเวลาที่มันเข้าไปแล้วอะค่ะพระอาจารย์เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราต้องเข้าไปนานแค่ไหนหรือว่า มันจะออกมาเองมันมันจะออกมเองอะถ้ามันถ้ามันไม่ออกมาก็แสดงว่ามันยังสงบอยู่ก็คือให้ปล่อยให้เขานั่งปล่อยไปเรื่อยๆ้นกว่อาีนกว่ามันจะหมดกําังมันก็จะออกมาถ้าอยากจะอยู่ต่อถ้าอยังอยู่ต่อกาพูดโตใหม่อืมถ้าถ้าไม่ไหวแล้วเราก็หลุดออกมาใหม่แล้วก็กลับเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งกลับไปใหม่ได้พอเราเข้าไปเราจะไม่ได้พูดโตแล้วเราจะไม่ได้ดูลงแล้ว มันเหมือนมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรต้องทําำค่ะกาลังมันหมดมันก็จะถูกดิเลนดันออกมาความอยากมันจะดันออกมาถ้าเราอยากจะกลับเข้าไปใหม่แล้วก็พูดโทธใหม่ดูล่ลมใหม่อ๋อครับแล้วทาไม่ไหวถ้าขี้เกียจก็ลุกขึ้นไปเดินจบกรมแล้วไปทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะทําอาจารย์แล้วก็อีกคําถามนึงค่ะพระอาจารย์เรื่องเรื่องการทําบุญที่เมื่อกี้มีอาจารย์ถามมาค่ ะ, ะที่บอกว่า การทำบุญแบบที่เรายินดีกับแบบที่เราไม่ยินดีอะค่ะแต่เราทำบุญเหมือนกันยมคำถามก็คือว่าการทำบุญที่ในส่วนที่เรามีความยินดีเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอุบายให้เกิดปิติไหมคะพระอาจารย์แล้วแล้การมีปิติเนี่ยจะแล้วค่ะแล้วไอ้การมีปิติเนี่ยมันมันเป็นของชั่วคราว แต่ผลบุญจริงๆคือการการชนะความตนันเอมันจะน้อยมันความตันเองจะน้อยลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราทำบุญความตนันเองแต่ไอ ค, ความความควา ม, ความยินดีความปิติที่เราที่เราสร้างขึ้นเป็นกำลังใจอันนี้มันจะช่วยในการให้เกิดพลังสมาธิได้มากขึ้นไหมคะ อ, อ๋อคนทำบุญมากๆก็จะสงบง่ายไเป็น น, นิสัยของอคนทำบุญเป็นคน คนมีความเมตตาคนที่มีความเมตตาพระเจ้าบอกว่าเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบง่ายเพราะจิตจะเย็นจิตจะไม่รุ่นวายกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทําบุญแล้วจิตจะเย็นจะสบายพอไปนั่งสมาธิมันก็จะง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทําบุญแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เรายินดีหรือไม่ยินดีก็ก็จะเกิดได้ง่ายกว่าเพราะว่าเรา เราเสียสละไงเราได้การเสียสละเราได้การจัชนะความตเนี่ยทำให้ใจสงบใจปล่อยวางเงื่อนเงินทองได้อืมแล้วการนั่งสมาธิถ้าเราไปทในเรื่องที่เราชอบมันก็ยังมีปิติออมีความสุขพิเศษขึ้นมาค่ะค่ะค่ะอีกคําถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์เวลาที่เรานั่งสมาธิมากๆเนี่ยมันจะทําให้เรานอนน้อยลงไหมคะก็แล้วแต่ถ้าเราถ้ามีสติ นั่สมาธิมากๆมันจะมีสติตื่นตัวมากขึ้นเราจะนอนน้อยลงตามนอนดับแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าเราไปออทำงานมากหรือเปล่าด้วยถ้าเราทํางานมากบางทีออมันก็ร่างกายมันเห น, นื่อยๆมันก็ต้องนอนมากกว่าปกติออแต่ถ้าเราไม่ทํางานเลยเรามีแต่การปฏิบัติธรรมยิ่งสติสงบได้มากเท่าไหร่มันก็นอน น, อน้อยลงไปเรืเลยเดี๋ยวก็ตั้งสามารถนอนออคืนละสองสามชั่วโมง ก, ก็อยู่ได้ก็มี ค่ะมันไม่สำคัญอันนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเท่านันอือค่ะก็คือยังไงก็ได้ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าให้นั่งให้นั่งทุกวันแล้วก็พตอนนี้ช่วงนี้โยมงานมากขึ้นแล้วก็ยังต้องดูลูกมากขึ้นมันทําให้เวลาปฏิบัติของโยมน้อยลงแต่โยมก็ยังพยายามปฏิบัติอยู่เพราะปฏิบัติมากใจก็เย็นน้อยลงทัานเองมันก็จะใจก็จะแต่โยมพยายามนอนน้อยลงด้วยคะ่ะพระอาจารย์มันมันก็เลยกลายว่า ยมนอนน้อยลงเพื่อที่จะเอาเวลาพยายามให้มันปฏิบัติมากขึ้นก็ได้ก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราเอาเวลามาปฏิบัติได้ท่านี่จะนอนก็ดีแต่ถ้าร่างกายมันไม่ไหวก็ต้องยอมให้มันนอนบ้างใช่บางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันครับาไม่ไหว ก, ก็ต้องยอ ม, มแต่บาง ท, บางทีบางทีเหมือนเราตื่นขึ้นมาตีสองตีสามหรือหรือกลางค่ากลางคืนนอนไม่หลับก็ขึ้นมามนั่งสมาธิด้ถ้ามันไม่นอนก็นั่งสมาธิต่อได้ ค่ะค่ะอย่างนี้ก็ไปได้ใช่ไหมคะ ถ, <า>ถ้ามันเมื่อยมันม่วงมันทำไม่ไหวก็นอนต่อแล้วในระหว่างวันโยมก็ยังคงฝึกสติอยู่กับการงานที่ยังคงทําอยู่อย่างที่พระอาจารย์สอนหยกดดามหยุดดามค่ะอยากยืดอะไรใหอยู่กับงานที่เรากังทําอยู่ค่ะเพราะโยมรู้สึกว่าเหมือนกับพอเราปฏิบัติแล้วมันความสงบมันเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อวานนี้ลูกทํากระเป๋าเงินหายอย่างเงี้ยค่ะโยมก็ ไม่ได้รู้สึกโกรธไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกว่าเออเสียก็เสียไปแล้วก็ไม่เป็นไรคือความรู้สึกกระทบมันมันน้อยลงอะค่ะเว่าเราทําบุญด้วยเวลาทําบุญเราก็เสียเงินเราก็รู้สึกเฉยๆครับไม่มีความสุขจริงค่ะถ้าเราทำบุญีะไรเงินท้ายบาตมันก็โกรธขึ้นมาได้ใช่ไหมใช่ค่ะบางีเราก็คิดว่าเราทําบุญมากกว่าพี่เงินหายอีกนะเราก็น่าจะ ใช่ค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะมีคําถามเท่านี้ค่ะพระอาจารย์กับนรมาสการนะคะขอพระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้ามาเหมือนกันใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วยองฟังอยู่ข้างนอกค่ะอาทิตย์ที่แล้วมีพระอาจารย์เหมือนกับเร็วจบเร็วอะค่ะยองก็เลยนึกว่าวันนี้น่าจะเร็วเหมือนกันเพราเวลาของโยอมันเร็วก่าเราไง ใช่ค่ะเหมือนกับว่ามีคนที่เข้ามาเหมือนกับแทนในสองชั่วโมงกว่าพระอาจารย์ก็เสร็จแล้วโยมก็เลยนึกว่าวันนี้วันนี้ยาวเลยวันนี้โยมก็รอเกือบสองชั่วโมงค่ะสาธุพระอาจารย์กับนวสการ์ค่ะคุณปรังวิไลต่อปรังวิไลทํางานที่บ้านอำเภอโรงแรมในซอยขอบคุณค่ะโยมเพิ่งทราบจาก เซว่าค่ะเห็นเขาบอกว่ามีลูกค้าที่มาพักโรงแรมนะคะออมาคฟังทำพระจารย์กันเยอะแล้วก็พักที่โรงแรมมันเยอะเลยค่ะเ อ, อนี่ก็บริการเขาหน่อยภาธำรดรร้วยกัน<ถ>เพื่อนเ่อนท่านท ำ, ทำมีมีคุยกับนายเหมือนกันค่ะว่าช่วงช่วงสงการนะคะ่ะโยมก็จะขอนายว่าโยมจะตั้งป้ายแล้วก็แจ้งลูกค้าว่าวันไหนที่มีฟังธรรมบ้างนะคะแล้วก็จะเชิญให้เขาเข้าไปฟังธรรมกับพระจารย์ ก็แล้วแต่ความเหมาะสมมานะถ้ามันถ้ า, ถามัน ถ, ถ้าไม่ควรก็อย่าไปทำเนี่ยนะนี่จะว่าเป็นการโปรโมเนี่แต่ถ้าเป็นการทําเพื่อให้คนเขารู้เรื่อเขาอยากจะรู้อย่างนี้ก็โอเคแต่อย่าไปทําในลักษณะเหมือนกัโฆษณาหนังใช้หนังเพืการให้มีคนมาดูเยอะๆอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ได้เราไม่ได้ตั้งเป้า อ, อยู่ที่ที่อย่างนั้นแต่ถ้าเป็นการบอกให้คนก็รู้ว่า ที่นี่มีการแสดงทํานะท<า>ั้งแล้วแต่ว่าทําแบบไหนเ<า>จ้านายก็โอเคไม่แต่ก็าไมไ่โอเคก็าไม่ยอมไปทําแล้วเจ้านายเขาโอเคค่ะเขารู้ว่าโยมมาปฏิบัติธรรมเขาก็เขาก็สนับสนุนค่ะเขาเป็นชาวอะไรเป็นออสเตรียค่ะออสเตรียต่อไปก็จะสนใจก็ได้โยมก็เคยบอกว่าพระอาจารย์พูดภาษาอังกฤษได้ถ้าเกาเข้าถาเราเข้าซูมดูบารังค์บารังค์คานก็ได้ ค่ะเดี๋ยวยมจะแจ้งแจ้งเจ้าหนาทีราบค่ะทีนี้ยมจะขออนุ ญ, ญาตสอบถามในเรื่องของการทำบที่คุณสลินคุณสลินทรอนถามนะคะคือยมเคยเก็บสตางเก็บเงินได้ที่ห้องน้ําตอนโยมเดินทางไปทําบุญที่จังหวัดเพชรบูรณ์ยมรอที่หน้าห้องน้ําตรงกลางค่ะค่อนข้างนานา้าแต่ว่ายมไม่เจอเจ้าของยมก็เลยตั้งจิตว่ายมจะเอาเงินจํำนวนนี้ไปทําบุญให้กับเจ้าของที่เขาทําหล่นทีนี้ มันก็เลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะตอนที่เราเก็บสตังค์ได้แล้วถ้าเขากลับกลับมาแล้วเขาหาเงินไม่เจอเนี่ย<ช>เขาจะเกิดเกิดร้อนนะคะ<ช>หรือว่ากังวลใจใช่เขาอาจจะคิดว่าเราเขาโมยเ ง, งินเขาไปก็ได้ค่ะทีนี้นนเขาจะดได้ดุทำที่ดีแล้วก็อย่าไปแตะต้องดีกว่าถ้าไม่ใช่เป็นของเราปล่อยไว้ที่เดิมปล่อยใ้เจ้าของเข้ามาแล้วคนอื่นก็จะหยิบไปกันเรื่องของเขาแต่เราอย่าไปมีส่วนดีกว่า อเท่ากับว่าหลังจากเรารู้ว่าเป็นใครเป็นของใครแล้วเราเอาไปให้เขานี่ก็โอเคค่ะแล้วไม่รู้ว่าเจ้าของนี่ก็อย่าไปจ่าดีกว่าไปล่อยมันไว้เท่านั้นนะเขาบอ้ว่าเงินที่ไปทําบุญให้เขาเนี่ยมันก็จะไม่ถึงเพราะเขาไม่ทราบใช่ไหมจ๊ะใช่เขาไม่ทราบเรื่องเลยอืมได้เจ้าค่ะแล้วก็เป็นการเหมือนกับเป็นการขโมยเงินเขาจะเลยสร้างไปเพราะเป็นเงินของเขาแล้วเขาเขาไม่ได้อนุญาตให้เราหยิบเงินก้อนนั้นไป เ่าก็อยอมติดกรรมของเจ้าของก็ก็อย่างนั้นเละก็าถว่าเราทำเราทําผิดศีลข้อข้อสองอาทินาเอาเงินเขาพูดในที่เขาไม่อนุญาตเข้าใจแล้วคะ่ะถ้าการยืเงินไว้ถ้าเราเก็บไม่ได้เราไปให้ที่หาที่ถ้าเป็นโรงแรมก็ไปให้เจ้าหน้าที่เขาประกาศบอกแล้วให้ต้องฝากไว้ตรงนั้นอย่างนั้นก็ยังโอเคอยู่ แล้วเอาไปเลยแล้วไม่รู้คนที่เจ้าของก็ไม่รู้เรื่องเลยเวลาเข้ามาหาก็ไม่เจอแล้วเนี่ยอธอแม้เราจะไปทําบุญก็ตามแต่มันไม่ได้เป็นเขาไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้บุญเราก็ไม่ได้บุญเราได้บุญแต่เราก็ได้บาปด้วยเพราะเราเอาเง่ของคนอื่นไปทำได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปตอนนี้โยมก็ใช้วิธีว่าเวลาใครมาขอยืมมาใครมาขอยืมนงินนะคะ ถ้าไม่เยอะมากจนเกินไปที่ยมสามารถทำได้ยมก็บอกว่าเอาไปเลยยมไม่รับยมยมไม่ต้องคืนยมก็ได้ก็ดีอ่ะก็อย่าไปหวังเลยคืนจากคนที่เขายืมเงินหรอกเพราะบางีเขาไม่คนนะืนแล้วเราไม่ต้องบอกก็ได้เพอเพอเขาจะคืนแล้วเราก็รับคืนแต่ถ้าก็ไม่เขาไม่คืนเราก็ถือว่าเป็นการให้เขาไปก็ได้ไม่ต้องบอกเขาก็ได้พอบอกแล้วเดี๋ยวก็จะติดเป็นดินสายอันจะค้าหน้ามาคอยยืมอีก เราไม่เ้องใช้เดี๋ยก็จะมาขอยืมอีกค่ะที่แต่แต่ ใ, ใจเราคิดเสียว่าเหมืนเรให้เขาไปความอโอกาสที่จะได้คืนไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าเขาไม่รู้ไม่มาก ถ, าถ้าเราไปหวังคืนแล้วไม่ได้เราก็จะเสียใจไปโกรธเขาอีกค่ะยมก็เลยตั้งใจว่าถ้าใครมาขอยืมเงินยมยมก็ไม่คิดว่าจะได้คืนเออไอ้ทอนได้ก็ให้ไปที่ว่าทาบุญทำทานไปค่ะเราไม่ต้องบอกเขาว่าเราไม่ต้องให้คืนเดี๋ยวมันจะ เป็นเต็นดีไซน์เดี๋ยวจะมาขออีกค่ะมีมีอีกข้อหนึ่งนะเจ้าค่ะเอ่ยยมยมฟังแล้วก็อ่านหนังสือเรื่องธาตุรู้ว่าค่ะทีนี้มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่เวลาที่ยมยมทะเลาะกับสามีทีนี้มันมันมีความคิดว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็ไปซื้อของเลยไปซื้อเสื้อเลยอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่ใช่หรอแต่ในอีกความคิดหนึ่งอะ่ะมันเป็นความคิดที่ที่ดีของว่าเฮ้ยเรา ปฏิบัติทําทําไมเราไม่แบบไปนั่งสมาธิทําไมเราคิดแบบนี้สุดท้ายความคิดนั้นก็ไปทางที่ดีทีเนี้ยโยมก็เลยเกิดเกิดข้อสงสัยว่าตัวธาตุรู้หรือว่าตัวจิตของเราอะค่ะมันมันแยกเป็นความคิดที่ดีกับความคิดที่ไม่ดีหรือว่าเหล่าเนี้ยมันคือกิเลสนะคะเจ้าค่ะก็ความคิดของเรามันคิดได้สามทางคิดไปทางกิเลสคิดไปในทางธรรมแล้วก็คิดตรงกลางไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรม น, นับอกว่าตัวตัวความคิดหรือท่ารู้ของเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของเราที่เราจะต้องแยกแยะสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไ ม, ม่ดีใช่หมจ๊ะค่ะใช่ถ้าเรามีปัญญามากเราก็จะเราก็จะคิดไปในทางที่ดีเ ม, มื่อถ้ามีปัญญาน้อยก็จะคิดไปในทางที่ดีน้อยอจะ้ะค่ะเราถึงต้องเข้ามาหาคนที่มีปัญญาคือพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเราจะได้มีมีปัญญาที่แยกแยะว่าอะไรดีไม่ดี จะได้เลือกคิดเอกเรื่องที่ ด, ดีเลือกไม่ดีแล้วก็ไม่คิดสาธุจะค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะลูกสาวที่ยมเคยพามาฟังทำด้วยค่ะน้องเขาเป็นคริสทีนี้เนี่ยเขาเขาขึ้นม .4 แล้วเขาก็เลิกเรียนสายวิทย์ปรากฏว่าพอไปเรียนพวกฟิสิกส์เคมีชีวะค่ะเขาเขาเกิดความเครียดยมก็เลยบอกเขาว่าลอานั่งสมาธิดูแต่ว่านั่งสมาธิในสายที่ที่เขาเป็นก็คือคริสแต่ว่าทีเนี้ โยมไม่ได้เป็นคริสต์โยมก็เลยไม่รู้ว่าจะสอนให้เขานั่งสมาธิอย่างไรอ่ะเจ้าคะกาก็ดูลมเขาจะดูลมโยมอือแล้วก็จะแล้วก็อยากจะสวดบนสวนขดของคริสต์ขอ้ขอนะคริสต์ข้ก็มีการการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าก็ร้องเพลงไปก็ได้อ๋อเรื่องบทใดบทใดเหมือนกันใช่ไหมเะหมือนกันเหมือนกันบทสวดบนเหมือนกันอด้เจ้าคะ่ะเดี๋ยวโยมจะ<อ>ใจก็จะได้สบายใจก็ได้ไม่เครียดจ้ะ เ ร, เรื่องเรียนมากเลกิดไปสอนคนอื่นสอนได้เจ้าคะ่ะเพราะว่าเป็นฟุตเหมือนกันพอมาสอนลูกตัวเองนี่ก็ไปไปไม่ถูกเลยค่ะเลยบอกเขาใช้ปัญญาก็ได้ว่าทำเท่าที่เราทําได้อย่าไปอย่าไปหวังมากอย่าไปอยากมากได้ก็ทําให้เต็มที่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ได้ก็ช่วยไปได้ถือว่าเรา ค, ความสามารถเรามีแค่นี้ก็แล้วกันจะได้ไม่เครียดค่ ะ, คะขอบพระคุณค่ะ ท่านคุณพระธราพรบัว ส, สุขเชิญเดียวทํามาถึงบ้านแล้วหรือวันนี้เดี๋ยนี้ที่นัง่งเปลียนเปลี่ยนเวลาแล้วใช่ไหมกลับมาเร็วขึ้นชั่วโมงใช่ไหมกลับมาสักการเจ้าค่ะหลวงพ่ออันนี้ก็ขยับนาฬิกาขึ้นหมาชั่วโมงไหมใช่ไหมเจ้าค่มีเนี่ยเจ้าค่ะลูกสอบตกเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะ <laughs> อันนี้ค่ะคะําถามวันนี้ที่จะถามหลวงพ่อเพราะอ่าจิตมันกระเพื่อมอะคะ่ะเพราะว่า สงสัยเพราะว่าลูกอาจจะทานยาอะไรก็แล้วก็ก็เลยไม่ไม่ไม่ทราบว่าเวลาเปลี่ยนแล้วก็ก็ตื่นมาปฏิบัติปกติใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็พอถึงเวลาที่หลวงหลงพ่อเทศเนจะ้าคะ่ะลูกก็มาจับโทรศัพท์แล้วก็เกิดแล้วก็จิตมันก็หาไม่เจอไงี้ค่ะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อไม่เคยหยุดลูกก็เข้าไปค้นคนเองก็ไม่ไม่มีขึ้นมาแล้วก็จิตมันก็ เป็นกังวลเกิดอะไรขึ้นมาเรารู้หลวงพ่อไม่เคยหยุดมีตอนที่พ่อละ่ะ uh huh. ตอนที่โยมโยมแม่หลวงพ่อ uh huh. ทันท่านเสียใช่ไหมคะที่หลวงพ่อหยุด uh huh. เราจะรู้ว่าเออเกิดอะไรหลวงพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วแบบจิตมันมันฟุง้งวยจิตมันฟุ้งแล้วพยายามค้นหาอยู่อะ่ะแล้วเราก็ไม่มีไม่มีเพื่อนดีที่ที่ที่ในเนี้ยเราเราจะถามใครนะอะไรยังไง อ๋อเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เคยหยุดนะมีหยุดตอนที่โยมแม่เสียเราเรารู้ว่าเอ๊ะหรือหลวงพ่อป่วยเกิดเป็นอะไรขึ้นแบบจิตรู้สจิตมันฟุ้งขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่ออันนี้เป็นคําถามที่แบบว่าจะต้องบอกหลวงพ่อว่ารู้สึกสอบตกแล้วก็แล้วก็จนจนเห็นขึ้นมาเอ้าแล้วก็เอ้ยหรือเวลาเปลี่ยนแล้วก็เลยวิ่งเข้าไปถามสามี สามีบอกตอนที่เธอลุกไปนั่งสมาธิฉันทักเธอแล้วแต่ว่าเธอไม่พูดอะไรเธอไม่พูดอะไรเราก็ <c oughs> เขาก็เลยบอกเขาว่าเพราะว่าเราพอตื่นปุ๊บลูกก็จะแบบพุดโธพุดโธมาเกาะคือแบบไอทัก <c oughs> อยู่แล้วจะอยูแบบไม่สนใจอะไรเ <c oughs> จา้าค่ะโยมก็อขอทวษเขาแล้วก็โอ้คำสอร์รี่นะแล้วก็แล้วก็โ อ, อนะวกวกโอ้ยวันนี้เราต้องกลาบบอกหลวงพ่อละเนี่ยจิตเรามันรู้สึกว่า รู้สึกสอบตกนะรู้สึกจิตมันกระเพื่อมจ้ะคะ่ะเป็นกังวลใจว่าจะ เ, เกิดอะไรขึ้นกับหลวงพ่อเกิดเเราจะไปถามใครเราจะอะไรเราไม่มีเพื่อนที่ที่ที่ที่เราจะติดต่อได้เลยอะไรเงี้ยเราก็เราก็วันนั้นที่หลวงพ่อบอกให้คุณจุ๊บส่งข้อมูลมาผัดยมไม่เห็นเขาส่งมาจ้ะคะ่ะเอหรือไม่รู้ว่านพัด<ม>ยมเห็นมีก็ส่งไปใน Facebook มันใน m essenger ลองไปเช็กดูใน m essenger ดู ลูกดูมันไม่เห็นมีน้องริวดูก็ไม่มีไม่รู้แล้วลูกก็เห็นมันมีพัฒราพรหลายคนเอ๊ะเขาส่งไปผิดควละพัฒนาพรเลยเดี๋ยวคุณลาก็จะพูดครัคุณลามีอะไรพูดไหอ่าคุณจุ๊บได้ส่งรายละเอียดการโอนเงินให้โรงเรียนผู้รู้อยู่ใน messenger ของคุณพัฒนาพรตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วค่ะอาจจะผิดเฟซนะครับเพราะว่าคุณแม่ต่ตอนนี้ตอนนี้ก็มีส่งลงไปในแชทในซูมอีกทีหนึ่งด้วยค่ะ โอนน okay, เคค่ะค่ะเพราะว่าอ๋อเจอา่ะครับอ่ะค่ะค่ะเห็นละค่ะค่ะหลวงพอ่อลูกลูกเห็นละ เพราะว่าสงสัยจะเป็นเฟซอีกอันหนึ่งแล้วลูกไม่ได้ใช้อีกอันหนึ่งมีอีกหนึ่งอันใช่เขาจะไปสอบวันที่ไม่ไม่ได้ใช้จะเสรค่ะแต่อันนี้ยอันนี้เห็นแล้วเมื่อกี้เข้าไปเห็นแล้วเจ้าค่ะกบขอบคุณขอบคุณคุณจุ๊บด้วยครับขอบขอบคุณเลาเจ้าค่ะของพวกนี้สอบสอบถามได้นะว่าเจ้าค่ะหลวงพ่อพอลูกก็ดูเอน้องลูกก็ดูอ่ะเแล้วคิดเพราะว่าเฟซอีกอันนึงของลูกลูกไม่ได้ใช้แล้ว ไม่ได้ใช้แล้วแล้วบางทลีลูกไปเห็นของเพื่อนของเพื่อนเอ๊อันนั้นทําไมยังเป็นเฟซก่อหรือบางคนบอกว่าเอ๊ส่งอะไรเราไม่เห็นตอบอะไรอย่างเี้ยเจ้าค่ะหรือว่าหลุดและของหลวงพ่ออีกอันหนึ่งเหมือนกันที่ตอนนั้นลูกส่งไปแล้วว่าเอ๊เห็นหลวงพ่อไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไยยด้ดูจะไม่เข้าไปดูไม่เข้าพไม่มีเวลาที่จะไปตอบเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ต้องค่ะหลวงพ่อแล้วก็อันนี้ลูกจะต้องแก้ไขยังไงเจ้าค่ะก็ต้องพิจารณาตั้งตั้งสติพอมีอะไรผิดปกติเริ่มต้นก็ต้องทําใจให้นี่ก่อนอย่าไปคิดเหมือนกระต่ายถึงตูมคิดไปวุ่นวายไปหมดใช่ค่ะตอนนี้เรต้องทําตั้งสติให้นิ่งแล้วใช้ปัญญาคิดว่าเป็นอะไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงตรวจสอบดูก่อนเป็นเวลาฝ่า เดี๋ย ว, วค่ะเดี๋วค่ะเพราะว่าปกติลูกติดต่อกันได้สมเพราะว่าภัยพิบาจจติที่บางท่านคนอาจจะฝนตกอายุไฟดับไม่สามารถจะติดต่อกันได้ก็มีที่นี่บางทีฝนตกดังๆบางทีสายไฟต้นไม้มันหล่นทับสายไฟไฟดับก็มี งั้นบางทีถ้มันไดเข้ามานี่ยอย่าไปต้องไปคิดว่าต้องเป็นนู่นเป็นนี่แต่คิดไว้ก็ดีเปมว่าเดี๋ยวท่านก็ต้องตายอยู่ดีก็คิดไว้ว่าจบถึงจะซาตาว่าหมดไม่ได้การหลพอทั้งอยู่ไปนานๆก่อนอยู่แลลูกหลานยังแบบยังไม่ค้นทุกข์ให้ลูกหลานค้นทุกข์ก่อนนะโซค่ะไม่ไหวหรอกนอนลูกหลานพ้นทุกข์แล้วก็แก่ตายเลย ก็ให้นิมนต์หลวงพ่อให้มีธาตุขันแข็งแรงอยู่ไป<อ>า น, นานๆเจ้าค่ะที่มันจะอยู่แล้วนะอย่าไปกังวลกับมันอย่าไปทุกข์กับมัน<า>ถ้ามีเจอกันแส <ลง S 1> ดงว่าอันดูพ่อไปแล้วว่าแล้วกันบายบายรอลูกด้วยเจา้าค่ะไม่ต้องรอวมันใครจะไปก่อนไปหลังไม่มีใครรู้หรอกใจอันนี้เรื่องจริงแลงนะ้วค่ะหลวงพอ่อเจ้าค่ะอย่าไปอย่าไปยึดว่าจะต้องไปก่อนไปหลังนะใครจะไปก่อนไปหลังไม่มีใครรู้ จายก็หมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้น่ค่ะนัวใจนะจ้ค่ะหลวงพ่อกราบขอบคุณกราบสาธุสาธุเจ้าค่ะยินดีครับต่อไปคุณสุภาพรจะสุภาพรเปิดไมค์กับนิวอันนิวเปิเ อ, อได้แล้วดูได้แล้ว การค่ะเ อ, อได้ยินแล้วใช่ไหมคะได้ยินแล้วเชิค่ะจะสอบถามค่ะว่าเวลานั่งสมาธิไปแล้วอ่าลมหายใจที่เราจะต้องต้องใช้สติจับเนี่ยสังเกตได้ว่าลมหายใจมันละเอียดมากค่ะมันจับไม่ค่อยได้แล้ว่ า, าก็จับความว่างไปแทนจับความไม่มีลมไปแทนไปอยู่ที่เดิมดูดูอยู่ที่เดิมจะดูว่าตอนนี้ไม่มีลม มีสติดต่อไปให้มีสติดูต่อไปดูความว่างดูความไม่มีลงไปแล้วก็ดูว่าใจคิดหรือไม่คิดถ้าคิดก็หยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดสังเกตดูก็คิดน้อยลงแต่ว่าจับจับตัวลมไม่ค่อยได้ก็เลยเออเราต้องจินตนาการว่ามันยังมีลมเข้าออกอยู่หรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องจินตนาการเรคือว่าปล่ดาดูตามความเป็นจริงค่ะโอเคค่ะ แล้วก็คือบางครั้งเวลาที่เราเอารู้สึกว่าลมหายใจระ ง, งับแล้วเากายละเอียดแล้วอมีปิติผ่านไปแล้วสักพักนึงมันมันก็ว่างค่ะสักพักนึงมันก็เผลอหลับไปก็มีค่ะอถอาติเรายังไม่แข็งพอมันก็หลับ ม, มันหลับไปเสร็จแล้วก็พอมารู้ตัวอีกทีหนึง่งก็เหมือนกับมีปิติเกิดขึ้นเหมือนกับปลุกให้เราตื่นคะ กปกติเวลาล้วจะตื่นมามันจะตื่นมาพร้อมตัวปิติเนี่ยค่ะเออก็ได้ไรู้ตามความเป็นจริงแบบอะไรกันหรือว่าสติเรายัางแบบไม่ไม่ต่อเนี่ย บ, บางทีก็เผลอบางทีก็หลับพอได้สติกลับมาก็ตื่นทางที่ดีก็ลุกขึ้นมาเดินดีกว่าเดินจะได้ไม่หลับวันนี้มีเท่านี้เองค่ะเออแล้วเดินจองที่ัาติดจีบเหมเือนเขาเรีย จองไปแล้วค่ะ อ, ะ อ, อได้ไปได้แปดวัน อ, อ๋ออีกอีกเรื่องหนึ่งค่ะคืออพอดีเห็นได้ยินมาว่าบางท่านเนี่ยอ่างดอาหารไปเลยแหลายวันนะคะออพอดีเคยลองทําแล้วเ อ, อ, อมีอยู่ครั้งหนึ่งตื่นมาตีสองตีสามเพื่อนั่งสมาธิต่อมันมันหิวมากอะ่ะมันมีอาการเหมือนเคลื่อนเคลืนไส้จะอ้วกเลยอะค่ะก็กิ น, อนของกิงนถั่มตาลได้กินพวกน้ำหวานน้ำอะไร รางกายมันโหยมากๆก็ดื่มได้น้ำพึ่งน้ำตาลน้น้ำบัตโรมที่มีน้ำตาลก็ดื่มได้น้ำน้ำน้ำส้มอะไรก็ได้แต่อย่าไปกินมามากแล้วไปกินของอเป็นอาหารก็แล้วกันก็คือไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องไม่ต้องกินข้าวเลยใช่ไหมคะกินแบบพวกเครื่องดื่มอย่างเดียวใช่ไหมคะได้ครับบางทีก็ไม่เอาเลยก็ได้เอาแต่น้ําอย่างเดียวก็มีบางคนถ้าเขาเก่งถ้าเขา กำลังสติเขาดี mm. เขาก็ทนกับความหิวได้เข mm. าก็แต่น้ำเดินแต่น้ำเปล่าคือจะใจเหมือนจะทนได้าคา่ะพระอาจารย์ mm. แต่เหมือนกับว่าเออถ้าร่างกายเรามันตอบสนองมาแบบนี้เนี่ยเราควรจะถ้าร่างกายมันเวียนหัวมันจะเป็นดมมก็อาจจะต้องเดิมเดิมน้ําตาลเนื้ของเข้าไปบ้างให้มันมีพลังงาน mm. ได้ค่ะเดี๋ยวจะลองลองดูค่ะ มันก็จะทำให้เราเปสติดีขึ้นเพราเวลามันอดนี่มันจะรู้สึกหิวมันจะต้องคอยควบคุมความหิวด้วยการเจริญสติจะ mm hmm. อยู่เฉยๆตามสบายไม่ได้เวลาอดหายนี่เข้าเข้าเข้าเข้าเวทีเข้าสนามรบต้องนอนกอดปืนเหมือนเหมือดาเวลาอยู่ในสนามรบนี่ต้องนอนกอดปืนเลยไม่เหมือนเวลาออกจากสนามทําบมาอยู่ที่ค่ายนี่มันก็นอนสบาย เวลาเรากนอาหารก็เหมือนกับเราเอ า, เอาจิตเข้าสนามรบสู้กับกิเลสแล้วเพรากิเลสมันจะคิดถึงเรื่องอาหารอยู่เลยแล้ว่าต้องใช้สติคอยหยุดมันค่โอเคนะลองดูว่าแล้วกันไม่เราไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงคจะลองดูค่ะแต่วันนี้หมดคำถามแล้วค่ะพระอาจารย์การมาสักการต่อไปนะคุณนิงคุณหน่งเจอนะ ภาษาอังกฤษมันไม่มีสระอะสระอาเล่เงิเล่ิเล่เจ้าค่ะกามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนิงเจ้าค่ะพระาตุมีเล่นเล่นนิไม่เป็นไรเจ้าค่ะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกมาเข้ามาไม่ทัน้ค่ะพระอาจารย์พาเด็กๆนอนกลับเข้ามาพระอาจารย์ให้พรพอดีเออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์นี้ลูกมาเลงไว้ตั้งแต่สี่รูปเจ้าค่ะมาแล้วพูดสวัสดีพระอาจารย์กับลูก สวัสดีครับยอยู่ที่ไหนนะจำไม่ได้แล้วอยู่สุโขทัยเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลูกแม่จะพอยพอดีว่าเมื่อตอนเดือนที่แล้วที่ลูกไปปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะยังไม่ได้เล่าเจ้าะว่าธรรมที่ละเอียดให้พระอาจารย์ฟังเลยเจ้าค่ะคุณเดี๋ยวก่อนมาละมาลุมก็ก่อนนั้นน่ะโยมก็ตั้งใจเลยเจ้าค่ะว่าจะจะต้อง จะต้องปฏิบัติให้ให้มันก้าวหน้าเพราะว่าไม่มีโอกาสไปวิเวกแบบนั้นเจ้าค่ะเด็กเล็กแล้วก็ลูก <c oughs> อันนี้ลูกก็แต่ว่าไปนี่คือตั้งตั้งจิตไว้ว่าขอให้ทราบแนวปฏิบัติเจ้าค่ะแล้วก็จะได้มาปฏิบัติต่อที่บ้านเนี้ยเจ้าค่ะปรากฏว่าพอไปปุ๊บโหจิต <c oughs> จิตรวมรวมถึงอุเบกขาแบบทุกครั้งเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนกับจิตผู้รู้อ่ะเขา ไปไปดูจิตเองเจ้าค่ะโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับเขาเจ้าค่ะลูกก็เห็นการเกิดดับของจิตแบบเร็วมากเจ้าค่ะจนจนรู้ว่ามันบังคับไม่ได้เจ้าค่ะจนรู้ว่าจิตไม่ใช่เราละมันมันไม่ใช่ละเพราะว่าเราบังคับอะไรไม่ได้เราทำมาลมที่ที่ลูกเคยยึดว่ามันเป็นของเรามันก็ไม่ใช่เลยเจ้าค่ะเพราะว่าเขาคิดเขาคิดของเขาเองแต่ว่าจิตผู้รู้เราก็ แล้วก็ดูไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้บังคับอะไรเขาาเงี้ยเจ้าค่ะครนี้ <c oughs> พอรู้อย่างนี้ปุ๊บปิติร้องไห้เลยเจ้าค่ะตอนนั้นว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยมันเป็นัคืออะไรเนี่ยทําไมมันไม่ใช่เราสักอย่างเล ย, ยเง<อ>ี้ยเจ้าค่ะมันก็เจ้าค่ะก็เลยก็เลยเออไม่ไม่ใช่เราหยุดไม่ได้แล้วนยค่ะก็เลยเหมือนจะว่าจิตเขาก็ปรุงไปเองเจ้าค่ะเขาก็ดว่มันเกิดดับเกิดดับรู้ว่าเป็นตายได้ไป เจ้าค่ะคันนี้ตอนที่รูปปฏิบัติธรรมก็ตอนที่ทําความสะอาดอะไรเงี้ยเจ้าค่ะจิตก็พิจารณาจิตอีกดวงหนึ่งเจ้าค่ะก็พิจารณาทำไปเรื่อยเื่เห็นขี้นกขี้ไก่เวลาทําความสะอาดก็เห็นเป็นกิเลสที่แบบเราต้องใช้อธรรมะอะไรที่ไปขัดเขาอย่าเงี้ยเจ้าค่ะ <c oughs> หรือล้างจาน ก, ก็ไปพิจารณาว่า <c oughs> เนี่ยน้ําขุ่นน้ำใสพอน้ําใสก็จะเห็นกิเลส ได้ดีมากขึ้นเลยค่ะก็มามเป็นไปเองหมดเลยเจ้าค่ะจนจนสุดเจ้าค่ะจนสุดท้า ย, อ, อ, ยา อ, อย่าพึ่งแล้ว ก, ก็นหลบแป๊บนึงจนสุดท้ายเจ้าค่ะลูกก็อืมเห็นกิเลสมันบางมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็มาทิ้ง <c oughs> มาทิ้งกิเลสตัวสุดท้าย <c oughs> เป็นเมตตาเจโตวิมุตที่ลูกยึดเป็นของลูกเจ้าค่ะ <c oughs> ตอนนั้นก็ร้องไห้ว่า ถ้าจะให้ทิ้งเมตตาที่เป็นด้านผุ้สนเนี่ยลูกทําไม่ได้ <c ười> คือมันแล้วกิเลสกับสติก็ทะเลาะ ก, กันอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะเช่นบางทีโผล่น้าลูกขึ้นมาแล้วก็แต่แวบหายไปเลยนะเจ้าค่ะพอเราดดกาหนดรู้เขาก็หายไปตอนนั้นลูกจําชื่อลูกตัวเองไม่ได้เลยเจ้าค่ะจําไม่ได้ว่าเวลาอะไรวันที่อะไร <c ười> คือมันมันเหมือนอยู่ในปรมัตธรรมตลอดเวลาเงนี้ยเจ้าค่ะแล้วก็มีทะเลาะบางทีก็ กิเลศนะคะเขาก็ดึงภาพสามีขึ้นมาบอกสามีลูกเป็นไบโพลาร์เจ้าค่ะก็ดึงออกมาว่าอย่าถ้าเกิดว่าสามีตายเพราะว่าเธอมาปฏิบัติธรรมอ่ะก็เป็นเพราะเธอนะทําให้เขาตายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะปัญญาก็ทะเลาะขึ้นมาเลยถ้า ต, ตายก็ตายไปได้เลย <c oughs> เพราะว่าเราคือไม่ใช่ของเราอะไรก็ไม่ใช่เราสักอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ใช่เราเราก็ไปยึดติดเขาไม่ได้เนี่ยเจ้าค่ะพ <c oughs> อทะเลาะกันเสร็จ <c oughs> เจ้าค่ะก็จบไปคือลูกก็ เหมือนกับว่าที่เคยเป็นห่วงสามีเงี้ยมันก็ไม่คือเหมือนกับปล่อยวางไปเจ้าค่ะโล่งมากเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะครนี้มันก็ยังมีกิเลสแบบแป๊บนึงหลบแป๊บนึงก็ยังมีกิเลสเอ่อ <c oughs> เห็นเห็นโยมมาค่ะเขาพาลูกเล็กสองคนมาถ่ายรูปแถวกุฏิที่ลูกอยู่เจ้าค่ะค <c oughs> ก็ร้องไห้อีกที่ถึงลูกตอนนั้นก็บอกแต่กําหนดลูกเขาก็หายไปนะเจ้าค่ะก็ ค่ะสุดท้ายก็คือนี่แหละมาปล่อยตรงเมตตาเจโตวิมุตนยเจ้าค่ะพอปล่อยเสร็จคือลูกก็คือไม่สนใจแล้วเพราะว่ามันทั้งดีและไม่ดีเราต้องปล่อยให้หมดใช่ไหมเจ้าคะอานารย์ทุกอย่างอานารย์เจ้าค่ะแล้วก็มันมียานไปอย่างรู้ว่าว่าเราไลปล่อยหมดแล้วเจ้าค่ะว่ามัน เหลือแต่กิดทั้งโลกประมาณนี้เจ้าค่ ะ, ะจิตทางจิตใจไม่มีแล้วไม่มีปัญหาไม่มีแล้วเจ้าค่ะใช่ค่ะ ไ, ไม่ถูกอันนี้ลูกก็ลองแบบเนี่ยคือกลับจากปฏิบัติธรรมมาได้เดือนหนึง่งจิตข้างในไม่กระเพื่อมเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่ามันมีแต่กิริยาเจ้าค่ ะ, ะมันก็ ด, นดูไปเรื่อยๆเจ้าค่ะเวลาเจอของที่กระทบแรงๆดูจะเฉยได้หรือเปล่าเจ้าค่ะมันเหมือนกับว่ามันอยู่อุเบกขาตลอดเวลาอย่างเนี่ยลูก ทะเาะกันหรือบางทีแบบสามีไม่กินยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราก็พูดไปตามเรื่องของโลกแต่ว่า <c oughs> จิตข้างในมัน<ช>คือมันมีความสุขเจ้าค่ะมันสุขมันเฉยเฉยมันไม่เ <c oughs> จ้าค่ะมันเหมือนกับทุกอย่างบนโลกเนี่มันสมมุติหมดเลยเจ้าค่ะวันนี้แต่ความว่าง <c oughs> อะไรก็ไม่ใช่มันเหมือนกับโลกมันเปลี่ยนมันไม่ใช่ เ, เหมือนที่เราเข้าใจอย่างี้เจ้าค่ะกลกเงกับโลกราล ง, ลลงมมใช่เจ้าค่าะอันนี้เราเข้าใจว่ามันเป็นสมมติทังมันเป็นใช่เจ้าค่ะแต่ลูกก็เหมือนกับช่วงแรกที่กลับมาทำงานเริ่มคุยกับคนไม่รู้เรื่องเพราะว่า <c oughs> <c oughs> คือเห็นมันเป็นสมมุติแล้วก็พอใครพูดอะไรเราก็แบบ จะบอกเขายังไงดีนะมันก็เป็นอย่างนี้มันทุกอย่างมันเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยคือเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้เราก็คือรู้แค่นี้มันทำอะไรไม่ได้เจ้าค่ะดีมากดีมากเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะรู้กันเลยว่าเจ้าค่ะตอนนี้ไปรอนะไม่ไม่อนไม่อะไรเจ้าค่ะเฉยเเจ้าค่ะจะออกก็ได้จะตายก็ได้ใครจะตายอะไรก็ได้คือได้หมดเจ้าค่ะ ปฏิบัติแล้วมันก็ได้อย่างนี้เจ้าค่ะมันแบบว่าสุขแบบว่าสุขแบบไม่ได้บังคับอย่าเงี้ยเจ้าค่ะมันสุกยธรรมชาติเจ้าค่ะมันมันดีมากเลยเจ้าค่ะแต่ลูกก็ตั้งตั้งจิตไว้ว่าก็ขอทรงในขออยู่ในเพศคารวาสอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่ามีกิจต้องดูเด็กต้องเจ้าค่ะไม่ไม่ต้องกวนบางคนบอกว่ามันดูแลจะต้องบวชไม่จำเป็นหรอกเจ้าค่ะ จะบวชในเรื่อกันเจ้าค่ะแต่ลูกก็บวชจิตไว้ว่าลูกจะไม่ทํำบาปทั้งปวงอย่างนี้ยเจ้าค่ะทําทําแค่นี้ยพอก็ตอนเย็นลูกกลับมาบ้านลูกก็ใส่เป็นแม่ชีลูกลูกแซวลูกเด็กเด็กแซวถ้าถ้าทำงานโรงพยาบาลก็ก็ทําตามกิจของเราไปบางทีก็เผลอให้พรเขาไปเรื่อยเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์บางทีเจ้าค่ะ บางทีก็ตอนนั้นแบบพอมันรู้อะไรเยอะๆแบบมันอยากจะสอนเทพอะไรไปเรื่อยลูกมันเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกเขาด็คิดว่าเราเป็นคนธรรมดาเราอยาไปเจ้าค่ะสามีพาไปรดน้ำมนต์ด้วยเจ้าค่ะค่ะใช่เราต้องเฉยๆนะอย่าเป็นธรรมดาการผิดปกติให้กับคนเราค่ะคือเขาก็บอกว่าเทพทำไมปฏิบัติธรรมกลับมาแล้ว แบบพูดแต่ทํามากนะคือคือจะมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะทำเมาหรือเปล่าเคยเป็นเจ้าค่ะก็เออแต่ตอนนี้ก็เริ่มตั้งเริ่มเริ่มแยกโรคโรคสมมติเจ้าค่ะเจ้าเจ้าปรับตัวได้เจ้าค่ะเพราะว่าเราเรารู้อะไรคนไหนก็ไม่รู้ใช่เจ้าค่ะแล้วก็ช่วยคนอื่นตามกําลังความสามารถไงเจ้าค่ะตามตามที่เราพอทําไว จ้าค่ะจ้าค่ะได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไได้ก็ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมเขาดีมากเราดูไปเรื่อยๆนะดีว่ามันจะเปลี่ยนไหมเออร้องหรออาดูกันจ้ารออ้าแล้วลูกทำไมลูกทำไมเอาคุยกับพรการ์ทำไมลูกทะเลาะกันเหรอทะเลาะกันะฮ ว่วงเหรอครับถ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโอเคดีว่านะเวลามันใกล้จะหมดท่านโยงทางเวลาคนอื่นก็้ากนะโอเคนะท่านโยอสตัวก่อนจ้องทะไ่อนดึงนะครับดึงครดึงก็ค่ะหาดูจะทำยังไงกันลูกเดียวเดี๋ยวยุดกันเหอีกสามชั่วโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านหลังๆเนี่ยจะต้องขอขอขอใช้เวลาน้อยหน่อยนะอย่ายืดยาก เป็นวันนเป็นอะไรเข้ถ า, าถือประเด็นเอะไร อ, ะอ๋อเข้าถือประเด็นเลวันก่อนรู้สึกว่าเกิดอะไรอ่ะอาหารเป็นพิษทําให้ปวดท้องมากก็เลยลองพยายามจับลมหายใจแบบวุ้นทอแต่ลมหายใจมันก็เหมือนผิดปกติตามร่างกายไปเพราะว่าปวดท้องทําให้หายใจไม่ปกติผมก็เลยนึกถึงไหมว่าพระเจ้านี่สินะความทุกข์ของการเกิดพระเจ้ามีเมตตาให้เราคนทุกข์พอคิดอย่างนี้ใจมันเย็นเหมือน คิดถึงพ่อแม่ที่มีต่อบุตรอะไรอย่างนั้นได้ไหมครับได้ถ้าจิตเย็นเจ็บสบายก็ใช้ได้พุทธานุสติถึงไม่ต้องไม่ต้องการพุดโธแต่นึกว่าความรักพระเจ้าต่อเราใช่พุทธคนเนี่ยพุทธคุณพระเมตตาพระปรุณาของพระเจ้าต่อสามโลกพอคิดอย่างนี้แล้วน้ําตาไหลแล้วมันแบบมันมันอยากเคลื่อนใจมันเย็นชาบซึ้งมันชาบซึ้งแล้วก็โกอย่ที่พระเจ้า แล้วแบบมันก็แปลกเลยครับในถ้าชีวิตปกติมันบางทีมันยังอยากสวยอยากร่ารวยแต่พอเวลาปวดถึงปวดท้องมันแบบมันไม่ต้องการอะไรแค่อยากให้แค่อยากให้ความทุกข์มันหายหรืออะไรอย่างนั้นก็เยนึกถึงตัวเองถ้าสมมติตัวเองจะต้องตายจริงๆความร่ํารวยความประสบความสำเร็จในชีวิตมันต้องมันไม่เหลืออยู่เลยไม่เหแล้วมันอยากจะไม่ตายอย่างเดียวอยากจะรอดตายอย่างเดียวมันจะไม่ใช่อย่างนั้นแบบแต่พอนึกถึงพุทธเจ้าแล้วเออมันแบบร่างกายมันจะเจ็บแต่ใจเรา มันเหมือนตึงถึงถึงอะไรอย่างนั้นโอเคได้โอเคเราจะทักใจปฏิบัติต่อไปครับอันนี้ที่แล้วลืมเข้ามาครับพระจันทร์ปิดเร็วมากเลยครับอันนี้ไม่มีใครถามก็เลยเข้าอะไรก็ปิดเข้ามาไม่ทันแบบห้าทีเอาอาจารย์ะหลวงพ่อปิดไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะไปกราบครับหาได้เชิญคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบจากแม่ลานเชิญได้ยินไหมกราบในมรดกการ อาจารย์ได้ยินเจ้าค่ะหนม้าน้ามาเดินเล่นนะอ๋วอันนี้มาน็อตคาร์โรไล น, น่าค่ะพอดีลูกปิดเทอมหนึ่งอิดค่ะอ๋อเพราะนั้นไดอยู่ชายทะเลนะนีไ่ไงใช่ค่ะตอนนี้เลยพามาเอ๋อเขาเรียกอะไรทะเลทรายแซนดุนที่มันเป็นทะเลทรายภูเขาค่ะใหญ่ใหญ่ใช่ค่ะก็เลยเอยฟังไปด้วยเดินไปด้วยขอประทานโทษไม่เวลามีอะไรไหม จะทำพระอาจารย์นะคะถ้าพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราทําอาปาณสติอาปาณสติคือการดูลมหายใจแล้วถ้าตอนนียมบางครั้งยมจะติดว่าเออเราดูลมหายใจแล้วมันจะพุทธอัตโนมัติไปด้วยในขณะที่เราแบบดูดูไปด้วยอะค่ะก็ได้แต่ถ้าดูดูอย่างเดียวได้มันจะดีกว่ามันจะสงบได้ดีกว่าแต่ดูอย่างเดียวคือแล้วถ้าเวลาเราสมมติเราไม่ได้นั่งสมาธิเหมือนโยมเดินอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วดมก็จะดูลมหายใจอันนี้ เดี๋ยวมันก็ได้มันก็จับได้แต่มันจะไม่สจะได้ยังไงแต่จะทําให้จิตไม่ไปคิดเรื่องรา่าต่างๆนะฉะนั้นแสดงว่าเราเวลาเราลมดูหายใจเราควรจะนั่งนิ่งๆเป็นสมาธิมากกว่าไม่ควรจะกิจวัตรประจําวันแล้วถ้าเรเคลื่อนไหวกั็ดู่อยูการเคลื่อนไหวไปอยู่ร่างกายเราอ๋อใช่เป็นดูกายเอาเองต้องดูลมหายใจดูแบบอ๋อจังขา มีอะไรค่ะพระอาจารย์นะก็แค่ถามเขาเพราะว่าดึกแล้วก็ไม่ได้มีคําถามมาเท่านี้ละค่ะอาจารย์อาจาเจ้คุณเดบซลินท้าค่ะอ๋อได้คุยแล้วค่ะคุยแล้วค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณหลาด้วยนะคะฝากขอบคุณคุณหลาดด้วยค่ะไม่ทันตอบค่ะค่ะกลับมาราชการพระอาจารย์รักษาสุขภาพค่ะขอบคุณจอยจอยเชิญนอนนาหน่อยนะ อันนี้ต้องขอรวมท่านหน่อยมีอะไรไหมไม่มีฝากเดี๋ยวไปใส่บาทดค่ะใส่วันไหนวันเช้าเล้ววันเสาร์ค่ะโอเคค่ะมาตั้งท้ายก็ก็ดีแล้วนะค่ะดีดว่าสบายดีค่ะสบายดีโอเคอ่ะค่ะอไปที่ท่านต่อไปคุณต้องกาศิริครับ่าวนมัสการพระเจ้าครับเอออยู่ลาดไม่ไอยู่ที่เพชรบุรีครับพระจ้า มีอะไรไหมวันนี้ครับพอดีผมใกล้เรียนจบแล้วครับพระอาจารย์แล้วทีนี้ผมจะบวชนะครับก็แต่ว่าบวชได้ก็ดีครับว่าผมไม่แน่ใจว่าจะเบวชวัดไหนดีครับพระอาจารย์ก็ไปหาวัดที่เขามีการปฏิบัติที่ดีวันเราเนี่มันถ้าบวชตอนนี้เขาจะเน้นไปทางด้านปริญญาตรีให้ไปสวดมรไปอะไรไปเรียนหนังสืออะไรต่างไป วันนี้ก็เอาแบบฉบับของวัดบวรมาใช้เขาจะไม่สนับสนุนให้ปฏิบัติทันทีเรียนไปหาวัดป่าที่ไหนก็ได้อยู่ครับแถวาให้บุเรนีแถวลาดบุเรีก็มีวัดของพระอาจารย์ชงกงันอยู่จังหวัดราชบุรีครับผมผมผมไปบ่อยอพระอาจารย์ไปที่นั่นดีกว่าแต่ว่าครับแต่ว่าทีนี้ผมรู้สึกว่าเป็นวัดป่ามากมากเลยครับแล้ว พ่อพ่อรู้สว่าพ่อจะเป็นห่วงมากเลยครับไม่ต้องห่วงการบวชทั้งทีงก็ต้องบวชแล้วพระเจ้ า, เ, าเพราะพระเจ้าก็ก็เป็นพระป่าครับพระเจ้าเนี่ยมันจะไปไปเรียนหนังสือที่ไหนต้องไปบวชทั้งก็ไปปฏิบัติเนแต่ครับแต่จริงๆผมว่าใจก็รู้สึกว่าวัดหลวงพ่อสงบนี่แบบน่ากลัวมากพรัอาจารย์<ต>มันเป็นมันจะเป็นที่ฝึกจิตมันก็ต้องน่ากลัวเลยถ้ามันไม่น่ากลัวมันก็ไม่ได้ฝึกอะไร ออื mm hmm. ยังก็เหมือน yeah, ไม่ได้ <but> บวชอ่ะไปบวชแล้วอยู่วัดในเมืองมันก็เหมือนกับอยู่บ้านแลครับเข้าใจไหมหายเลยไม่ต้องไปกลัวหรอกไปถ้าอยากจะปฏิบัติไม่ต้องไปอยู่วัดป่าที่มันน่ากลัวมันจะได้สร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาครับ <Huh. S 1> ถ้าไปอยู่ที่วัดสบายๆวัดในเมืองมันก็เหมือนกับเป็นอยู่คารวาสดีๆหรอกอยู่ในเมืองอนะ่ะอืม ไม่าไม่แน่ใจว่าจะไปวัดยานะครับอาจารย์ก็ไปได้แต่ต้องไปคุยกับเจ้าอาวาสเพราเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรับปฏิเสธคนไคุยกับาเขาบอกต้องอยู่ข้างล่างยังไม่ให้ปฏิบัติมนเขาเรียนหนังสือต้องสวมดมนต์อะไรว่าไปตามตามสูตรของเขาอะ่ะครับผมก็ได้ถ้าอยากจะมาอยู่วัดยานก็ต้องไปติดตามกับพระเจ้าอาวาส เราทานที่ดีเยอะเยอะเอ่อยเยอะเ อ, อยเอถึงเราดะดีสุดครับผมนะก็ไปไปบอกว่าสนใจอยากจะมาอยู่วัดนี่ขอบวชได้ไหมก็ถามท่านไปครับแลนะ้วถ้าอยาะบอกว่าจะมาบวชทําไมบวชอะไรก็เข้าอถามไปแล้วก็ตอบก็ครับต้องคุยกันนะครับผมโอเค ขอบคุณครับพระอาจารย์โอเคมีใครนี่นะรับผมรู้สึกบ่นแล้วมั้ยใช่ไหมมีใครเลยว่าคุณจอยมีจอยจอยแล้วก็คุณจอยจอยเก่ามีมีคุณอ อ, อดีนะฮะออดี้อ๋อจอยออดีมีอะไรั้มกาม่กาวนามสกังค่ะพระอาจารย์ไม่มีค่ะยอมหยุดเย็นนะเออหยุดได้ใช่ไหมหยุดได้อะค่ะต้องเหมือนกับต้องต้องขอขอนิดนึงค่ะ มันตอนหนูพยายามดับเองอ่ะมันเราดับไฟอะค่ะพระอาจารย์แต่ไฟที่มันลุกโชนอยู่ใช่เวลามันทุกมากมามันเหมือนไฟลุกในใจเรามันมันยังไม่มอดดีนะคะมันดับลงก็จริงแต่มันยังเหมือนพร้อมที่จะประทุแต่พอเมื่อวันอาทิตย์วันพระที่ไปฟังธรรมพระอาจารย์อีกครั้งซึ่งพระเดินก็พูดเรื่องเดิมะนะคะบมเรื่องไฟรักแต่ว่ามันเข้าไปถึงข้างในใจวันนั้นหนูหยุดเลยหยุดจริงๆกลับมาบ้านหนูไม่ไม่อยากไม่อยากอะไรแล้วอะค่ะอ่ดี ขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะโอเคสาธุใช้ปัญญานะตายแล้วอริยธรรทุกขังอนัสตาค่ะไม่มีแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะไปทาพระอาจารย์เดินค่ะไปคุณพระอยู่ไปอยู่ทู้าลูกไม้ไปไงเด็กๆสบายดีนะเรียกว่าพระอาจารย์จะลืมแล้วอไม่ลืมเรียกว่าพระอาจารย์ลืมแล้วไม่ลืม ค่ะไปยังไงบ้างสบายดีทุกคนนะสบายดีค่ะสอบเสร็จหรือยังยังค่ะอีกสองวันจะสอบแล้วจะติวติวทุกวันเลยค่ะตอนนี้ติวให้เข้มเลยนะตอนนี้เริ่มเอ๋อเริ่มเอสมองทํางานอ่ะขอกําลังใจแล้วลูกขอกําลังใจค่ะกำลังใจอยู่ที่ความขยันเนถ้าขยันแล้วก็จะมีความกําลังใจนะถ้ามีความขยันดึงหนังสือ มัเขาอยากนะแต่อยากได้อยากไ ด, อกได้อยากได้กำลังใจจากพระอาจารยนะ์เนาะใช่เขยันในที่ตรียกลับมาบ้านตุวันนิดเรื่อเตียติวทุกวันถึงสามทุ่มทุวันนี้ติวทุกวันถึงบ้านสามทุ่มทุกวันเลยค่ะใชะติวไปเรื่อยๆเดี๋ยววันี่วันก็สอบแนละ้วสอบสอบวันที่สามค่ะสอบเสร็จ <Okay. S 2> แล้วเดี๋ยววันที่สี่จะไปแสบบาทนะคะโอเค อาจารย์คะโยมโยมมีเรื่องนิดนึงค่ะเมื่อเช้านี้โยมไปใส่บาตรแล้วโยมรู้สึกไม่สบายใจไม่รู้โยมบาปหรือเปล่าคะ โยมไปใส่คือปกติโยมจะใส่บาตรพระองค์ที่ตอนเจ็ดมงึ่งใช่ไหมคะ <S <S แต่โยมเล่นั่งรออยู่ในรถตั้งจนถึงแปดโมงกว่าแล้วก็คือหลวงพ่อไม่มาองค์ที่โยมใส่ประจำอะคะ่ะแล้วยอยู่ๆคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากใส่บาตรใช่ไหมคะอยู่ๆโยมก็มีพระองค์หนึ่งแปกมาใส่เป็นสีเสื้อเป็นสีสีธรรมยุทธอย่างเงี้ยคะ่ะจะไม่ใช่ไม่ใช่พระบ้านใช่ไหมคะโยมก็อ่านิมนต์บอกนิมนต์เจ้าคาแล้วโยมก็เอาอาหารนะคะไปใส่บาตรอย่างเงี้ย แต่ว่าหลวงพ่อที่รับประหารเขาท่านไม่เปิดสาบานรับนะคะท่านให้ท่านก็เปิดเป็นย่ามให้โยมใส่ย่ามเข้าแปลท่านก็บอกโยมว่าเออแบบบอกโยมว่าให้ให้ให อ, อ่าเรียกว่านะกูดอ่ะบอกว่าจะทุดงไปไหนสักที่หนึ่งอ่ะให้โยมอ่ะช่วยบริจาคเงินอ่ำซื้อซื้ออะไรนะอ่ำอ่าอะไรนะกุดกุดใช่มกุดใช่ไหมคะที่บริจาคกุดซื้อให้ให้โยมซื้อบริจาคเงิน ช่วยเงินซื้อกุศให้หน่อยอะไรเพราะกุศเสียแล้วอะไรเงี้ยแล้วยมก็ใจนางยมอยากหยิบถวายหยิบถวายแต่อีกใจนางยมก็นึกขึ้นมาได้ว่า อ, อสามียมบอกว่าไม่ควรหยิบเงินใส่บาตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยมก็เลยไม่กล้าใส่แล้วก็<ม>อีกใจนางยมก็รู้สึกคิดในใจว่าพิจารณาไว้เอ๊ะหรือจะเป็นเหมือนที่ข่าวที่บอกว่าไม่ใช่พระแบบเพราะว่าไม่ใช่พระจพระธาตเหมือนโทษนะคะอาจารย์ยมกลัวบาปมากเลยเหมือนมันก็ว่าพระพรไหมยอะไรเงี้ยเพราะว่า เออปกติโยมไม่เคยเจออย่างเนี้ยค่ะแล้วก็แต่แต่ตอนใส่จิตโยมก็คิดว่าโยมใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าโ ย, ยมคิดแบบนี้ค่ะแต่ว่าโยมไม่ค่อยสบายใจว่าโยมบาตหรือเปล่าที่โยมคิดแบบนี้อะค่ะคือปกติพาะไม่ควรจะของเงนอินจากญาติโยมโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักเลยคนที่ก็ไม่ได้เสนอตัวให้ก่อนค่ะนั่นก็มันเป็นความปิดของท่านอ่ะอจริงๆท่าไม่ควรจะของเงนอินจากโยมค่ะ แต่ภพภาพรูปนี้ยมก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ยมก็ถามชาวบ้านแถวนี้าอาจจะเป็นถ้าอาจจะจอนมาก็ได้ถ้านอาจจะอาจจะมาเยี่ยมญาติญาติพี่น้องแถวบ้านแถานั้นแล้วเดี๋ยวจะเดินทางกลับก็ได้ก็ไม่ต้องไม่ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรอาจะไม่ต้องไม่ต้องให้เงินท่านอแต่ถ้าจะให้ก็ให้ไปแล้วก็ถือว่าท่านได้ทําบุญไปแล้วก็แล้วกันยม ยมคิพิจารณเดินกลับไปจะไปให้ท่านก็รยมเห็นท่านเอ่ยถามคนอื่นด้วยแต่คนอื่นก็ไม่มีใครให้มยมจะเดินกลับไปให้แล้วนะคะแล้วยมก็คิดในจอเอ๊เพราะว่าสามียมบอกว่าอย่าใส่บาตด้วยการใส่เงินมันตัวเราก็จะบาปไปด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะยมก็เลยไม่กล้าอไม่ควรอ่ะความจริงไม่ควรจะให้กันถ้าถ้าจะให้ก็ต้องให้เป็นกิจจาลักษณะฝากรูปศิษย์ไว้ให้ลูกศิษเข้าไปคอยเก็บ ้าไปย่อมไม่บาปใช่ไหมคะไม่บาปขอบคุนค่ะไม่ต้องกังวลคุะเจ้าค่ะถ้าท่านทำเปิดกฎระเบียบเองพระพุทธเจ้าห้ามแม่ให้ขอไม่ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเป็นอะห้ามขอจากคนที่ไม่รู้จักไม่เป็นญาติถ้าเป็นญาตินี้ขอได้ถ้าเป็นคนที่เขาบอกลงหน้าไว้ก่อนว่าท่านต้องการอะไรขอได้ถึงจะขอได้ค่ะสถูกค่ะ แล้วโยเฉพาะเงินที่ห้ามเด็ดขาดแล้วห้ามห้ามไม่แต่ต้องเงินทองแต่ยมยังจะให้เงินทองก็ให้ให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ที่เนี่ยค่ะเจ้าค่ะยมก็เคยได้ยินมาว่าสามียมเคยเตือนยมว่าถ้าจะให้มันเหมือนเหมือนให้เงินแส่บาทเนี่ยมันมันก็จะตัวเราก็จะบาปด้วยอย่างเงี้ยค่ะใชไม่บาปเพียงแต่ว่าเราทาให้พระบาปอ่าขอบคุณค่ะถูกค่ะ นั้นเดี๋ยววันอาทิตย์ยมไปไถ่บาทนะคะโอเคได้ค่ะกลับมยมไม่มีอะไรแ้วค่ะเดี๋ยวไม่มีอะไรนะลูกไมมีนะคะขอให้สอบได้ดีนะได้ที่หนึ่งกันทุกคนนะเุณจอยขอบคุณค่ะมารอคานี้ค่ะออได้คุณจอยนี่จอยเดียวกันหรือล่าเนี่ยมีจอยจอยพัทยาป่ะไม่ใช่คุณจอย จอยเดียวกันนะฮะใช่เหรอน่ใจเหอโอเคจอยเดียวหรืวจอยจได้ยินไหมจอยจอครั้งอ๋อะโอเคจอยพัทยาก่ใช่ค่ะเอาคนเดียวนะ้พูะไดวกันครับโอเคขอไปด้วยที่่ายังไม่ได้พูดก็เลยคุณพธิธรพัทพรลิ์นะฮะ แต่ว่ามาอยู่ที่ไหนท้องทีการครับพอาจารย์ครับอยู่ประทุมธานีครับเออมีอะไรไหมอ๋อก็มาฟังก่อนที่จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิครับพอาจารย์ครับแต่มีลิดหนึ่งครับอาจารย์ครับเออเวลานั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งครับมันก็จะมีอาการรู้สึกแบบเหมือนกระตุกนะครับภระอาจารย์ครับมันอก็รู้เฉยเฉด้วยว่ามันกระตุกเราไม่ต้องไปอะไรกันครับ แลก็บางทีก็เออมีส่งจิตออกข้างนอกบ้างครับก็มีทุ่งบ้านเราจะดึงจิตกลับมาไว้ตรงไหนครับอาจารย์กลับมาที่หัวโตเรืเ่ที่ลมที่เราใช้อยู่ใช้อะไรก็กลับมาหาตัวนั้นครับผมต้อง<ะ>ใช้วิธีที่อาจารย์แนะนําคือดูลมอะครับที่ไปก็กลับมาดูลมต่อแสดงว่าเราเพลอแล้วเราไม่ได้ดูลมก เ, เราไปคิดเรื่องอื่นประมาณนี้ครับอาจารย์โอเคนะ ให้เกาะติอยู่กลมลงไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกรรมการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาครับผมโอเคไปที่ท่านต่อไปนะท่านสุดท้ายแล้วน้องอีกสองท่นดีคุณดีท่านไม่ลืมก่อนคุณดีแต่ท่านจะพามาจากที่ไหนจ้ากรุงเทพเจ้าค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วค่ะเสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็มีไปใส่บาตพระอาจารย์เจ้าค่ะเออ อ้าใส่บาตรแล้วก็พอถวายปัจจัยแล้วก็คุณสามีก็มาฝันฝันก็เลยนึกว่าเป็นนิมิตบอกลางอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็การนั่งเมื่อคืนก็ดูลมไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่ามันมันเหมือนแบบเสียงเสียงลมเข้าลมออกมันวีเวทเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนเหมือนเป็นหอบไงค่ะก็เลยไปดูที่ที่อกเวลาลมเข้าลมเข้าอกแต่ยกขึ้นเวลาลมออกเขายกลงไปค่ะเจ้าค่ะ ค่ะเจ้าค่ะคือแต่ปกติจะดูลมเจ้าค่ะเออได้ดูที่ที่หน้าอกก็ได้รือดูที่ปลายจมูกก็ได้แล้วแต่สะดวกเจ้าค่ะดูเพื่อหยุดความคิดเพื่อไม่ให้ใจไปคิดอย่า ง, งนั้นอย่างนี้เจ้าค่ ะ, ะก็มีมีช่วงหนึ่งที่ดูแล้วมันมันนิ่งจากลมที่มันยาวๆมันก็ค่อยๆสั้นลงสั้นลงอ่ะเจ้าค่ ะ, ะว่ามันก็จะเหมือนแบบเผอเผลอไปแบบ ไปจ้องแสงนะคะมันเหมือนมีแสงแสงมาสีขาวสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันเป็นกิเลสใช่ไหมเจ้าค่ะใช่มันไม่เป็นกิเลสอะมันเป็นอาการที่ปรากฏขึ้นมาเราเพียงแต่บางคนที่จะไปสนใจมันแล้วควรจะกลับมาดูที่ลมต่ออ่ะก็กลับมาดูที่ลมต่อเจ้าค่ะเพราะถ้าไปดูตามแสงอันเดี้ยจิตมันจะไม่สงบมันจะตละเติบเปิมตลอดเปิดเปิมไม่ได้อ่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอฟังทำบ้าอาจารย์เสร็จก็จะไปปฏิบัติต่อเจ้าค่ะ นั่งทุกคืนเลยเหรอก็ทุกคืนเจ้าค่ะดีๆโอเคทำไปเรื่อยๆนะอ่ากขอบคุณเจ้าค่ะอ่าสาธุกลับมาสักกอ่าได้อาจารย์คะมีคุณทิศสายพงศ์นะฮะยกยกมืออยู่ทางซ้ายบนนะยินดีต้อเชิญใครยังไม่ได้ถามเชิญถามได้กลับมาสักการครับพระอาจารย์ออยู่ที่ไหนอยู่กำแพงเพชรครับ เขอโอกาสเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับเอ่อการที่หมอเนี่ย ท, ทําแทงตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์คือแบบความมาเด็กเนี่ยอาจจะเกิดมาแล้วไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้เนี่ยถือเป็นบาปไหมครับบาปบาปถ้าทําให้เขาตายเนี่บาปทั้งนั้นถึงถึงแม้ว่าเราจะทําตามตามาําราตามข้อบ่งชี้ตามตำรามันขัดกับคํามสองพระเจ้าอ๋อครับพระเจ้าไม่มีคบข้อยกเว้นเรื่องการฆ่า ถ้าฆ่าก็ถือว่าฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลกลไกใดก็ถือว่าผิดศีลอ๋อครับเพราะบางทีเหมือนไว้ก็โดยธรรมชาติของเขาดีกว่าเขาอยู่ได้ก็อยู่อไม่ได้เขาก็ตายของเขาเองอ๋อครับแล้วเป็นหมอมีหน้าที่รักษาพยาบาลชีวิตไม่ใช่มาฆ่าทําลายชีวิตครับใช่ไหมครับแต่ว่าบางที คือมันมันก็ตามตําราครับอาจารย์แต่ว่า mm hmm. เหมือนรู้สึกเหมือนทําหน้าที่เหมือนเป็นเพชฌฆาตองครัอาจารย์เหมือนเหมือนเราต้องทําตามที่เขาตาัดสินมาอยาเงี้ยครับก็เราเราอยู่ในโลกของความหลงเลยคณะแพทย์นี่ก็หลงไม่ไม่เข้าใจหลักธรรมที่ถูกต้องครับ mm hmm. ครับท่านนี่แะครับอาจารย์เป็นอปนอสหรือตนะัวเองเป็นแพทย์เลย คือผมเป็นหมอครับแล้วก็แฟนผมเป็นหมอสู่ที่เขาทํางานทางด้านเนี้ยครับคือเขาก็แบบบางทีคือก็เขาก็ไม่สบายใจคือเขาก็ไม่ได้อยากทําแต่ว่ามันก็เหมือนหน้าที่ผ่าจานมันก็บางทีก็มีไม่สบายใจอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นเป็นงานใหม่ทำงานที่ไม่ต้องทําฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็ไปต่างจากคนที่เขาซ <house> ื <Upper> ้อหมูเฆ่าหมูฆ่าไปฆ่าไก่เป็นอาชีพเป็นงันครับ ตามใจเป็น ถ, ถ้าไม่สบายใจเปลี่ยนได้เลิกได้ก็เลิกอย่าไปทำมันดีกว่าได้ไม่คุ้มเสียครับอาจารย์อโอเคหมดแล้วใช่ไหมทุกคนได้ถามหมดแล้ว ท, วทางเฟซบุ๊กต่อเฟ e บุ๊กต่อคุณดาเชิญมีก <About S 1> ี่คำถามมีหกคำถามจาก Facebook กับ YouTube เจ้าคะ่ะเชิญคำ uh, ถามแรกจาก นาวาโทอนุพงศ์อธิชานันมีทั้งหมดสองคำถามเจ้าคะ่ะคําถามแรกถ้าไม่มีการปฏิบัติธรรมเราใช้การภาวนาตลอดเวลาหรือเท่าที่มีกําลังสติได้หรือไม่ครับการภาวนาก็คือการปฏิบัติธรรมการภาวนาก็คือการทําจิตให้สงบได้สติเป็นสมาธิก็เรียกว่าสมถภาวนาถ้าเป็นการเจริญปัญญาศึกษาให้เห็นความจริง ของอริยาศาสตร์นี้เราก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเน้นคําว่าภาวนาก็คือการปฏิบัติธรรมนี่เองคําถามที่ทสองค่ะในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้อาการง่วงเวลาที่นั่งกรรมาฐานได้ต้องทําอย่างไรครับหรือปฏิบัติไปเรื่อยๆครับออก็อดอาหารดูสิอย่ากินอาหารดูเนือถ้าไปอยู่ที่มันน่ากลัวได้กําลังไปนัํา ไปนั่งตามป่าช้าดูหรือตามเบนวัดก็ได้วัดที่เงียบๆวัดที่ไม่มีการเผาศพแต่มีเบนอยู่ลงไปนั่งแถวรๆนั้นก็ได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนูนั่งสมาธิดูลมหายใจเมื่ออยู่กับความว่างสามารถอยู่กับความว่างได้นานขึ้นและเริ่มหยุดความคิดได้มากขึ้นกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ในขณะที่อยู่กับความว่าง หนูจะจดจ่อและเพ่งกับความว่างนั้นอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะหรือหนูควรจะดูเฉยๆอย่างผ่อนคลายจะเป็นการสมควรมากกว่าไหมคะก็ได้ทั้งสองแบบนะขอให้ใจมันแน่นใจอย่าไปคิดก็แล้วกันถามต่อไปจากคุณอู๋กราบเรียนถามพระอาจารย์ทำไมบางคนนั่งสมาธิได้ชานแต่บวชไม่ได้ ต้องได้ระดับพระอาหารหันต์จึงจะบวชได้หรือเจ้าคะอราไม่หรอกระดับไหนก็บวชได้บวชได้ไม่ได้นะั้มันอยู่ที่อยู่ที่ว่าตัวเองมีมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าบางคนมีเงื่อนไขไม่บวชไม่ได้มันก็สามารถปฏิบัติโดยที่ไม่บวชก็ได้คาถามต่อไปจากคุณโฟกัสในสิ่งที่ต้องการนอนธรรมะได้ไหมครับหมายถึงนอนปฏิบัติธรรมเจ้าคะ คือนาะนปฏิบัติธรรมมันก็หลับเท่านั้นมันจะไม่ได้สติมันได้สมาธิมันจะได้หลับได้จากคุณจัตุลน์กราบขอความเมตตาจากหลวงปู่ครับขณะนั่งภาวนาพุทโธเวทนาเกิดขึ้นที่กระดูก้วผมภาวนาพุทโธจ่อตั้งที่จุดเวทนาจุดเดียวแล้วรู้สึกปิติกับเวทนากระผมกระผมภาวนาถูกทางไหมครับ ถ้าไม่ทุกข์ก็ถูกทางถ้ามีความสุขก็ถูกทางคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะหดแล้วนะโอเคคิดว่าอันนี้ไม่มีรอบสองแล้วพราะมันจบแล้เนี่ยห้าทุมยี่สิบนาทีก็จะสอยงยาพอแลาวเดียวเดีย๋ยวคิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจ้านำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้า<ม>ในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป And.